าจารย์พรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นการพั่วอปกันสนทนาถามตอบคำถามกันตามการตามเวลาคือทุกวันพุธประมาณสองทุ่มเวลาประเทศไทยผู้ใดมีความสนใจก็เชิญเข้ามาทักทาย มาสนทนาถานตอบคำถา ม, ามต่างๆได้อย่างเิ่มตอนที่คุณดิศยาอยากนาราธิว่าเข้ามาทามันไรมาสักการค่ะพระอาจารย์่าอย่างไรมีอะไรไ้มเมื่อคืนนี้เข้ามาทางช่องภาษาอังกฤษอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ อ, อ๋อค่ะอ่ามีคำถามนิดหน่อยค่ะ ก็เอ่อตอนที่เคยถามพายันเ ก, กี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะแล้วพอตอนนี้มันเริ่มรู้สึกเหมือนตกต ก, ตกหลุมตกหลุมตกบ่อรุนแรงหน่อยอะค่ะแล้วยังไม่ยังไม่ค่อยคล่องอค่ะมันมันวิววิวมันตกใจค่ะก็ไม่เป็นไรคะมีสติให้รูเฉยๆคงจิตให้มันนิ่ง มันก็ตกใจว่ามันนมันก็ผ่านไปแล้วก็ตั้งสติถ้าไม่มีอะไรให้ดูก็ดูความว่างไปให้จิตว่าอ่ามันมันวบลงไปแล้วมันก็ว่างก็ไม่ต้องดูอะไรก็เพียงแต่รักษาจิตให้มันว่างอย่าคิดปรุงแต่งอย่าปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่ให้รู้เฉยๆไปดูตามสภาวะความเป็นจริง นั่นไม่ว่างมันเริ่มคิดก็ใช้คําบริกรรมและใช้การดูร่มหายใจค่ะตอนนี้มันเหมือนเขาเปิดเปิดเหมือนเข้าๆออกๆสักพักเขาก็หลุดแต่ว่าก็พยายามเข้าไปใหม่จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ายังอยู่ไม่นานค่ะแล้วก็วิวๆแปลกๆค่ะแต่ว่าจําะพยายามค่ ะ, ะสติเรายังมีกําลังไม่มากที่จะดึงจิตให้อยู่ข้างใน มันเข้าไปแวะหนึง่งก็ถึง ก, กําลังของกิเลสเดิ น, นออกมากิเลสชอบออกออกหาลูกเสียงจิตแล้วช่ามาที่ร่างกายสติก็พยายามดึงให้กลับเข้าไปข้างในที่ <c oughs> เราออกมาก็ต้องใช้สติดึงกลับเข้าไปใหม่ที่จริงตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะหรือว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับกําลังของเรากําลังสติกำังสติของเรานะี่ยไม่ต้องคิดอะมัน มันก็ออกมาได้มันไม่อยากจะอยู่ข้างในบางอยางการบัญชันด้านนี้มันจะค่อยดันได้ออกมาที่ตาของเจ้าหมุนร่างกายค่ะทําแบบนี้ถูกไหมคะคือพอพอเข้าไปมันสบายไหมค่ะสักพักมันก็บีบบีบออกหนูก็อยู่ก็หนูก็อยู่บริการต่อแล้วให้มันเข้าไปเข้าไปสักพักมันออกหนูก็นั่งต่อไปเรื่อยๆทําแบบนี้เข้าๆออกๆอย่างนี้ค่ะหลายๆรอบ ย่าเิ่งน่าท่านอ่าเพิเน่าบางทีบางคนนั่งปั้งหรือห่อมาเ็เลิกดังนั้นถ้านั่งต่อได้ก็นั่งต่อไปดูลงไปพุ้โถวไปเหมือนดูหนังติตัวรอบหนังเรื่องแรกจบแล้วก็ติดตัวดูรอบสองต่อ <c oughs> รอบสองก็ตั้นมากเลยค่ะอาจารย์ตั้นก็ต่อรอบสามต่อไปเรื่อยๆติดตัวไปเรื่อยๆ จ, จังหาะจัเงินหมดจะไม่มีการติดตัวว่า หนูขึ้นมเดินจงกรมแทนค่ะแล้วออตอนนี้มันคือเรื่องของการพิจารณาท่าเตี๋ยค่ะถ้าสมมติหนูออกจากสมาธิเสร็จแล้วคือหนูฝังใจกับคําพูดของพระอาจารย์ก่อนหน้านี้ค่ะว่าว่าจริงๆอาหารที่เรากินไปเราอยู่ตรงไหนจริงๆเราก็คือหนูรู้สึกว่ามันเราก็คืออาหารทุกอย่างมันอันเดียวกันไปหมดแล้วช่วงนี้เห็น แบบหมาที่บ้านก็เขาจริงๆเขาก็คือตุ๊กตาหมาจริงมันไม่ไม่มีอะไรถ้ามองแบบนี้ไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าคะหรือว่ามันต้องได้ก็ร่างกายมันก็เป็นตุ๊กตาตัวยผู้ที่สั่ดูแลร่างกายก็คือจิตจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาจิตเป็นมนุษย์น่องคนเป็นเหมือนฝาแฝดแฝดร่างกายกับแฝดใจแบบพี่แฝดน้องใจเป็นพี่ร่างกายเป็นน้อง เงนใจเป็นนายการ เ, เป็นแบบเป็นเหมือนแฝดสยามเนี้ยอยู่ติดกันตลอดเวลาแต่ว่าแสดพี่หรือแสนเจ้าแฝดที่เป็นนายนี้มันไม่มีรูปนหน้าตาหอว่ามันเป็นมนุษย์น่องก็เลยแสดตัวตัวจิตเองก็เลยไปหลงคิดว่าตอนเองเป็นหน้าจ่ายมองไม่เห็นตนเองแล้วแบบนี้เหมือแบบ ใช้ยาแรงไปหรือเปล่าคะกาพรพิจารณา่าตสีหรือว่าแบบดูคือพิจารณาเพื่อให้เราไม่ไปทุกกับธาตสีเราไปยึด่าตสีว่าเป็นตัวเราของเราเราพิจารณาสองเราเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเป็นคธาตุธรรตาตัวหนึ่งเราเป็นเป็นผู้ใช้ร่างกายนี้ร่างกายเป็นเงินหุ่นเราเป็นผู้เชิดหุด่นเนี่ยเ่ยร่างกาย เรื่องหุ่นนี้เป็นอะไรไปพูดคนเชื่อหุ่นนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันไม่ต้องไปตื่นเต้นับใจแล้วต้องรู้ว่าธรรมชาติของมันก็คือในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทุกๆร่างไม่ใช่เฉพาะร่างตายที่เรามีอยู่คนเดียวร่าตายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็เหมือนกันหดแก่เจ็บตายกับคืนสู่ดินน้าำลมไฟเหมือนกัน พระอาจารย์คะแล้วหนูเคยไปฝึกสุดงานที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ศพอะค่ะหนูเห็นพี่ๆเขาที่ในห้องดับจิตเขาเห็นศพเขายิ้มแย้มกินข้าวกันปกติทําไมทําไมเขาเเคขาดเขาเเคยชิ้ขาดอะไรอะคะทาไมถึงเขาเขาไม่นำมาใช้ไงเขไม่นำมาใช้สอนใจให้ป่อยวางเขายังบอกตัวเขาเองว่าเป็นเป็นเป็นเราเป็นของเรา ที่การที่เราเห็นแล้วเราไม่รู้สึกอะไรนี่มันไม่ได้หมายความว่าเอาเราปล่อยวางแล้วะะเหรอคะไ ม, ม่คมันเกิบบค น, นความเกินอิอคนเก็บศพคนป p เ o t e c t i n g อะไรพวกนต้องเกินชินกลายเป็นแรงปฏิรูปธรรมมาแยกกันแย่งกันแย ก, แยกแยเก็บศพก็มันมีรายได้มีผลประโยชน์คนที่ทํางานเกี่ยวกับศพทุกคนก็มีรายได้เพราะนั้นเป็นอาชีพหนุนขังข อ๋อเพราะเราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแล้วเราเฉยๆบางทีอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้เดินปัญญาเสมอไปถูกไหมคะไม่ได้เดินเลยก็ยังคิด่อเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่คิดว่าคนที่ตายไปก็คิดว่าเพราะว่าตายกไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่อืมงั้นขอถามเพิ่มเรื่องหนูอ่านเรื่องของอืมอภิชเขาเรียกอะไรชานแปดหรือเปล่าคะที่ คนที่เข้าไปท่านก็รู้อวัยวะของจิตว่าพวกเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ใช่ตัวท่านแต่ว่าทำไมสมัยก่อนท่านก็มีการก่อนสมัยพระพุทธเจ้าก็มีการเข้าฌานกันได้เขาขาดอะไรกันลหรอคะทำไมถึงเขาเขาไม่รู้ไงไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเียงสภาวะธรรมค่ะต้องพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนบอกใช่ไหมคท<อ>่านเป็นคนใช่ ไมาว่ามันเป็นธรรมชาติเขาที่ว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเมา่อเมืเสร็จชม่คิดโอเคค่ะหนูขออีกสองคำถามนะคะเอาคำถามระบาดนะถ้าเรืนะ่ <_ d ata> องยๆใ้อ่าอ่าถามมา ไม่ใช่บาทไม่ใช่เงินบาททนะั้งบาทบาทบาทที่พระใช้ดินน่ะบาทนะ <laughs> <laughs> <laughs> บ <laughs> <c oughs> ค่ะคื อ, อทุกครั้งที่แบบเข้ามาค่ะ จำจำเป็นไหมคะที่ต้องรายงานความคืบหน้าค่ะนูอ๋อไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่อยากจะต้อแต่ถ้าถามก็ถามดีกว่าจะได้มันจะได้หมดแดีวคนรอเยอะเดี๋ยวมันเวลามันไม่พอนอกจากจำเป็นจะต้องรายงานจริงๆแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องรคยงาถามหนูดีกวาถามแม่ดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรได้ค่ะแล้วก็อีกของของเมื่อวานนะคะที่หนูถามไปคือหนูเป็นหนูเป็นติวเตอร์ค่ะอาจารย์แล้วก็แล้วที่หนูฟังจาก ที่พร่อจันเทศของหม อ, อช่องของหมอวียค่ะพร่อาจาย์บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านยังมองหาคนที่เหมาะสมกับการได้ฟังธรรมของท่านอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างของหนูเวลาที่สอนเด็กแล้วถ้าสมมุติเขาหนูรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมกับการกับการตั้งใจหรือกับการรับฟังหนูควรพิจารณา ย, ยัางไงอะคะก็หนูหนูห น, น, นูรับเขาพรเขามีงินจ่ายค่าสอนแ่ะวก็ ก็เป็นการเขาก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งด้านเด็กมันก็เป็นเงินจ่ายมันก็จบคุณไม่ได้ไปดูปรเด็นว่าเขาสนใจแล้วไม่สนใจเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนที่จะไปตัดสินก็ว่าเขาจะมาเรียนกับเราได้หรือไม่เขาอยาว่าท่านเขามาแล้วก็ไม่เรียนเขาไม่ฟังแล้วเขาไปคุยกันแล้ ว, วรบกวนคนที่อยู่ข้างเราก็อาจจะปฏิเสธเขาได้ถ้า<ต>เป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเขา เขาเขาอาจจะมีภูมิต่ำเขาก็อยากจะเรียนแต่เรียนนั่งบางทีเขาก็ยังเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนนี้เราก็ไปห้ามก็ไม่ได้ถ้าเขาฝ่ายรุ่นฝ่าเอีไรถ้าเขามาหาเรานี่ก็ไม่เป็นไรเพระกุฏิเจ้าเนี่ยตอนตอนนี้ต้องไปหาลูกศิษย์ต้องไปหานักเรียนอะไรเรื่องเรื่องต้อเรียนแม่ว่าควรจะเลือกสอนใครก่อนแล้วแล้วหลังแลังจากนั้นพอเขามาหาทีหลังท่นก็ไม่เลือกแล้วท่านก็ แล้วท่านก็เลือกสาตามตามภูมิของเขาบางพวกภาสารนึ่งสมาธิบางพวกก็สารนึ่งสีลบางพวกก็สารนาึ่งธาตุอะไรการดูประสุทธิต์ต่างๆของค์พรย์นี้จะมีมีธรรมสามระดับกันตามภูมิของผู้ที่มาศึกษาค่ะเดี๋ยวหนูจะลองพิจารณาดูค่ะโอเคนะหมดแนละ้วใช่ไหมอย่าลืมสองบานนะ <laughs> ครับก็คืนครับโอเคมันเกิดพันเด็จคุณเกิดพันดิตมันไม่เข้ามาเร็วนะครับแร้วก็สการครับเพิ่งถึงบ้านเลยครับพอดีว่าไปทำบุญกับหลวงพ่อลงวดที่สองอีมาครับอันนี้ตอนนี้คนที่มามารักษาตัวยังมีอยู่ยะไหมเอ่อเท่าที่ฟัง เคยฟังจากท่านนะครับก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเหมือนมียาต้านทําให้อายุยืนขึ้นครับอาจะคือไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มาแล้วตายไม่ยืนใช่ครับตอนนี้ก็บางท่านก็ยังอยู่ยาที่หลวงพ่อท่านบอกบางท่านก็อยู่ยาวกว่าคนคนดีๆอีกครับมาถ้าไม่มีที่ไปท่านก็รับแลท่าน ก, าานกา็ให้ยาเขากินอาศัยอยู่ไปอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับ<ม>ก็ท่านถ้าใครแบบมาอยู่ท่านก็เลี้ยงหมดครับแล้วก็ ผมเคยไปวัดท่านครับก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเมืองได้เลยครับแบบมีเป็นห้องแบบคนมาอยู่อาศัยเลยครับแล้วก็เป็นร้อยเลยเยอะครับเยอะครับผมเคยเห็นมารับท่านมาบินาบาตรที่สถวบ้านใช่ไหมครับก็มารถสองคันใหญ่ๆก็มีคนบริจาคเยอะครับ แท่านก็พัฒนาวัดเอ่อทำโครงการโวกใจป้าฟามคือมีสนามบอลให้เด็กมาเล่นออกกําลังกายเพ<ม>ื่อไม่ติดยาเสพติดก็ก็มีครับตะ้วก็อย่างเงี้ยแล้วปริมาณคนเลือดติดเนี่ยนี่ลดลดลงเยอะเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม่ระบาดงั้นแรกแใช่ไใช่ครับแต่ก็โครงการตัวอะไรนะใช่ครับอาจารย์ก็แต่ก็ยังมีนะครับบางบางบาเห็นท่านก็ยังบอกว่าก็ยังมีแบบมาคนเป็นก็มาอยู่ที่นี่ก็มีครับ ก็ยังแบบมีมาปล่อยชิ้งที่วัดให้เจ้าที่พาเข้าไปวัดก็มีครับอาจารย์โอเคก็มาประด็นหด้นครับก็มีก็มีนี่ครับที่อาจารย์เคยให้ให้กันบ้านเลครับก็ไปจุดก็ไปดูมงคนสามสิบแปดก็ก็นำมาปฏิบัติดูครับอาจารย์ บางทีคนคนสั้นแปดลนบางทีเข้าแบ่งเป็นสามขั้นตอนสําหรับคนวัยอ่อนวัยวัยรุ่นแล้วก็คนวัยกลางคนแล้วก็คนวัยสูงครับ<ะ>แต่ควาจริงมันไม่ใช่มันเป็นขั้นของผู้ปฏิบัติแล้วแต่จิตจะอยู่ถ้าอยู่วัยอ่อนแลนต้องท่รงที่ขั้นขั้นที่หนึ่งเลถ้าเราผ่านขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วก็ไปขั้นที่สามก็จะสี่ยได้ แต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างที่พ่อจาย์บอกเสมอครับถ้าเวลาอะไรมากระทบแล้วสึกไม่สบายใจก่อนที่สังฉาบมันจะไปปรุงก็ให้มีสติอยู่ที่อย่างผมก็จะพูดโทที่ปลายจมูกใช่ไหมครับพ่อจาั <Bull etin> ก็รู้สึกว่าเออเราทําอย่างที่พ่อาจาันมที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมันได้กดเยอะมากเลยครับเหมือน <S <S ม, มันไม่ต้องแบบจากที่เคยแบบเอามาปรุงมาทุบอะไรเงี้นเป็นการคาดหวังของเขาก็ลดลงไปเยอะเลย ใช่ครับแล้วก่อนนี้ก็เอาหนังสือของป้าจาันมาข้อกคือคือผมสงสัยครับว่าป้าจาย์ทำไมมาบวชก็เลยไปอ่านอ่านหนังสือที่เคยได้มาครับก็เลยรู้ว่าอปอาจารย์เรียนจบแล้วก็ทํางานแล้วก็เอาหนังสือธรรมะที่มาจากศรีลังกาใช่ไหมครับมาอ่านแล้วกนักสืออนิจังอนิจังเลยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไหมครับป้าจาันมีว่าไปในเว็บไซต์กัมภันฑานนท์ dot com ก็ จะเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมครับอ่าใช่เป็นภาษาอังกฤษตอนอันนี้มันเป็นหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษไม่มีแปลภาษาไทยอ๋อครับก็ก็ได้อ่านประวัติเหมือนได้อ่านประวัติของพ่อจันครับก็เลยแบบโอ้โหพ่อจันเก่งมากเลยครับที่แบบอสุดภาษาอังกฤษจนแบบไปเรียนที่อเมริกาแล้วทีนี้ตอนอยากจะถามพ่อจันครับแล้วตอนที่ช่วงที่อาจารย์บอกว่าตอนที่ พอออกจากงานแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านนะครับเอ่อพระอาจารย์ปฏิบัติยังไงครับกาเดินโยกมณนั่งสมาธิอ่านันังสือทำอะไรกินข้าวอ่านหนังสืออ๋อก็คือเหมือนท่านเหมือนพระอาจารย์ถือสิบแปดก่อนที่จะไปบวชใช่ไหมครับก็ไม่ได้ถือหรอกเพื่อแต่ว่าคือไม่นจะแบบก็ก็มันจะว่าถือก็ถือแต่เราไม่ได้ไปคิดถึงว่าเราถือเนี่ยแต่ว่าเราคิดเที่ยวอ่านหนือพอ เราไม่ไปเที่ยวไหนละเราไม่หาความสุขทางใจจมดกร่างกายเราจะเอาเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วเบื่อก็อ่านหนังสือบ้างสลับกันไปมันก็ช่วยเสริมกมันมันีอ่านหนังสือแล้วมันบาทีให้ความเข้าใจกรลึกซึ้งขึ้ น, นมากขึ้นกว้างขึ้นก็ะ อ่าและในนังสืกอก็จะมีเรื่องสัมมาทิฏฐิครับอาจารย์อันนี้อยากให้ระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ให้ฟังเติม่มเติมหน่อครับสมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมันมีระดับตั้งแต่ระดับต้นระดับต้นของก็คือให้ให้มีความเห็นชอบบุญมีจริงบาปมีจริงสว่างมีจริงนรกมีจริงการเวียนว่าตายเกิดมีจริง มุ่งกดแห่งกรรมมีจริงทำผมที่ถูกทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่ออันนี้ระดับระดับพื้นฐานของของชาวพื้นดบนแล้วตายแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่อันนี้สูงขึ้นหน่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เที่ตายไปเกิดก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยาก่างๆการมาตัณหาภาะวะตัณห า, าวิภาวะตัณหา ถ้ต้องการที่จะหยุดการเกิดก็ต้องเจริญมรรคมรรคก็มีทานศีลภาวนาในระดับสมาธิพอแล้วเข้าถึงทานศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติขันนั้นนี่เป็นมาปฏิบัติทานเั็นรักษาศีลนั้นนั้วก็ภาวนาภาวนามันก็มีระดับสมาธิระดับปัญญามันเป็นการทำสมาธิให้จิตเข้าสู่ความสงบให้หนิยม เป็นรวมเป็นหนึ่งไอคักาตาวงเป็นอุเบกขาเป็นอัปปนาสมาธิรวงได้นานนิ่งนานออกมาจิตก็จะมีอุเบกขามากขึ้นก็จะมีกําลังที่จะอามาิใช้กับการเจริญปัญญาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราไม่อยากจะพิจารณาเ ช, นช่นสุภาความตายอะไรนี้ให้จิตยอมเห็นความจริงให้ยอมละ จริงว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นินหน้าไปไม่สวยในงานนี่ก็สามราทิฏฐิทั้งนั้นแะมนเป็นขั้นไปเบื้องต้นไ่้ยใเราเชื่อเรื่องปอดแห่งเก่แสดง เ, เหมือนที่พ่าจารย์บอกเสมอทราบจะมีสติประกอบด้วยสีลสมามราทิฏฐิก็จะทำให้การเภานาดีขึ้นถูกไหมครับ ใช่ถ้ามีสมาสติมันก็จะทำให้มีสมาสมาธิตามมาถ้ามีสมาสมาธิมันก็จะทําให้เกิดในสมาจิติเห็นชอบตาความเป็นจริงเห็นอ น, น, นยม ส, สัจสนะครับประจักษ์ครับประจักษ์ครับแล้วก็อ่ขอบขอบพระคุณแอดมินเพจด้วยครับที่เอาคลิปของอาจารย์มาตัดเป็นท่อนๆมันฟังง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายดีครับเออ ที่ตาลูกเองท่านก็พยายามทำคลิปให้ทุกวันบางทีเพราะว่าบางทีถ้ า, าบางทีภาพคลิปยาวๆบางทีแบบไม่รู้เนาะเมื่อก่อนี่มีแต่ท่านรุ่นเลยท่านเทพท่านกลางเลยตอนนี้ท่านไปเรื่องเราคําสั้นๆประมาณสักสามสิบวิสามสี่นาทีก็มีครับท่าชอบสั้นๆเพราอ่านแล้วเข้าใจเข้าใจครับก็รู้สึกว่าพอฟังท่านแล้วก็ผมใบอ่านก็จะเข้าใจเยอะขึ้นครับ ก็ยังได้ไปตอนนี้กําลังอ่านหนังสือชื่อเลคเชอร์จากพระโอทนะครับก็เขาทําเป็นสมุดทําเป็นภาพนะครับก็อ่านเข้าใจง่ายดีจะพยายามทําต่อไปครับอศึกษาไปควบคู่กับการปฏิบัติตอนนี้ยังการศึกษานี่ถ้าศึกษาเพื่อการปฏิบัตินี่ไม่ไม่เป็นปัญหาแต่จะไปศึกษาเพื่อจดจําแล้วไปสอบเพื่อรับเหรียญนี่ี่ยไปศึกษาอะไรกัน น่ะศึกษาเพื่ให้รู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเม่อต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปถึงยี้เรียว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการศึกษาที่ถูกต้องทางทางแนวทางของพุตสัจสนาไม่ใช่แยกกันศึกษาเก้าปีไม่ปฏิบัติได้หรือมันไม่ไม่ไม่ถูกพอถึงเวลาก็ดเลยหมดที่ศึกษาปีแรกๆ ร, รู้ศึกษาไปได้หลาย่าจําไม่ได้ ตงปฏิบัติและปฏิญัดใช่ไหมครับอาจารย์แต่มันต้องคู่กันแต่สมัยนี้เขาปริญัดปฏิบัติก็แยกกันไปเป็นเป็นคนละประเทศเลยต้องเรียนเก้าปีสิบสองปีให้ได้ตเรียนเก้ากว่าแล้วก็ออกปฏิบัติไม่ถูกเรียนชัวโมงนึงก็ออกปฏิบัติได้แล้ว มันไม่มีอะไรต้องรู้มากมเราไปตบาดก็ทําบุญทํา ท, ทานก็ทำมารักษาสินงรักษาไปจริญสติก็จเจลางไปได้ย ท, ทันทีไม่จำเป็นต้องไปศึกษาอะไรมากมายแล้วขอถ่ายตถแหน่งท้ายคับอาจารย์อ่าคดเีเริ่มผมเริ่มนั่งโดยที่ เ, ร, เริ่มมันหาเจ็บหลังนะครับแล้วก็เลยเริ่มแบบนั่งแบบไม่มีอะไรพิงครับ เออแต่ไม่ลู้คิดไปเองไหมครับแต่ก็การไม่กิงมันก็ทําให้เราไม่ง่วงนอนน้อยลงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันทําให้กําลังสมาธิมันเยอะขึ้นไหมครับพ่อจ๋าเยอะสติดราจะดีขึ้นมันไม่สบายมันไมทําให้เราต้องมีความรู้สึกเหนมากขึ้นมีความรู้สึกดา้นถ้านั่งสบายแล้วมันจะมันจะมันจะเสริมหน้าเสริมแล้วก็หลับไป แล้วก็ตอนมาเกิดเวทนาก็เมื่อยๆก็สึกส่วนแล้วก็ปรับแล้วก็พูโทพูโท้ไปเร่อเลยที่เรานั่งไม่เห็นอยากไม่มีเบาะมีเบาะได้ยื่รีนั่งนั่งธรรมดานั่งกับพื้นไปเลยพนแข็งแข็งพื้นอะไรนั่งอะไรไม่ต้องไม่ต้องหาเบาะมานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะไปปฏิบัติในป่าก็ต้แบกเบาะไปด้วยครับเวลาไปทุดงในป่าท่านไม่เอาเบาะ นั่งไปด้วยหรอกแล้ว น, นั่งบนใบมุงใบไม้อะไรไปอย่างมากก็มีภาพอย่างนี้ น, นึ่นงนืนไปการเปื้อนอะไรปฏิบัติจริงๆไม่นั่งบากลักการเข้าสุดพัดที่พระาจาบอกพระเป็นพระพระเทพุ ท, ท, ทุกองนะครับก็ต้องแบบตามๆแบบหลักการก็คือต้องไม่ห่างจากจุดที่จะไปบินธบนได้ถึงนะครับ อ๋อใช่ถ้าเป็นภาคก็น้องอยู่ประมาณสองสามปีเราจากหมู่บ้านใกล้ไปมันก็เสียงดังหมู่บ้านคนก็จะมารบปวดง่ายมันต้องออกกลักนอยมิเตมไได้ ม, มาหมูบนเสียงทางจากอยู่บ้านไม่ได้ไม่ไปถึงอารก็จะลองนั่งเพื่อให้นานมคเรื่อยๆครับอาจารย์พยายามฝึกสติขึ้นมาพยายามฝึก ส, สติทั้งวัน ครับที่พยายามทําเวยสำคัญว่าการนั่งนั่งไม่มีสตินั่งใบงานก็ไม่เปิดพยายามหมั่นคิดสติให้เป็นสัตปชัญญะให้มันต่อเนื่องไม่เคอต้องบอกอาจารย์ว่าแต่ก่อนเคยจับตามดูแต่จิตครับแต่พอที่จิ้คือพอสมาธิมันไม่ดีมันตามกีเลดไม่ทำดูจิตทำไม่ดีก็ไม่มีเครื่องมันดูไปก็เสียเวลาสุดท้ายก็ต้องมาสมถะ พวกผู้ไปด้วยครับอาจารย์ใช่แล้วเ ม, าามื่อทำหยุดกิเลได้ถ้ามีสติจิตถ้าถ้าสติหยุดจิตได้สติก็จะหยุดกิเลสได้ถึงที่สุดครับโอเคเราข้ามขันข้นกันมันจะไปขั้นปัญญาคับมันหยุดจิตนั้มันขั้นสูง ข, ขนนั้นระนาคาไม่ไดตามหกกา่บกผมก็เห็นบางท่านบอกเฮ้ยหรู้จิตรู้จิตแล้วก็เออพอเถือก็เหมือนเดิม มันมีแตก ต, ต่างเลยเพราวนี้นจะดูจิตได้ั้าปล่อยเวทนาปล่อยร่างกายได้นะโอครับแต่แต่ก็คิดว่าหลวงปู่ดูลัณฑไม่ได้สอนผิดแล้วครับแต่ว่าเรายังปฏิบัติไปท่นนั้นเองคือท่านสอนคนที่อยู่ระดับนั้นแต่เราไม่อยู่ระดับนั้นเราทำไปะะไเหมือนมหาลัยก็มีหลายวิทยาลยระดับในคือยาตีโทย เราอยู่แค่เป็นยาตีตีไน้แต่เราจะไปเรียนระปริยาเองนั่นก็ไม่ได้เรื่องผมก็เสียเวลามาหลายทีก็ไปดูอันที่เขาตัดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆท่ทานก็ต้องเริ่มตัดสมาี่เร า, เราไม่รู้ว่าไหนเป็นหลักสูตรระดับไหนเราค่ด ว, ว่าทุกคนเรียนได้ทันทีฝึกสาร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อน ปล่อยวางวทาให้ได้แล้ ว, ลวก็ไปปล่อยจืครับได้ครับจะน้องนาไปปฏิบัติครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณครับกับรัชการครับปล่อยท่านคุณคราชกาจากไน้าแทนประจำไม <c oughs> มีเอ้นิดหน่อยคอรับอาจารย์น่ากลัวมีน่กกาเาหรเกี่ยวไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวไม่มีอะไรแล้ ว, ว, ไ, มม ไ, ลวไม่ใช่ <laughs> S <S <S มีหดหงิดนิดหน่อยอยังมีอ่ะแม่อย่าประมาทอย่าเป็นนั่นนกหวีนะพอนนันไม่<น>มีกระเป๋านกหวีนบอกเพื่อนให้ไม่มีเลยแล้วหนุดแล้วเดี๋ยวสักานหนึ่งกิเลสพผล่ขึ้นมากระเป๋านกหวีเรียกเพื่อนมาบอกบอกเพื่อนให้บร น, นยากามาอยู่มันไม่ตายเออเลยพอมานั่งนกึกก็เลยตลกตัวเองเพราะว่า ตอนแรกก็คือที่ว่าพยายามคิดว่าแฟนน่ะเขาชอบดูบอดแล้วลูกก็ไปอะ่ะเขาทีนี้ต่อไปคือพยายามคิดว่าจริงๆอะ่ะลูกไม่ชอบแต่ทีนี้ต่อไปอะ่ะพอไปปุ๊บมันก็จะต้องมีการการเชียร์การอะไรว่าจากมันก็มีอาการดันได้พอเสร็จแล้วมันเหมือนถีบบ้าประจานอายมากเลยมันก็กระทบกระทั่งแต่ลูกก็ไม่ได้อะไรเนาะกลับมา มาลุกขึ้นเรามาอยู่ร้านแล้วก็ปกติเดือนนี้ใส่เรามาเจอคุณยายคนนึงคุณยายบอกเอ่อหมอหมอเป็นคนใจดีมากเลยเลูกก็เลยขําในใจบอกยายยายหนูไม่ได้ดีหรอกแล้วลูกก็นึกถึงเมื่อวานว่าลูกยังเป็นผีป้าอยู่เลยคนตัวยังมาว่าลูกอยู่เลยมาลูกลูกก็เลยโอ้ oh, ลูกก็ขํา นักกลัวจะต้องแบบสมัครที้มากคุณอาจารย์บางทีแบบอธิบายคือเราอธิบายด้วยความที่เราเราเปิดร้านเราเราแบบเหมือนไม่ได้ต้องการอะไรมากเหมือนช่วยคนทั่วไปออาจารย์แต่บางคนน่ะเขาคาดหวังแบบว่าเดี๋ยวต้องถูกมากอะไรเราก็อธิบายบางคนก็มันมันก็คงเจอหลายๆมันก็เลยแบบบางทีมก็อาจจะมีอารมณ์หมิดเนไง น่กกากลัวเราต้องนั่งสมาธิให้มากใช่ไหมพัรชร์นั่งสมาธิแล้วก็นั่งใช้ปัญญาด้วยต้องปล่อยวางเออเออแฟ่ลูกบอกว่าก็เธอเอามาคิดอะไรอย่างเนี้ยเธอเธอเป็นคนจิตใจดีน่ะเธอต้องแบบพอเสร็จคนหนึ่งเธคนไม่เหมือนกันลูกก็เลยแบบเออน่กกากลัวลูกจําคนคิดมากใช่ไหมพัรชร์ลูกก็เลยเอยสแสดงว่ายังปฏิบัติไม่ดีใช่ไหมพัรชร์ พี่จว่าไม่ดีก็ไม่เชื่อแต่มันยางจะไม่ทําข้อสอบไม่หมดทุกข้อเหรออือลูกก็วันลูกก็ไม่ใช่คนเลวหลายนนี่แต่เออเราคิดแต่เวลาเหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เวลามีอะไรมาบีคันจิตใจอราเราจะดีได้แบอืมอือลูกก็แต่แต่ที่ปฏิบัติเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์ไออย่างไอ้พวก เบสิกเบสิกไอ้ที่แบบซื้อแบบจนบ้าคลั่งอะไรอย่างเงี้ยลูกไม่เป็นเลยตอนเนี้ยคือแบบคือมันเปลี่ยนหรือ ว, ว่าอะไรอย่างเงี้ยกต่แบบตอนเนี้ยลูกก็เลยเอ๊หรือ ว, ว่าเรายังไงหรือยังไงลูกยังงงแล้วก็ทีนี้ไม่เห็นไอ้ที่ข่าวอีกนะอาจารย์ที่แบบมีมีที่ว่าลูกดาราที่ตายอย่างเงี้ยอาจารย์ลูกเลยเอ๊ะลูกไบโพล่าหรือเปล่านีืออะไรอย่างเนี้ยลูกก็เลยงงมาก อย่ันไงเนี่ยประจันก็ดูจิตเราให้ดูจิตเราจิตเราเนี่งเฉยแล้วเปล่าแล้วอยังคิดแล้วมาบอคอแต่เนี่่าอ๋อปีประจารย์แต่เราลูกว่าลูกไม่ไ ม, ไม่คือเฉยเฉยหมดนะแต่ลูกเป็นคนเงียบเงียบคือลูกเป็นคนชอบอยู่แบบเงียบเงียบแบบก็าปกติลูกอยู่ก็มีอยู่กับพ่อแม่ถ้าไม่ได้ออกไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปอย่าง แฟนก็ชอบดูบัลลูกไปได้ก็คุยได้ลูกไม่ได้แบบคุยได้ปกติลูกก็ยังถามพี่ที่สนิทกันที่สนิดมากๆาอ่ะก็คือจะมีคนเดียวเขาก็บอกลูกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรลูกก็เลยยังแบบอืมว่าอย่างไงคื อ, อทา ง, งที่ดีอยาประมาทก็พยายามนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆคือชนะนาตายรล้วอเรื่อยๆอ แต่ลูกก็ปิจารณาตายรักทีนี้ลูกก็เออคงไม่ได้ปิจารณาที่แบบลืมว่ามันเป็นอนัตตาผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแบบที่พระอาจารย์บอกลูกบบ อ, อาจจะพวกซินซิทีป่ะค่ะแต่เจอไปแครทุกคนได้คนก็ผ่านมาก็ผ่านไปอะไรอเงอี้ยเออเออโอเคนะมีอะไรไหมไม่มี <laughs> ไม่โอเคค่ะ<า>ัลโหก่อนนะมาดูเคุณเอกกิจสกร ก่อมอานะครับนามาสการครับอาจารย์เสียงชัดไหมครับชัดเจนครับก็จะถามอาจารย์ว่าอย่างสมมุติว่าเราเราตายไปแล้วเนี่ยพบหน้าอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปอบายปิดิอบายมีหนทางเดียวคือเข้าเข้าสู่กระแสธิพพานโดยที่ละสังโยสะข้อแรกแค่นั้นเลยเหรอครับ ไม่ไม่หรอกถ้าเราทําบุญมากกว่ บ, บาปมันก็ไม่ไปแต่ถ้ามันร่าสังโยนได้เนี่ยมันแบบมันถาวร <Yeah. S 1> แอ่ถ้าแต่ถ้าเราถ้าเรายัางพยายามรักษาบาลานซ์ของบุญกับบาปไว้ให้บุญมันเป็นบวกให้มันมากกว่า บ, บาปมันไม่ยังบาปไม่ยังดึงใจให้ไปอภัยไม่ได้อันทนี่เราไม่เราจะไม่รู้ว่าเราจะสามารถทําบุญไห้ามากกว่า บ, บาปได้ทุกภพทุกชาตินะครั บ, บ นอนแชาติจะไปเกิดยากจนอยู่แบบครอบครัวที่เขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่นะครับจะน้ับทำถุงเท้าไปก็ตอนนี้ก็ก็กําลังเพิ่มความเบียนอยู่ครับผมก็ก็ลองลองนอนแบบปูผ้าชั้นเดียวครับก็ปฏิบัติได้เยอะขึ้นครับนอนนอนน้อยลงนอนน้อยลงครับมันมันไม่สบายมันเป็นออโต้จริงครับผมพ่อ ครับมันลุกขึ้น้นา่างนั่งจานเขาน่งจานเป็นคอแล้วมันก็ไม่อยากะนะตน่ออืมครับเมื่อก่อนปูสองชั้นก็มันก็ยังนอนเยอะก็เลยคร<ม>าวที่แล้วหลวงพ่อเคยพูดไว้ก็เลยเอลองลองปูให้มันบางลงครับออื<ม>ก็ปฏิบัติได้เยอะขึ้นครับได้ผลครับก็ตอนนี้กำกำลังเรื่องความเพียรกําลังเพิ่มอยู่ครับผลวงพ่อครั บ, <ม>รบโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแล้วครับ Okay. ไปที่คนนั้นนะครัอบอย่างวบวราชะธานิการนมัสการเจ้าขาขาอาจารย์ค่ะจากจากที่ปฏิบัติเออ่ลองสวดมนต์ยาวๆกับพุโทโธรู้สึกว่าสวดมนต์ยาวๆมันมันเอาสติได้ดีกว่าลูกก็เลยลองดูว่าจะใช้ตัวนี้ไปก่อนได้ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ก็สวดไปก่อนแล้วค่อยพอสวดจบแล้วก็นั่งดูลงต่อในพุโทโธต่อ ค่ะเพราะว่าตอนนี้ชักกระเยาะมันโอ้โหดึงสองข้างแรงมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์สวดยาวมันมันต้องใช้สติมากกว่าการสวดสั้นๆสวดสั้นๆบางทีมันทําให้ใจลอยได้เผอได้ค่ะยสวดสั้นมันหลุดไปง่ายมากก็เลยอตอนนี้ก็เลยอาศัยแบบกําหนดตามชั่วโมงเวลาที่กําหนดก็ใช้สวดยาวไปก่อนเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เคยตอนเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็นสวดสติประทานสวดไปทั้งสู่วน เป็นกระสาังกฤษค่ะเพราะว่าลูกลูกก็คือส่วนสามบทเจ้าค่ะพระอาจารย์คือพาหงุงพ่ชงแล้วก็ธรรมจักรค่ะพระอาจารย์ก็เอาพอเอาอยู่ได้ระดับต้นๆอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวอาศัยแบบนี้ไปก่อนเจ้าค่ะให้มันแล้วถ้าเราทําแบบยาวๆไปสักพักมันมันจะพูดโธได้ได้ดีขึ้นเองใช่ไ้มเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนฝึกไว้เอ่ก็ทําต่อเลยสิก็พอเราสวดเสร็จแล้วก็พูดโธต่อแลดูลงต่ออะไยนี้ขึ้น่ หมอเจ้าค่ะสวดเพื่อให้มันจิตมันมันมันได้จิตมันมีสติมากขึ้นพอถึงเวลาสวดเสร็จก็ดูลงต่อมานั่งดูลงต่อไปค่ะเวลาสวดก็นั่งในท่าสมาธิสวดไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนท่าอะไรสวดใช้ภายในใจมีธรรมาฐานอย่างนึงค่ะเพราะว่าลูกสวด ได้เจ้าค่ะไม่ไม่ต้องดูหนังสือเจ้าค่ะนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็สวดไปภายในใจไปเลยสวนเสร็จก็ดูมองตอเนั่งทุโทอต่อไปเลยอเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ขออกาสกับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ลองไปวัดหนึ่งที่จะเป็นที่ที่หาหาไปปีวิเวกอะเจ้าค่ะอาจารย์ก็พบ พระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์เข็มค่ะสุชีโวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ล่าค่ะอยู่อยู่อีกอำเภอหนึ่งวิ่งรถไปประมาณร้อยกว่ากิโลค่ะพระอาจารย์สอบถามท่านท่านก็อนุญาตให้ไปปีวิเวกได้โดยโด ย, โดยที่ลักษณะของของการปฏิปฏบัติข้อวัดก็คือท่านไม่ต้องการให้เราไปยุ่งอะไรมากกับ กับเรื่องเรื่องของการทําอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์สวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็น่าจะคล้ายๆแต่ที่เขาชีโอนเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปอยู่ไปอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยกล่าวว่าแต่แต่ก็ยังกังวลนิดหน่อยเรื่องเรื่องความปลอดภัยเจ้าขาพระอาจารย์เพราะว่าไม่มีอุบาสิการอยู่ตรงนั้นแล้วเจ้าค่ะเราก็จะไปถ้าเราไปเราไปอยู่คนเดียวเจ้าขาพระ ว่าเขามีที่ยากกันอยู่ น, ยนี่ไงเพราะที่ของอบาสิกาที่ของพระว่าไม่ดีมค่ะเพราะว่าท่านท่านบอกว่าประตูวัดปิดเป็นเวลาแต่อาจจะมีการที่คนเข้ามาได้ทางป่าได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้า่าพระอาจารย์แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาท่านก็พูดอย่างนี้นะเจ้าขาพระอาจา้าค่ะรย์อย่างนั้นเรายังดียังมีกุตกุติถ้าเราเอาวันเดินแล้สังเกตว่าเมียนใไม่ปลอดภัยก็หลบเข้าขไปในกุติ อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เดมันจะได้เปนสติและมาั่นราะวังมากขึ้นท่านท่านบอกว่าตอนตอนแรกลูกก็บอกว่าลูกเป็นคนชอบเดินจงกรมท่านก็เลยบอกว่าก็ลองไปทําทางเดินจงกรมในป่ า, าข้างๆก็ได้ท่านบอกอย่างเนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็น่าจะจะได้ฝึกสติใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็น่ารับปฏิบัติ เ, เพื่อฝึกสตินั่นหลักต้นค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สำหรับวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กลับ <Okay. S 1> ขอบคุณเจ้าค่ะค่ะอาจารย์ผมพิล า, า, อาศอ า, าจารย์ยังไงกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์เลวลาไม่โกรธอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ ะ, คะามาแล้วค่ะกลับกาพระอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสบายดีนะส บ, สบายดีครับเห็นพระอาจารย์บอกว่ามีหลังจากฉีดยาแล้วมีอาการ เท้าบวมเร้าบวมเร้าบวมเราเดได้แล้วเดินได้ทำไรไดนเปนปกติมันบวมนั่นเปนไรก็เป็นเรื่องที่ต้องขัดอยู่มันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นมันเป็นเรื่องของมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปเราใช้มันได้เราก็ใช้ต่อไปมันบวมทั้งสองข้างเหรอคะอ่าบวมทั้งบสองข้างบวมั้างบวมมานานแล้วเนี่ยสองเดือนแล้วตั้งตั้งแต่ส ฉีดวัคกรางปุ่ม<ห>พามันก็เริ่มบุมแล้ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากฉีดเข็มแรกมันก็ได้ตาปลามามีเท้าทีทีทีเล็ทียี่ีนคท้ามีตาปลาเนื้อง อ, อกบวมเข็มสอมก็ได้เนื้อง อ, อกบวมในในเหนือก <c oughs> บอกก็คาดเดาว่าเป็นเป็นอาการ เ, าเพราะถ้านไดเกิดมาไม่เคยเป็นอาการแบบนี้เล เพราะว่าพอมาฉีดแป๊บเดือนเนี่ยก็เกิดผมเลยนั่นแหละว่ค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันมเกิดจากวัคซีนแต่ว่าไม่ได้มีอะไรอันตรายนะคะก็ไม้มีก็อยู่นานๆมันก็มันไม่อยู่มันไปแล้วมัอยู่นอกไปก็เลยทําให้ต้องสังเกตกันเหมือนกันนะคะจริงๆว่ามันเล็กทางเล็กน้อยอื ควันนี้ไม่มีคําถามพระอาจารย์คะเดี๋ยวรับฟัง <Okay. S 2> มีหลายท่านรออย่เยอะค่ะอ่าเนื่องจากที่นนั้นมรดกเป็นโยมหญิงจากกองจรลองค่ะนรการค่ะพระอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะรับพลังแล้วก็ฟังทำคําสั่งสอนของพระอาจารย์ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ปฏิบัติภาวนาจเจริญสติตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์ อันนี้ไม่หลุดนะสติไม่หยุดนไม่หยุดไม่หลุดค่ะ <Okay. S 2> อย่างตอนนี้โยมยมพยายามเอถ้าเวลาว่างหรือหรือหรือเมื่อเรานิ่งสงบอะค่ะลมะโยมาจะให้ผู้โทรอยู่เกาะติดกับลมหายใจตลอดเวลาเลยค่ะโอเคดีมากค่ะพระอาจารย์อยากทิ่งสติให้มันเป็นสัมปชัญญะให้นะนนค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, ค, ะคุณอ้อมต่ออ้อมจากบอเวนถึงไฟบงังคับหรือยัง นามสการค่ะอาจารย์จองแล้วค่ะพิ่งจอ ง, จองค่ะออวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดย่ิบสองค่ะโอเคอานนี้ชินแชมป์เลยนะเนื้อคขามแชมป์ป้องรักษาแชมป์ป้องกันแชมป์นะค่ะค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะแล้วคุณป้าปุกก็ตอบกลับมา ตอจองตอนเที่ยงค่ะคุณพ่ปุกก็ตอบกลับมาช่วงเย็นๆนะคะโอเคค่ะในตามที่เราต้องการนะค่ะเด็กค่ ะ, อะขอบคุณค่ะคุณแนนจากอุดอรธานีค่ะมาักการค่ะพระ อ, อาจารย์ยังไม่มีคําถามค่ะไม่มีนะโอเคค่ะที่คุณเอกจากเชียงราย การรมรสมรการพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับเข้ามารับฟังครับนี่โอเคงั้นไปที่คุณน้โมต่อเด็กชายน้โมจากกรท ม, มการรมรสการครับพระอาจารย์วันนี้ก็มาส่งกันบ้างอาจารย์แล้วก็มีคําถามมาสอบถามอาจารย์ครับถามาเลย ก็คือการบ้านที่พระอาจารย์ให้ไปก็คือการไปฝึกปฏิบัติครับก็ได้ลองกลับไปฝึกปฏิบัติฝึกสติแล้วครับแล้วก็คนพบว่าตัวเองสามารถที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นกว่าแต่ก่อนครับพระอาจารย์ทำไปเรื่อยๆทัต่อไปครับแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งก็คือเรื่องของการพิจารณากระดูกครับอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าให้พยายามมองสิ่งต่างๆ อคนรอบข้างเราเป็นกระดูกนะครับก็พยายามครับแล้วก็มีบางครั้งยังจําภาพกระดูกไม่ค่อยได้ครับอาจารย์แต่ว่าโชคดีมากเลยครับเหมือนเพื่อนรู้ใจเลยครับเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งในห้องนะครับใส่ถุงเท้าเป็นภาพกระดูกไปโรงเรียนนะครับ mm hmm. <laughs> เราเราไม่ต้องจินตนาการเลยครับอาจารย์ mm hmm. <laughs> แค่มองไปที่เท้าเขาก็เห็นกระดูกเลยครับ mm hmm. ะะหาภาพ่าผูนมาติดหาหาผ้าป่าผืนมาติดไว้ที่ฝาผนังในห้องนอนเราก็ได้ครับอาจารย์ถ้ายัางนึกไม่ออกก็นะครับไปหาโปสเตอร์ก็ดูมาติดไว้ที่ในห้องนอนีลยครับอาจารย์เลือกไปซื้อกาดูมาคลคองกระดูะกจำลองที่เป็นพลาสติกมากระดับ คุณแม่บอกว่าให้อ่านหนังสือเรื่องอนาโตมีให้คืบหน้าก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะซื้อให้ค่ะรับอืมถ้าไม่จําเป็นอะ่ะถ้าถ้าทำจำดีๆมันไม่ต้องไม่ต้องมีของใบหน้าต้องการให้มันจําอยู่ในใจเรามากกว่าครับถ้าไม่มีถ้าให้มันมีมันก็มองไม่เห็นแล้วร่างกายเราก็มีองค์กระดกไม่ใช่ค่ะมีว่ า, <ต>าไปเห็นองค์กระดูกไปนึกถึงองค์กระดกในม่านั่งกายเราวันละกี่ครั้ง ไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยอ่ามีการบ้านเนี่ยเราหลับไปนี้เราเราดูแค่วันวันนี่ยมียันนึกถึงพอกระดูกของรางกายสักทีครับครับอาจารย์เหมือนพระเจ้าเคยถาพ้าอานนท์มาอานนท์วันวันหนึ่งเธอรู้สึกถึงความตายได้วันละขีดครั้งท่านบอกว่าตั้งสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพรที่ย่าบอกว่าเธอยังประมาณอยู่ยังไม่พอ จะต้องเริ่มเตือความตาทุกลมหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าเมื่อไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วเมื่อไม่หายใจเข้าก็ตายอกราดูก็แบบเดียวกันต้องเตือมกระดูกทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไปเห็นกระดูกหายใจเข้าก็เห็นกระดูก ครอาจารย์ส่วนใหญ่ผมจะสามารถพิจนารณากระดูกได้ดีเวลาที่อยู่กับหมาครับเพราะว่าหมาผมเขาจะมีตรงกระโหลกศีรษะครับจะเห็นพวกพวกระดูกออกมาได้ชัดนะครับอาจารย์เราเราอยู่กับร่างกายเราองไม่เห็น <c oughs> ไม่ค่อยได้สังเกตครัอ า, า, า, าจารย์เวลาดูกระจกเราเราสังเกตดูเลยใต้หน้าเรามีอะไร ถ้าเราเอาผิวหนังที่หน้าเราออกไปมันจะเหลืออะไรเราเห็นไหมครับอาจได้ครับแต่ต้องล็อส<า>กสีครับ ม, มีกระโหลกศีรษะไหมมีกครับเนี่ยถ้าเราหนังนี่ก็เป็นเหมือนกับหน้ากากที่เรามาคุมเหมือนถุงมาคุมกระโหลกศีรษะไว้ดีๆเนี่ยแล้วก็จะมลูสองนัง่งจอบจอบลูกสามนั่งจอบตาจะบจอบปากให้ ครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็ล่าสุดนี้มีอป้าอ่ป้าที่เป็นเพื่อนคุณแม่ครับที่เคยเล่าให้ฟังที่ เ, เป็นคนทําให้ผมสนใจเรื่องพิจารณากระดูกนะครับก็ผมก็ได้คุยกับเขาอะครับว่าก็ได้มาสอบถามอาจารย์แล้วแล้วก็ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณป้าครับคุณป้าก็เลยให้เอส่งหนังสือเรื่องกายคตาสติของหลวงตาบัวมาให้อ่านนะครับอ การดูเมื่อไหละการดูท <pl ains> ่ามันนะดูไว้แล้วครับพระอาจารย์ปรากฏว่าคนที่กลัวไม่ใช่ผมครับคุณแม่กลัวครับพระอาจารย์แสดงว่าจ็บคุณแม่อ่อนอ่อนไว้มากกว่าเราเลยคะครับคือเด็กข้าน้อยกว่เราค่ะบพระอาจารย์คุณแม่ตอนแรกไม่อยากให้ดูค่ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะนอนไม่หลับครับพระอาจารย์เพราะว่าผมอ่านก่อนนอนนอนหลับหรือเปล่าหลับครับพระอาจารย์ หลับสนิทเลยครับ <c oughs> ครับอาจารย์แล้วก็วันนี้มีคำถามบางคาถามมาถามพระอาจารย์ครับก็คือคำถามแรกนะครับพระอาจารย์ก็คือว่าคือเมื่อเช้าครับผมได้ฟังประวัติหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่วลียังเขียนนะครับที่เป็นแผ่นที่เป็นแผ่นแล้วเป็นเหมือนเสียงอ่านหนังสือครับ แล้วก็ในตอนที่ผมฟังนะครับก็เขาพูดถึงว่ า, าหลวงปู่มั่นสามารถฟังสิ่งที่ลิงพูดกันได้พูดถึงท่านนะครับผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นนะครับว่าอย่างพระอริยะเจ้าอย่างหลวงปู่มั่นสามารถฟังเสียงสัตว์หรือเรื่องได้ อ, อย่างไรครับก็ไม่ได้ฟังเสียงสัตว์ท่านฟังฟังคิดของเขาซึ่งเป็นภาษาจิตบางทีคำว่าเรานี้ยคิดภาษาจิต เราคิดอะไรนี่คนที่เขามีพลังจิตเขาเอาฟังได้เขาได้ยินลิงมันคิดได้มากที่ภาษาจิตครับอาจารย์มันได้คิดภาษาอะไรลิงมันไม่มีภาษาเวลาลิงตอนลิงมันจะคุยก็ันต้องใช้ไงใช้เงินใช้ไม้อะไรไปแต่วลาไม่คิดของมันเวาไม่คิดเป็นของมันเมันคิดเนกับเราคิดเนี่ยแต่มันไม่มีมันไม่สามารถพูดออกมาได้เป็นภาษาให้คนฟังได้ แต่คนที่ไปคิดคนที่เข้าไปถึงกระแสของเข้าไปถึงจิตของมันได้ก็จะรู้มันกำลังคิดอะไรครับพระอาจารย์ผมก็เคยคิดครับว่าเอ๊ะหมาของเราจะคิดแบบที่เราคิดหรือเปล่านะเพรว่ามันก็คิดเหมือนกันมันกรมันเกลียดมันช้ามันทางอะไรมันคิดเหมือนเราคิดครับครับพระอาจารย์ แล้วก็คําถามตอบไปครับอาจารย์ก็คื อ, อเพราะว่าช่วงเนี้ยครับมีข่าวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับองค์การพรส่งเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับการทําผิดภาวินัยอะครับอาจารย์แล้วก็มันพอผมแบบได้ยินข่าวครับบางทีได้ยินโดยบังเอิญเพราะว่าเดินลงมาแล้วข่าวมันถูกเปิดพอดีอะครับมันทําให้ผมแบบไม่ค่อย คือกังวลว่าควรจะเชื่อมั่นพา อ, องคไหนอะครับคือไม่มันไม่แน่ใจเลยอะครับเพราะว่าอย่างาเราจะบาปไหมครับถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่ค่อยเชื่อมั่นอะไรอย่เงี้ยครับก็มันไม่บาปจริงแต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราก็ไม่เราก็จะไม่เข้าหาเราก็จะไม่ศึกษาจากท่านนั้นคร่รอะอาจารย์แล้ทางที่ดีเราควรเชื่อไว้ก่อนไหมครับ ก็ไม่ต้องมันไม่ต้องเชื่อทุกคนที่มีมาบวชในมุมศาสนา ค, คือมัคือความเชื่อมันมีความเชื่อแบบสาองระดัคือความเชื่อแบบทั่วๆไปก็ให้เครดิตท่านคท่านมาบวชท่านนุ่งแล้วอกเหลื อ, ลอท่านก็ต้องปฏิบัติตัวในกรอบของพระวินยัยแล้วถ้าต่างใดไม่มีความผิดปรากฏขึ้นมาเราก็ก็ให้เครดิตท่านไป ท่านก็ยังไม่เสียยังไม่เน่าใช่ไหมแอ่ถ้าต่อไปท่านเกิทดรรท่านไปทําผิดท่าวินญาณขึ้นมาเราก็ว่าอ๋อท่านท่านท่านเน่านะถ้าเป็นผลไม้แล้วก็เขียทิ้งไปเก็บักผลไม้ดีว้พระแผนจันทร์พระแผนจันทร์มัต้องต้องตัดแยกแยะไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้เน่าผลเดียวก็ย้อนทิ้งทั้งเข่งไปหมนเลย ต้องแต่เลือกนะคนไหนมันหน่าวโยทิ้งไปคนที่มันยังไม่น่าไวโญเก็บไปก่อนยังกินหน้าเก็บไปก่อนพระอาจารย์มันเป็นธรรมดาของคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่สังคมไหนมันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปโรงเรียนหนูก็มีเด็กดีเด็กไม่ดีปะปนกันไปใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ครับในสังคมเราก็มีคนดีไม่ดีปะปนกันไป มันไม่ดีเาะมันน้าเพราะว่าจะเข้าไปขัำไว้ใ น, ร น, นครุภัณฑ์นล้นก็แยกออกจา ก, กสังคมไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้อยู่ในสังคมแต่ถ้ายังไม่หน้าเพราะว่าต้องปล่อยให้อยู่ไปก่อนครับพระอาจารย์ได้ครับ<น>จากใช้บรญญาครับ แล้วก็โ ย, ยนของดีทิ้งไปหๆๆามดแล้วยิงโยนท่าอ <c oughs> าหารทิ้งไปลาบากเลยครับอาจารย์ถ้โยนฝ้าอาหารทิ้งเพราะอ <c oughs> าหารบางที่ท่านอาจจะไม่สุภาพท่านอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้ท <c oughs> ่านอาจจะทดลองว่าเราศรัทธาท่านดีหรือเปล่าก็ครับอาจารย์ ได้ครับแล้วก็สงสัยหลายรอบเลยครับพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์พูดถึงคําว่าปัญญาครับในทางธรรมมันหมายถึงอะไรครับแล้วมันมีอะไรบ้างครับที่เป็นปัญญาครับรู้ว่าถูกอะไรถูกอะไรผิดก็เป็นปัญญาครับรู้ว่าฆ่าสัตว์ตัชีวิตที่ผิดรู้ว่าเล่นการพนันที่ผิดรู้ว่าหนีโ ร, นนรงเรียนที่ผิดก็เป็นปัญญา หรือว่าถูกก็เถอะหร่ขยขันเรียนนี่ถูกเคารพพ่อแม plum, ่นี่ถูกเชื่อสังพ่อแม mu, ่นี่ถูกมีความกตัญญูกับพ่อแม่น mm. ี่ถูกเรื่องที่เรามาฟังฟังอันนี้่เรื่องปัญญานปัญญาเป็นบาปหรือเรื่องบาปบุญคุณโทษนะเนาะเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรเป็นบาปเนาะคนมีปัญญาจะแยกได้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ ใช่คือภาระผิดครับอาจารย์แล้วก็คําถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์คือว่าผมม า, เ, าเพราะว่าห้องห้องนอนผมอะครับอแอร์มันเสียครับอาจารย์แล้วคือมันร้อนอบอ้าวมากเลยครับช่วงเดือนเมษาก็เลยหนีไม่อยู่ห้องพักที่มีแอร์ครับอาจารย์แต่ว่าผมต้องมาเรียนในห้องพักพวกวิชาดนตรีอะครับแล้วในห้องพักก็ มีพระบรมสารีลิกธาตุมีพระพุทธรูปมีอะไรต่างๆครับก็เกิดความสงสัยครับว่ามันถูกต้องไหมครับจะได้ย้ายไปของอื่นถ้ามันไม่สมควรนะครับก็ห้องพระมันก็เป็นห้องที่เราต้องการมีความสง บ, บใช่ครับถ้าเป็นไปนได้ก็อยากใช้ห้องพระไปทำกิจกรรมเล่นดนตรีทำเพลงอะไรจำเรานี้ห้อง ได้ครับเดี๋ยวต้องไปหาห้องอื่นครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ัพระอาจารย์กรับขอบคุณพระอาจารย์ครับอเสน่เชิญวันก่อนมาใส่บาตรแป๊บเดียวไม่กลุ่มแป๊บเดียวได้ทักทายแป๊บเดียวใส่บาตรเสรก็กลับบ้านเลยครับกรุงเทพเลยค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะธรรมสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคาถามเจ้าค่ะวันนั้นตื่นตีสามเจ้าค่ะแล้วก็ แต่เตรียมอาหารแล้วก็ไปใส่บาต ท, ท่านพระอาจารย์ใสาบาตเสร็จก็กลับมาถึงคลินิกเลยเจ้าค่ะมาถึงประมาณเก้าโมงเจ้าค่ะเสียเวลาต้องเยอยะมาใส่บาตแค่ไม่ถึงห้านาทีน ะ, ะเสร็จนะแต่คุ้มค่านะเจ้าค่ะได้กำลังใจกลับมาพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนสติด้วยเจ้าค่ะทําให้ลูกติดคำนี้เลยเจ้าค่ะอย่าปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ เปนยินดีจากอเมริกาแซลคาลิฟอนะียสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เดวิดกับโซนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเช่นเดิ <Okay. S 2> อาจารย์ค่ะลูกมีคําถามนิดนึงนะคะอยากขอความการะจ่างค่ะค่ะท่านอาจารย์คําว่าสติสมัสสมปชัญญะเนี่ยค่ะสมัมปชัญญะเนี่ยจ ะ, จะมันจะหยุดตรงช่วงที่ว่าเราสมมุติว่าในกรณีที่ท่านอาจารย์บอกว่า อย่างในกรณีเวลาเราสนทนากับสมมติหนูกําลังสนทนากับท่านอาจารย์ใช่ไหมคะตรงเนี้ยสติเนี่ยมันจะต้องหยุดใช่ไหมคะอันนี้คือผู้รู้หรือหรือยงไม่หยุดเดีวสติมันทํางานตลอดเวลานะเวลาคยลุยนะพูดเวลาทําอะไรไม่ทําอะไรนี่สติทํางานได้ตลอดเวลาใช้ใช้ได้ทุกเวลาแล้วสติกับ สติตัวเนี้มันคือคําภาวนาที่คําภาวนาคือพุโทโธถูกไหมคะท่านอาจารย์หรื อ, อยังไงคะท่านอาจารย์ลูกก็เลยแบบงงๆตรงตรงตรงคือคําภาวนาที่เป็นกรรมฐานที่ยึดเดิจิตให้มีสติถ้าไม่มีกรรมฐานเดี๋ยว่าจิตมันจะลอยมันจะไม่มีสติมันจะลอยไปกับความคิดกต่าง่ะพราะมีสติแล้วมันก็จะไม่หลายไปตามความคิดมันจะอยู่กับปัจจุบนันค่ะครับ อยกั บ, บเหตุการณ์ที่กำลัเกิดขึ้นให้ลูกหรือว่าตอนนี้อะไรกําลังเกิดขึ้นในยินเสียงไม้ว่าจะยินเสียงเวลาพูดกันหรือว่าพูดเป็นการมีสติอันนี้คือการมีสติแล้ว อ, อย่างอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเออ่ลูกก็เลยแบบคือเวลาาไม่มีสติเราฝพูดโทพูดโทท่าพุดโธไป่อนการทําพุดโทวันหลังมันก็จะทําให้มีสติเกิดขึ้นมา ค่ะและอย่างลูกเอลูกคุยกับเออ่พี่คนนึงะค่ะแล้วพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าช่วงที่เขาคุยกับหนูเนี่ยคือเขาเขาภาวนาไปด้วยมันมันเ็นี่ยค่ะเนี่ยค่ะลูกก็เลยเขาเขาหมายถึงว่าเขามีสติไปกับการคุยกันการภาวนาคือคือการฝึกสตินี่ลูกก็เลยคิดว่าเอ๊ลูกมันคือระดับ เรื่องมันคือระดับสูงขึ้นไปไอตอนที่สติยังอ่ อ, อนาคําว่าภาวนานก็คือการมีสติการพัฒนาจิตใจตอนที่ได้การมีสติมานนพูดคุยกันก็มีสติอยการพูดคุยกันก็ถือว่ากำลังภาวนานไอ๋อค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเวลาเราคุยกับคนอื่นเนี่ยแล้วคือเขาบอกว่าเวลาเขาคุยกับหนูเนี่ยเขาภาวนาพุโทโธพุโทโธไปด้วยหนูก็เลยเอ้ยเรื่มันขั้น ถ้าเขาถ้าถ้าเข้าไปะดโทรไปด้วยเขาก็จะไม่รู้ว่าเรากำังพูดอะไรกับเขาอ๋อเขาบอกเขาสามารถแยกแยะได้หนูก็เลยหนูก็เลยคิดว่าเอ้แล้วมันคือขั้นสูงสูงไม่สูงนะขั้นบ้าอ๋อถ้าอาจารย์ลูกก็เลยแบบงงๆกับตัวเองเอ้ยนี่เรายังไม่เวลาคุยกันเวลาคุยกันครับวางพุดโทไว้ก่อนเอาการคุยกันมาเป็นพุดโธแทน ค่ะเพราะลูกเคยจาท่านอาจารย์พูดได้ว่าอย่างในกรณีเราขับรถเนี่ยให้การขับรถไปก่อนการให้ตัดออกเลยคําว่าพูดโธให้ให้ตัดออกคําว่าพูดโธให้ภาวนาพุทโธเนี่ยให้ให้ตัดออกแล้วก็ให้อยู่กับพุดโธแล้วเวลาสนทนาหนูก็เลยแบบเอ๊ะแส้วนทนามันคงมันคงอีกระดับหนึ่งหนูก็เลยคิดว่าเรายังไม่ไปถึงตรงจุดนั้นหรือยังไงไม่หรอกต้เข้าใจผิดเขาเ้าใจผิดเขาคิดว่าต้องอาศัยพุทโธตลอดเวละ ใช่เวลาเราอยู่คนเดียวเวลาเราทําอะไรนี่เราอยู่พูดโธรได้ตลอดเวลาครับพอเวลาเราพูดคุยกันนี่เราต้องอยู่กับการพูดคุยกันเวลาทำกับข้าวทำงานแล้วก็ต้องอยู่กับการทําข้าวไม่ใช่มองทําพูดโธพูดโทเดี๋ยวกับข้าวหม่ขึ้นมาไม่รู้สึกตัวเนี่ยแหละค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยแบบรู้รู้มันขั้นรู้เป็นขั้นรู้มันขั้นมากมากไปกว่านี้หนูก็เลยเมื่อเมื่อวานนะคะหนูก็เลยขั้นขั้นบ้าและขั้นไม่เข้าใจขั้นหล่ นี่แหละค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยขอความกระจ่างจากท่านอาจารย์แล้วเมื่อเมื่อวานนะคะหนูหนูหนูก็เลยเอะไรไม่ไมด้ไม่ต้องไปบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนไปเลยไม่ต้องไปเพราะค่ะอหนูอบอะไรแล้วหนูก็ลองดูหนูก็ลองพูดโทอาจารย์ไอสิ่งที่หนูอบอยู่มันไหมหนูก็เลยหนูก็เลยไม่เข้าใจหนูก็เลยหนูก็เลยมาถามท่านอาจารย์เนี่ยค่ะว่ามันการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้ไปหนูก็เลยถามท่านอาจารย์ ขั้นขั้นบ้าขั้นขั้นขัดใจผิดขั้นม่เฉาสติขั้นไม่เฉาสติแล้วขันม่เฉาสติไม่ใช่สัมมาสติก็คือหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราทําอะไรก็คือให้เราอยู่กับจุดๆนะใช่ไหมคะเรื่องเดียวค่ะนอกจากว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าเราว่างเราว่างก็คือให้ให้ให้ภาวนาว่าพุทโธหรือยังไงถูกไหมคะท่านอาจารย์ ค่ะอันนี้หนูเคลียร์แล้วค่ะเพราะหนูก็เยลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องไปปฏิบัติให้กับเก้าขั้นนั้นหรือเปล่าคือขั้นสูงสุดตอนนี้เราคือขั้นแบบมันยังไม่มีสติสติอ่อนไปหรือเปล่าหนูก็เลยไม่แน่ใจถึงจุดนี้ค่ ะ, คะขอขอก็ก็เลยมาเคลียร์ขอความกระจ่างจากท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์โ <Okay. S 2> <ข>อเคได้ได้ตามต่อแล้วนะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณาค่ะคุณจิ๊จากอเมริเหมือนกันอันนี้อยู่แล <ขอ S 1> ้วิลา อยู่เนือ้อสิ่งไปหน่อยงานเทศกาลคะ่ะพระอาจารย์อยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์สบายดีนะคะยังหายใจได้อยู่จ้สุซ <c oughs> ูค่ะก็เมื่อวานเมื่อวานโยมนั่งคือโยมอแบบเดี๋ยวนี้ต้องรับสรารภาพกับพระอาจารย์ตรงๆว่าบางทีก็นั่งสมาธิบางทีก็ไม่ได้นั่งค่ะพอเวลาเมื่อวานนี้เลยแบบโอเคเราจะตั้งเป้าอ่ะห้าชั่มเรามาลองนั่งได้เท่าไหนเอาเท่านั้นลอง ถ้าไม่นั่งถ้าไม่นั่งถ้าไม่นั่งต้องปักถอาไม่นั่งปักอันไหนไม่นั่งเอาเงินใส่กระปุกไปทําบุญเอเงินใส่กระปุกทํำบุญไว้ดีเจ้าค่ะเป็นแนวความคิดที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโยมจะเอากระปุกมาตั้งไว้ข้างๆไปนันนี้ไม่ได้ทำบุญค่ะมันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิก็ทาบุญแทนใช่ค่ะจ่าทุกท่นคือพอโยมนั่งปุ๊บโหดช่วงสิบนาทีแรกนะพระอาจารย์มันแขว่งแบบ โอ้ยจิตมันแกวงแบบออืเหมือนโอมนยมไม่นึกถึงว่าเบอกว่าใหเหมือนลิงอ่ะไม่ได้ฝึกสติเลยค่ะแต่โยมก็แบบพุโทโธพุโทโธบางทีนอนแล้วก็พุโทโธพุโทโธใช่ไหมคะแต่อย่างเมื่อกี้เหมือนคุณยินดีบอกว่าเอยเราเวลาขับรถก็พระอาจารยเขาบอกไม่ควรพุโทโธพุโทโธโยมก็ปลาเราทําอะไรเราก็จะจดจ่อกับสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเราไม่ไทําอะไรเราก็คอยมาพุโทโธทีนี้พอมานั่งสมาธิโ อ, อ้โหมันแกวงแหวงแหวงจนโยมแบบ เอานั่งดูว่านะอาจจะแกว่งไปเนี่ยน้องเข็ดข้อกวบคุมมาแล้วว่าพื้นทีพุทธโลก็เอาไม่อยู่อะคะ่ะยังไงเลยนั่งมองมันไปอย่างนี้ถือว่าเราทําถูกไหมคะมองไปจนกว่าสักพักหนึ่งอะค่ะแล้วมันก็จะรวมแล้วมันก็จะนิ่งไปเลยอะคะ่ะใช่ไหมันมันนิ่งมันถกถูกใช่ไหยคะแล้วพอนั่งไปสักพักมันก็จะเกิดเวทนาว่าแบบขาก็เริ่มชาเหนักหนักหนักห น, นักยังเล <ๆ S 2> ็กยังก็เลยปล่อยเลยตอนนั้นใช้พุทโธ ค่ะแล้วยมก็ปล่อยมันไปเลยค่ะเพยอมบอกคิดในใจว่าปลูว่าอาการเนี้ยมันเป็นของโชคลาวยมก็เลยเออช่างมันเถอะจะเป็นอะไรก็เป็นให้มันเป็นให้มันสุดๆมันก็ไม่ตายค่ะสมาธิถ้าปล่อยมันได้ถ้าอยู่กับมันได้ก็โอเคก็ดีค่ะแต่สุดท้ายยมก็รู้สึกว่าสักพักนึ่งก็เริ่มละอ่าเอเรานั่งครึ่งชั่วโมงก่อนไหมเราต้องทำมือถือตอนนั้นนั่งทำมือถือไปก็ได้ ได้ใช่ไหมคะคือเอาสักอย่างหนึ่งพุทโธก็พุทโธพุทโธถี่ๆไปเรื่อยๆแบบนี้เลยต้องเข้ามาถึงเวลาที่เราหมดชำนาญแล้วอยากจะเลิ่แล้วก็เราใช้พุทโธต่ออายุไหรอ๋อเอาพุทโธปั๊มปัมปัขึ้นเลยใช่ไหมครับปั๊มจิตค่ะค่ะแล้วก็ค่อยค่อยปล่อยเวลาที่มันยิ่งแล้วคือการท่องพุทโธแล้วทาอะไรบางอย่างก็ทําไได้ควบคู่กันถ้าเป็นงานที่เราไม่ต้องใช้ปากคิดไม่ต้องใช้การจดจ่อมาก ชเช่นเวลาเรา่าชบ้านถึงบ้านแล้วใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ให้ท่องคุณโถ่ไปด้วยก็ได้แต่ก็ยังต้องดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ด้วยอพอๆดูด้วยแล้วก็ทํางูุณโถ่ได้ด้วยนีก็ก็ได้ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็บางทีมันทำแนละ้วมันไม่ดูมันไปคิดถึงนั้นนั้นนี้ก็บางทีก็ใช้คุณโถ่ด้หมือนกันให้มันมาดูว่าเรากำลังทํา พอทำอย่างนี้บ่อยๆบางทีโยมเผลอลืมนะคะพอทำแบบนี้เวล้วเรานั่งสมาธิมันจะเข้ารวมเร็วขึ้นใช่ไหมคะบาอาจารย์ได้ถ้ามีสติมันก็จะทําให้เวลานั่งทมาธิมันจะสงบได้เด็วขึ้นอ่าโยมหายไปตอนแรกวันนี้สมาธิมากช่วงก่อนๆพอหยุดไปพักหนึ่งคราวนี้มันเหมือนกับเด็กเริ่มเดินใหม่เลยอะค่ะใช่ถ้าไม่ทํามันก็มันก็ายเต้องมาเริ่มต้น ใช่เจ้าค่ะใช่ค่ะยมก็พยายามจะตั้งเป้าเหมือนที่ตั้งบอกว่าอาจารย์ว่าไม่ทานชานมไข่มุกอาจารย์บอกอาทิตย์ที่แล้วให้นึกถึงปัสสวะยมก็พยายามนึกนะคะยึดไปเรื่อยๆคราวนี้แบบเจออะไรก็อมปัสสวะอุจจาระปัสสาวะอุจารก็เลยกินทุกอย่างรวมรวมกันไมหมดเลยยังกินอยู่ยังดื่มอยู่ยนะเจ้ไม่เป็นปัสสาวะไม่ยังดื่มอยู่เลย นิดแค่อาธิรั้งแต่ก็ไม่ค่อยแล้วค่ะก็พยายามมันคิดว่า<ช>เออมันก็กินยาพิษต้นกาแฟปัสสาวะเข้าไปก็แต่บางคนแต่บางคนก็บอกอปัสสาวะมันเป็นยานะคนช่วยรักษ า, าตัวเองถ้ามันเป็นยาก็โอเคแนตะ่ถ้ามันเป็นมันเป็ น, ปนทําให้เราอ้วนนี่มันก็ไม่ควรไม <า S 1> mm ่ hmm. ค่ะเหมันอ้วนเนี่ยค่ะอาจารย์ยมแบบ อ้นตอนนี้ค่ะเลยรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกมันเริ่มกระทบกับร่างกายก็เลยร่ากายขาดน้ำาพื่อพันน้ำใหม่แต่ถ้ามันให้มันมากไปไปแล้มันก็บวมขึ้นมาไม่ถูกใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะยมก็จะพยายามยิดคาพระอาจารย์ไว้ปฏิบัติให้มั่นมากกว่านี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะค่ะต่อไปนี้เดรียมกระปุกไว้นะวันไหนขี้เกียจก็เอาเงินใจ่กระปุกไปนะเอาเงินทำกระปไปทุกค่ะ ได้แล้วค่ะอาจารย์ได้ค่ะลอตอบบ่อยๆตอบบ่อยมันไม่ขี้เกียจใช่จริงๆค่ะอาจารย์ระเบียบวินัยอะยอมรู้สึกว่าสัจจะกับระเบียบวินัยอะมันสําคัญมากจริงๆค่ะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกดิส цип ลินนะมันสาคัญจริงๆนะคะถ้าเราไม่เริ่มเราไม่ทําให้เป็นวิสัยมันก็จะไม่เกิดค่ะจูแล้งค่ะใช่ค่ะคาราบนรรสการค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจาย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ งา น, นที่บบส า, าครคามขอนแก่นค่ะกาบนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นค่ะกลับบ้านแล้วะกลับบ้านค่ะวันนี้เสร็จงานแล้วก็กลับมาบ้านค่ะพอาจารย์ตอนนี้มาอะไรปิดแล้วแหละตอนนี้อ่าช่วงนี้เป็นช่วง ป, ปิดเทอมค่ะค่ะแล้วก็มีเวนอยู่เวนร้านยาค่ะวันนี้ไปอยู่เวนแล้วก็กลับมาอพระอาจารย์คะตอนนี้ที่ขอนแก่นก็เอาเตียงขยื่อนออกไปแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือนอนนอนพื้นทั้งสองที่ค่ะเราผูกข้าวบะข้าไม่หนาวก็นอนได้นะคะอาจารยแล้วก็ตื่นเร็วเ ห, ห, หมืนที่คนอื่นเราบอกว่าโอ๊ยเจ็บตัวตื่นดีกว่าอะไรเงรรี้ยค่ะทีนี้อยากจะถามเรื่องของสภาวะอารมณ์กับอ่าจารย์นิดนึงค่ะเรารู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกเฉยเฉยอะค่ะพอาจารย์ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะเหมือนขี้เกียจพูดอะค่ะอาจารย์ก็ดีดีไม่เสียหายอะไร ดีใช่ไหมคะจะเสียหก็จเสียหายก็ตอนที่ควรจะพูดแล้วไม่พูดเช่นใครก็ทักทายแล้วก็กลับเฉยอย่างเงมันไม่ไม่ค่ะเวลาที่ใครคุยก็คุยแต่รู้สึกว่าขี้เกียจมากว่าไม่ไม่มีเหตุก็อย่าไปคุยไม่มีเหตุก็อยไปคุยหรอเวลาที่เราอย่าไปต่อพยางยาวสาวพยางยื่พูดเท่าดีจากป็นค่ะหรือว่าคุยงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นคนเขาพยายามจะพูดพูดพูดกันแล้วก็ปังก็ปล่อยวก็พูดไปแล้วก็นั่งแวก็นั่งฟังแบบก็เลย มันสบายกับพูดด้วยไงๆใช่ค่ะปล่อยเขาพูดไปก่อน<ช>หรืออะไรที่เขายังไม่ได้พูดเราค่อยพูดอะไรเงีย<ช>้ยค่ะ<ช>แล้วก็รู้สึกมันรู้สึกแบบเหมือนดูละครเลยค่ะพระอาจารย์ยิ่งเห็นข้อความหรือการพูดหรืออารมณ์ที่เขาแสดงออกทั้งความสนุกสนานแล้วก็เออนี่มันก็เป็นแบบนี้เนาะ อ, อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ไม่ผิดใช่ไหยคะพระอาจารย์ไม่ผิดแล้วตรงน้ น, นกรารปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่จุดที่ดูเชยเฉยดูเฉยเฉย ไม่ไม่ต้องตอบโตไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นถ้าไมนจำเป็นรู้สึกนิ่งๆนิ่งๆเฉยๆสบายกว่าเยอะไม่เหนื่อยใช่ค่ะรู้สึกไม่มีอารมณ์พูดไปแล้วเดี๋ยวโต้กลับมาแล้วตํอโต้กลับไปทำให้ผู้เชี่ยวแ้าเรานี่ยเชอยงก็จบพพูดไปแลเดี๋ยวคหน่อยเขาก็หยุดพูดไค่ะไม่ไม่ได้โต้เถียงค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนแบบ ด้วยความเป็นอาจารย์ก็จะพูดเก่งกันทุกคนเราก็เลยแบบเอ้งั้นเราก็ฟังอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีอะไรเราก็ค่อยเสริมเฉพาะในส่วนของเราก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราจะแบบเฉยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่หรอก ถ, ถ้าถึงเวลาพูดก็ต้องพูดถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่พูดค่ะ อ, อืมค่ะ อ, อีกเรื่องหนึง่งม่นเหมือนค้างค้งคาคาในใจขออนุญาตเตียนถามพระอาจารย์เริ่มเลยแล้วกันนะคะสงสัยเรื่องของพระท่านที่มีพระธาตุแล้วท่านยังไม่สิ้นนะคะ เป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าแถวอีสานเยอะมากเลยคะ่ะคือพระธาตุนี่มันต้องเป็นของพระที่ตายไปแล้วอืเช่นกูบาร์จานี่ตายไปแลาวเขาเก็บกระดูกท่านแล้วก็ท่านก็เข้าจะไปรักษาไว้แล้ววันดีคืนดีกระดูกท่านก็อจาจจะการเป็พระธาตุขึ้นมาก็ได้แต่พระที่ยังมีชีวิตยอยู่นี่เราไม่รู้ว่ากระดูกท่า น, นเป็นยังไงพ่อะยัไม่ตายยังไม่ได้ไปทำเช่นแบบเป็นเลือดหรือว่าเป็น อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้เราก็ไม่เคยเห็นนะเราก็เลยเอ๊เอายังไงอีกตอนที่เขาว่าเจสาการเป็นพระธาตุและเป็นพระธาตุอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะไปไปไปเกี่ยวข้องเลนเพราะมันไม่มีไม่มีพาะสารีเกี่ยวสำหรับผู้ปฏิบัติค่ะอันนี้สำหรับพวกที่ยังไม่เชื่อบูชเชื่อแบบยังไม่เชื่อว่าโลกนี้มีพระหรือมีพระเจ้าค่ะ แต่เขากลับเขาเอาไปเขาก็ไม่เชื่ออย่างนั้นเด็กเข้าไปที่ว่าทำให้เขาร่าให้ต้องรวยกันทําให้เข า, เขามันก็กลายเป็นเครื่องรานของขังไปซะคว<อ>จริงพระธาต น, นี้ก็มีไม่มยืนยันว่าโลกนี้มีพระพุทธเจ้าจริงนะมีพระจริงนะเนค่ะมันทําให้แบบที่เราถ้ามีพระธาตุเราจะไปวัดนี้ไม่นะอะไรเงี้ยค่ะการเป็นแบบนี้แทนคือแบบ จริง <S <S หรือปลอมเนาะหรือเราไม่ควรคิดก็ไปทําบุญไปอะไรเงี้ยค่ะพระธาตก็เป็นวัตถุอันหนึ่งตัวปรามากอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเผื่อไม่เชื่อเราจะปรามากไม่มากอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือเราไม่รู้หรอกว่าที่เขาปรามากมันเป็นพระธาตุในแหลกมาจอย่างไรอาจจะมีก <Wor> ้ อ, หอนหินเล็กๆมาอย่างที่ไห น, น, นแล้วก็บอกเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ได้ค่ะเพราะโลกสมัยนี้เป็นโลกของคนหลอกลวงเยอะใช่ไหม ถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็อาจจะถูกหราก็อาจจะ <hmm> ลอเหยู่อเราถ้าเกิดเราเป็นคนชอบพระธาต <ông> ุเราก็ขอซื้อต่ อ, อยเข้าอะไรเพราะว่า <H orse> หนูก็เลยแบบกลายเป็นแบบยิ่งมีพระธาตุยิ่งจะไม่กล้าเข้าวัดนั้นก็เลยว่าจริงหรือเปล่าตอนแรกเราตั้งใจไปปฏิบัติอย่าไปดูพ <c oughs> ระธาตุเป็น <c oughs> เป็นเหตุดูว่ามีคําสอนที่ดีมีสิลปที่ปฏิบัติที่ดีไหมคะ ก็ไม่ต้องสนใจนะคะพระอาามีไม่มีก็ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะอใช่ก็เที่ยวไปเหมือนกับถ้าวัตถุมงคลต่างๆที่เขาทำดู嘛อืมค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ไปปฏิบัติที่นั่นหรือว่าได้ทําบุญหรือเปล่าใช่ไหมคะอืมค่ะใช่หรือว่าดารดังตลอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องอาหารค่ะก็กินแบบแบบเดิมที่ที่ทํามาค่ะพระอาจารย์รวมทุกอย่าง ทีนี้อ่มีความสงสัยเพราะว่าอย่างเช่นถ้าอาหารเราเยอะค่ะอย่างที่บ้านแล้วเรากินไปอิ่มแล้วเนี้ยค่ะเราควรจะเลิกกินแล้วก็ทิ้งไปหรือว่าควรจะกินเพิ่มขน <ผม S 1> ตามที่เราถ้าสัม ถ, ถ, ถมุนันกาจะ ก, กินให้หมดแต่มุน่าก็ลองลดจ่ายให้มันน้อยหน่อยออคลดลดปริมาณให้มันน้อยแต่ถ้ามันยังมันยัห้ามใจไม่ได้ พอถึงเวลาถ้ามันเหลือจริงๆก็ทิ้งไปหรืออาจจะกับื้นกินเข้าไปค่เพราะว่าเหมือนแบบเตรียมให้สุดทั้งจานจัดที่ไหนก็ได้ไปก็คือพยายามปรับให้มันเท่าที่เรากินอิ่มนะใช่ก็กินมากมันมันจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการภาวนามันทําให้นิ่งนอนมันทำให้เครียดขึ้นมาค่ะใต้จารย์มีคําถามเพียงเท่านี้ค่ะโอเคตาธุ แปลว่าอะไรเช่นรัศการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูมีคำถามพระอาจารย์นิดนึงพอดอีที่นอนอะคะ่ะที่หนูนอนแยกกับทางกับทางสามีเขานอนบนเตียงแล้วก็หนูนอนพื้นได้มาสองปีแล้วเจ้าค่ะทีนี้เมื่อวันสองวันเนี่ยเขาเข า, เขาไปปรับไปปรับที่นอนให้หนูใหม่ก็คือเอาฟูกที่เป็นพวกฟูกยางพาราหนาประมาณห้าถึงหกเซนนะะี่ค่ะไปทำเพิ่ม เพื่อให้เหมือนนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันมันมันจะเป็นอุปสรรคอะไรไหมยเพราะว่าจริงแล้วอะ่ะมันมันนุ่มหรือไม่นุ่มหนูก็เฉยเฉยแล้วแต่หนูรู้ว่ามันทำให้หนูขยันภาวนาแล้วขี้เกียจภาวนานะอย่างอย่างขี่เศร้าเหมือนเดิมจะค่ะแต่ว่านั่งนั่ ง, น, งนั่งสมาธิทุกทุกวันค่ะเพราะว่นมันก็คือไม่ไม่มีอุปสรรคอะไรใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้แหละถ้าถ้ามันไม่มีไปอาจจะทําให้เรานั่งมากขึ้นหรือเปล่าหรือมีแล้วมันทําถ้านั่งแล้วมันเท่าเดิมก็มันก็ไม่มีปัญหา อ, อะไรแต่แรกที่ว่าถ้าถ้าถ้ามันทำให้เราปฏิบัติมากขึ้นก็ดีแล้วถ้าทําให้เราปฏิบัติน้อยลงก็ไม่ดีค่ะแต่ก็แอบเผอดุเขาไปหน่อยนึงแล้วเนี่ยเขาก็เสียใจก็เลยก็เลยเออปูให้ก็ปูไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะ ก็แล้วก็ส่วนที่เรียนกับพระอาจารย์มาคือหมูจับประเด็นได้สามส่วนก็คือศีลเอ่อศีล ส, สมาธิปัญญาก็ในส่วนเนี้ยคะ่ะเดีวหมูจะไปไปปฏิบัติมากขึ้นนะคะแล้วก็คําถามที่ว่าน่าจะไม่มีล ะ, ค, ะ <Okay. S 1> ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะคุณน้องพระสนะอันนี้ไปคือดองที่ไหนได้ยังอ๋ อ, อยังค่ะกำลังกําลังแลคะตอนนี้เคลียร์งานเรียบร้อยกำลังค่อยๆปล่อยไ ป, ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ปล่อยปล่อยทั้งโลกธรรมที่พระอาจารย์บอก ก็ตอนนี้นะคะพระอาจารย์ก็มีความสงบแล้วก็มีความสุขได้ยังคงความสงบกับความสุขได้นะคะพระอาจารย์แล้วก็ไปพิจารณาการขันท่าหนักขึ้นนิดนึงเพราะพระอาจารย์บอกข่าวที่แล้วอะค่ะก็โชคดีมากเลยเจอข้อสอบเพราะว่าได้ไปต้องไปตัวตายค่ะพระอาจารย์ก็ ก็ทําให้เรามั่นใจเพราะว่ามันเห็นเออตานี้มันต้องสองตาเพราะจอภาพหลุดใช่ไหมคะก็เห็นเลยว่าเออตามปชื่อของเราโชคดีมากเลยเพราะเราเข้ามาทางนี้ถ้าตาบอดเราก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขสมัยก่อนถ้าตาบอดเรากคงจะเซ็งเหมือนกันตอนนี้ก็รู้สึกเลยว่าเออตาบอดไม่เป็นไรมันไม่ใช่มันมันนอกกายแล้วก็พอทขาสองไฟอ่ะมันก็รู้ไม่ชนามันก็รับได้แล้วค่ะอาจารย์เพราะว่ามันก็เป็นไปฟล่ะก็คือรู้สึกว่าเว่ชนากับตับลูกขันเนี้ยก็พิจารณาหนักๆก็รู้สึกว่ามันมันเข้าใจนะคที่พรอาจารย์บอกเรื่องนั้นตาอาารย์ กันม้านเขาที่แล้วแล้วก็ทําเพิ่ม <S <S ทําเพิ่มครัอาจารย์ก็คือว่าเดินเดินจงกรมในนอกบ้านแล้วคราวนี้เดินรอบหมู่บ้านมันจะมีสระบัว ม, มีอะไรก็เห็นใิธรรมชาติคือ ม, มันรู้สึกเลยว่าเออเดินแล้วมันเพราะว่ามันเพิ่มเพิ่มขึ้นจากการที่มาสวนนี่ยรับเดินก่อนแล้วกลับมาสวดแล้วก็นั่งสมาธิต่อแล้วมีคําถามนะคะพระอาจารย์คือว่าตอนที่เราดูเรื่องของเวลาเราดูเอ่อเอ่ อ, เ, อ, อเราเห็นทุกขริยสัตว์ของข้างนอกกายเนี่ย ให้เราโอเบนล่ยโกเทียบเข้ามาแล้วดูว่าใจเราอะถ้าเป็นเราเราสงบได้หรือเปล่า ไ, ได้ไหมคะพระอาจารย์คือทําทั้งหมดเลยทั้งทั้งคนสัตว์เพราะว่กายมันหมาแมวคนมันก็เหมือนกันใช้ใช้โอเบนลยโกอย่างเงี้ยเห็นข้างนอกเห็นทุกข้างนอ ก, นนอกแล้วก็มาดูเราเงี้ยได้ไหมคะหรือว่าไม่หรือไม่ต้องก็เป็นการสอนใจเตือนใจท่านเองเป็นการสวดติไหมคะพระอาจารย์ว่าการเกิดแก่เจ็บตาย น, นี่เกิดกับคน น, ค น, นั้นคนนี้แลมันก็น่ามาเกิดกับเราไม่ใช่ก็แล้ว คือเป็นการเตือนไม่ให้เราลืมว่าให้เราอย่ารับกับสภาพตามเป็นจริงนี่ให้ได้คเป้าหมายของการเอาปโกเป็นบางทีเราเผลอเราลืมว่าเราจะต้องแก่ต้องไปยี่ไปบ้านรับคนชราหรอเ่าต่อไปเราก็จะต้องมาเป็นสมาชิกับเขานะเปนวัดดีกว่าแต่ันวัดมันอาจะไม่เห็นคนแก่คนชรา บ า, า, า, างทีถ้าเราอยากให็นคนชลายก็ต้องไปบ้านคนชนาอยากจะเห็นคนเจ็บก็ต้องไปมองพยาบาลอยาเห็นคนตายก็ต้องไปไปศาราสวด อาจารย์คะอันนี้การอบรมนิโกอย่างเงี้ยเป็นการฝึกสติแล้วก็ในการดูใจไปด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่าหรือว่ามันเป็นการเจริญปัญญาแล้วก็คือทําได้ระหว่างที่เราเดินทั้งวันตลอดทั้งวันที่เราดูนอกจากปัาขัตตสติแล้วก็ใช้ไน้ได้แม้แต่ใบไม้ร่วงลงมาก็ดูเป็นปัญญานะอะไรก็อนิจจ์ทุกอย่างมานี่จังไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนดสิ่งทุกอย่างถ้ามีการเกิดแล้วมันต้องมีการหลับไป แล้วก็เข้าใจอนาตตาของเข้าใจมากขึ้นจากการที่แบบพรทำหนักๆกันที่ที่แล้วก็นะเริ่มแบบเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่การที่แบบน <ะ S 2> ี้นนไม่มีตัวตนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติหน้ามนต์ฝันขอบคุณมากอันนี้เลยเข้าใจเลยพระอจาจารย์ขอบพระคุณค่ะ<ม>เดี๋ยวทําต่อพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเดินหน้าไปก็ซื้อกดมาแล้วนะคะเพราะว่า<ม>เดี๋ยวกล่าวว่าไปเท้าหน้าถ้าเกิดสมมติว่าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาไม่มีห้องก็ไม่เป็นไรก็ขอปู่มีมีกดไปด้วยเตรียมไว้เผื่อ แล้วก็<อ>มีมีกองไฟพระอาจารย์พระอาจารย์คะก็เห็นเห็นเรื่องอันนึ่งก็คือว่าเขาที่แ ล, นลน่นเรือนจงกรมทั้งคืนเนี่ยเราจุดไฟเดินใช่ไหมคะก็แมงแมงปู่่อะที่เป็นเดินวิ่งเปนกับเราอะเขาบินเข้ามาในกองไฟเห็นเลยพระอาจารย์เห็นแล้วรู้สึกเลยเฮ้ยเหมือนคนเลยอแบบว่าเห็นกองไฟเป็นของเล่นเนี่ยเราเข้าไปแล้วตายก็รู้สึกบาปแต่ว่าก็คือแบบเพราะเราวันนี้เราก็พยายามไล่เด็กเขาไปแล้วก็เลยคราวนี้ก็เลยซื้อตะเกียงไปนะพระอาจารย์ <Okay. S 1> ซื้อตะเกียงไปคุมให้มันไม่ไม่บินเข้าไปหมดแล้วค <laughs> <laughs> ่ะพ <laughs> ระอาจารย์ คุณตาจะนาเกลือได้สองช่างแม่ไปติดตามจุดถามเรื่องของฟเขาเข า, เขาบอกว่าให้คุยเขาเขาน้อมกลับนมัสการาพระพิชานไปค่ะแต่ว่าโยมบอกว่าให้เขาวัดไซส์มาค่ะเพราะว่าโยมสั่งก็สั่งไม่ได้ความสูงแล้วก็ปากแล้วก็โคมคะนะคะเขามาทำาำนันการอยู่แล้ว่าจะ เป็นการยืนยันให้บอกให้ให้ทราบว่าเราเป็นคนบอกเข้าไปนึกบอกไว้กับนโยมก็ว่าจะไปโทรจะโทรจะโทรไปหาหลวงพี่บอมอยู่ว่าช่างลืมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตอนนี้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งกับงานหลายอย่างนิดนึงพี่ช่างเขาก็บอกเดี๋ยวเขาเขาเขาว่างเขก็จะเขาัขางงานาจะส่งส่งอะไรไปให้ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ เมื่อกี้เมื่อกี้ยอมนั่งฟังนั่งฟังน้องหน้าโมที่คุยเรื่องเรื่องพิจารณากระดูกอะค่ะพระอาจารย์โยมก็ลองมาพิจรารณาเมื่อกี้ลองนั่งสมาธิแล้วก็ฟังพระอาจารย์ไปใช่ไหมคะพอ<ม>พีพ่ที่พิจรารณาโค้งหน้าของตัวเองอะค่ะว่าเป็นกระดูกดูเบ้าตามีอะไรคิดได้ไม่ถึงนาทีอะค่ะน้ําตามันก็ร่วงอันนี้หนูยังไม่ควรพิจรารณาใช่ไหมคะ หรว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นปิติก็โอเคถ้ามันซาบซึ้งมีความบางทีมีมียองตายทำมันก็าจจะเปิติขึ้นมาถ้ามันไม่ทุกข์ก็ก็ใช้นายถ้าไม่หดหู่ใจถ้าไม่หวดกลัวก็ไม่เป็นปัญหาไม่มันมันมองมองเข้าไปที่ตัวเองแล้วก็รู้สึกโอ้มันก็เหลือแต่กระดูกแล้วมันก็รู้สึกฟงและต่างก็เลยก็หลงสมุยก็เลยก็หลงสมุยนะ พิจารณาเห็นธรรมมันจะเกิดความสวจสังเวชกับความอำหนวงของจิลเลชที่มันหลอให้เราเห็นว่าหน้าตาเราสุวยเรางามอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นของจีนที่อยู่ภายใต้เราแล้หน้าสลดสังเวชกับความหนวงของเราและของคนทั้งโลกเลยนะแม้อาการสันสองไม่มีใครมองเห็นเลยนะหลงไปกับหนังเนี่ยดึงหนังแต่งหนังทาหนังกันแล้วก็ไปหลองนักไปชอบหนังกัน อ่าก็นึกว่าถึงนึกว่าลุงนึกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมานั่งพิจารณาพวกนี้เขาเรียพิจารณาได้ก็พิจารณาไปเลยถ้าทําไม่ทําให้ใจเราฝ่อไม่ทําให้ใจเราหดหู่ไม่ทําให้ใจเราทุกก็พิจารณาเมื่อกี้ไม่ได้มองว่าใจเราหดหูถึงน้องไห้หรือว่าปรงหรือว่าอะไรยังไม่ทันนะคะแมกไม่ทันรู้สึกตัวว่า เราเสียใจหรือว่าเรารู้สึกยังไงที่มองตัวเองเป็นหน้าเป็นกระดูกตาโบเป็นเป็นหัวกระโหลกอะค่ะก็เลยพนะกะลน้องตามมาบัวท่านเคยเล่าฝัาง่งมาม า, า, าจิตของท่านได้เห็นอวิชชาของตัวเองทำทาให้ท่านสลดสังเวชทำให้ท่านน้ําตาไหลคำโง่โง่ของเราเห็นคำจะไลของพระพุทธเจ้าต่างกัน้ฟ้ากับดี่ ผู้พิจารณาต่อไปอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่เราไงถ้าเราไม่กลัวก็พิจนะรณาถ้าเรากลัวก็ยังไม่พิจารณาเราพิจารณาแล้วทําให้เราปล o n ได้ว่าร่างกายของคนแล้วก็มีแค่กระโหลกนี่แหละพุ่มด้วยหนังใช่ไหมค่ะ<า>แล้วก็มีเป็นเหมือนถุงอ่ะนังนนี่ก็เป็นเหมือนถุงห่อกระดูกแล้วก็ห่ออวัยวะต่ า, างๆไว้หอ่อตับไตไส้พุงอะไรต่างๆไว้ในร่างกายนี่เราไม่เห็นกันใช่ไหม เราเห็นแต่เป็นรูปเป็นลักปณะหน้าตาแต่ความรจริงมันมันมากกว่า น, นั้นน่ะถ้าเราสามารถมองเห็นหน้ามันจะทําให้เราเคลายความหลงยึดติดกับร่างกายยึดติดกับวความสุนทรีทำงานของร่างกายค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนะคะเมื่อกี้ อ, อได้ยินที่ท่านอื่นว่าเรื่องที่นอนนะคะ ก็ไม่ได้นอนฟูกมาตั้งนานแล้วเหมือนกันค่ะเต่มันนอนที่นอนสักนิ้วหรือสองนิ้วนะคะว่าอาจารย์ความรู้สึกว่ามันนอนสบายกว่านอนสบายกว่าฟูกนั่นาอันนี้คือไม่เป็นรคือคือให้มันนอนแล้วไม่ให้มันนอนมากเกินความต้องการขร่างกายพอร่างกายพักผ่อนพอถึงนขึ้นมากถ้าไม่นอนต่อโอเคถ้ายังสบายก็อาจจะลองกูแั่เสื่อแบบเดียวๆก็ได้ปูกผ้า สงสัยต้องได้นอนเสือแน่ๆเลยพราะรู้สึกว่ามันว่ามันสบายตื่นมาแล้วไม่ปวดตัวเพราะฉันก็ลองเปรีบเทียบดูลองเปรีบเทียบแต่ถ้านานเพิ่มสุขภาพของทีก็ต้องทำถ้ามันเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีหลังเราไม่ดีอะไรเงี้ยอถ้ายิ่งไม่ดอนของแข็งๆยิ้มทำให้อาการเจ็บหลังมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้เรก็อาจจะมีข้ออ้างในการเอาท่านนอนทั่ววูบมาก วันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะพูอ้อาวุโ okay. สโอเคสาธงคุณ <Okay. S 1> นักตกรเชิญคนักตะกรนได้ยินไหมไปล่อยเก้งไว้แต่ไม่อยู่เดี๋ยวนับถึง3ถ้าไม่มาจะไปที่หนึ่งสองสามนากธรรมเอา ม, อมานักตกรเชิญอยู่ที่ไหนต <Okay. S 1> าปะนะโอเคพูดได้แล้ว ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนค่ะค่ะไม่มีคาถามค่ะอยู่ที่ไหนอยู่แถวแอฟริกาค่ะแอฟริกาเลยออยู่ในประเทศอะไรประเทศอะไรอยู่นจีเลียค่ะพระอาจารย์ไปทางานที่นั่นแล้วะว่าเรองเปาที่ไ่นค่ะมาทางานค่ะ นั่นได้ได้เข้ามาข้างหน้าเลยค่ะหนูเข้าบ่อยแล้วค่ะแต่บังเอิญเครื่องมันจําจําหนูเข้าในเฟซอะค่ะพระอาจารย์หนูจำพระอาจารย์ในเฟซค่ะไม่ได้เข้ามาในห้องไม่ได้เข้าห้องค่ะแต่บังเอิญวันนี้หนูโหลดซูมเข้าอีกเครื่องหนึ่งค่ะหนูเลยค่ะไม่เข้าเฟซเพราะว่าเฟสมันค่าใช้จ่ายเยอะค่ะอ่าทำไมเป็นแบบนั้นมันไม่ฟรีเหมือนที่บ้านทางหนูนะคะ ซูมไม่ฟรีเลยหนูก็เลยลองใช้โปรแกรมซูมดูค่ะเผื่อมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นค่ะแล้วประหยัดหรือเปล่ามันเหมือนเดิ ม, มเท่ากันยังไม่รู้เลยค่ะพระอาจารย์ที่นั้นใช้อะไรใช้ใ ช, ใช้ใช้สัญญาณโทรศัพท์หรใช้ไวไฟใช้สัญญาณโทรศัพท์ค่ะไม่มี Wi-Fi ที่บ้านนะไม่มีไ ม, ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวก็ติดตดดำด <Okay. S 2> เพราะาเฟสมันติดมันใช้ไม่ค่อยได้ค่ะมีะมีคนไทยอยู่เยอะไหมมีค่ะคนไทยอยู่เยอะค่ะอยู่ที่ร้านอกส์นลยกอ ส, ก อ, สอยู่เมืองอะไรสอยู่เลยกสค่ะเลยกสค่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามก็กไปก่อนนะค่ะทักทูนทันค่ะพ่อ <ขา S 1> จ๊ะ คุณบาวิจจากเดลัสเดลัสเทกซัสครับกล่ามากางครับพระอาจารย์ไม่มีคำถามครับมารับฟังพระอาจารย์ครับหายไปหลายอาทิตย์นะสบายดีนะก็ฟังอยู่ครับก็ <c oughs> สบายดีครับก็เป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ครับมีอะไรก็ <c oughs> มันก็ใช้จิตใจแก้ไขตัวเองครับใช้สติปัญญานะตัวนะครับผมก็ก็ก็เป็นแบบ คนธรรมดาครับเข้าใจว่ามันเจ็บตรงไหนมันก็เป็นกรรมที่เคยทํามาก็ใช้แผ่บุญไปว่าเราใช้กรรมแล้วอะไรอย่เงี้ยครับมันก็ทําให้จิตใจสบายขึ้นครับเนีเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนใที่อย่างนี้นะสบายครับผมก็ชอบที่พระอาจารย์ได้รับฟังความทุกข์ของคนทั่วโลกแม้แต่คุณเด็กน้อยมโนก็ถามคําถามดีๆมาก็ดีใจที่ คนทั่วโลกได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เป็นสามชั่วโมงต่ออาทิตย์นี่ก็เป็นบุญครับผมเพราะเราในร่างกายมันอาจจะไม่เท่ากันแต่จิตนี่อาจจะอยู่ระดับเดียวกันถึงมาอยู่ในห้องนี้ได้ครับชอบคําถามของเขาด้วยครับว่าที่ว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยเจอว่าเออได้ยินคําถามแบบว่าโอ้พระบงองค์นี้เราไม่ควรนับถืออะไร่งนี้แต่ในสมัยหนึ่งผมก็เคยคิดแบบ คุณน้องน้าโมนะครับแต่ว่าพอหลังๆนี้เราก็เชื่อว่าโอ้เราเคารวบในพระเหลืองของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะ่ะเราไหว้ในทางสิ่งศักสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทําไว้ก็ก็ทําให้จิตใจดีขึ้นนะครับโอเคถ้าดีก็มีนะถ้าไม่ดีก็มีเราก็อยากได้ครับเร า, าเร า, าเร า, ากราบไหว้ในพระเครื่อง ถ้าขนุนที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้เราเคารพในพระพุทธเจ้าแม้ว่าเขาจะเป็นอะไรแต่เราก็เคารพในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้มันก็ทําให้จิตใจเราดีขึ้นครับว่าเขาจะดีหรือไม่ดีนั่นมันเป็นตัวเขาไม่ใช่เช<ม>ราครับมีอะไรนะไม่มีอะไรครับการรับการพระอาจารย์ขอพระอาจารย์หายจากการเจ็บป่วยนะครับโอเคไม่เจ็บหล้วมันเป็นผลข้างเคียงเท่านั้นนะครับที่ จุนสลินทานต์่มริแลนเหมือนกันนิทรรศการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมหายไปหลอาทิตย์นยงึงโยมไปเจอข้อสอบจริงมาค่ะพระอาจารย์ต้องใช้เวลาในการทําใจสักพักหนึ่งค่ะพอดีอลูกโยมป่วยเป็นโรคดิเพรสไงค ะ, ะแล้วก็จริงก็รักษามาสักพักเนี่ยค่ ะ, ะแต่ก็ไปเจอข้อสอบจริงเพราะว่าเขาพยายามทําลายตัวเองอะค่ะ แล้วก็แล้วก็ในระหว่างที่เกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยโยมไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วเพื่อนเขาก็โทรเรียกตำรวจแล้วอยู่อยู่ดีๆตำรวจก็มาที่บ้านแล้วก็มาเอาตัวเขาไปอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งอ่ะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็ช่วงนั้นเราก็คือจริงๆก่อนหน้านั้นโยมก็มีเรื่องทะเลาะ ก, กับเขาเป็นเรื่องธรรมดามากๆเรื่องงานบ้านเรื่องขอความช่วยเหลือเรื่องที่ เป็นเรื่องธรรมดาแต่คือสำหรับคนที่เขาป่วยเขาไม่เขาความคิดเขาไม่เหมือนกับเราเลยจริงๆเราเราไม่สามารถใช้เราไม่สามารถใช้คำพูดปกติในการสั่งสอนเขาไม่เข้าใจอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยทำให้เขาทำลายตัวเองแล้วคือวันมันเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์วันพุธ ท, ที่แล้วยงเลยขอเวลา <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาใน Zoom m e e t นั่งอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาเองได้เราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันถ้าเราไม่มีธรรมนนี่เราแย่แน่ๆเราคงด้วยความรักความเป็นห่วงลูกเราด้วยความรู้สึกว่าทำไมเขาทำอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเขาไม่เห็นค่าว่าเราดูแลเขาเขาเขาด้อยค่าตัวเองไม่ไม่เห็นความสาคัญของการมีชีวิตอยู่คะ่ะอาจารย์แล้วก็ <S <S เขาถูความอองครอบคางจิตใจการสติปัญญาคิดไม่เอาชวนไปวัดก็ไม่ไปคือเชื่ออะไรก็ไม่รู้ในเรื่องผิดผิดแล้วก็กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มเด็กที่ที่ที่นี่อะค่ะมีเยอะมากๆคือตอนนี้เนี่ยการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายของวัยรุ่นโดยเฉพาะในช่วงไฮสคูลเป็นอันดับสองของประเทศเแล้วมันก็มีเพื่อนเขามากมายที่หลงไปกับ ความรู้สึกผิดหวังไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดๆก็ตามก็ก็ใช้มีดบ้างแขวนคอบ้างหรือว่ากินยาบ้างมันเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วบางทีคำพูดที่เราพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้สึกแต่แต่กับคนป่วยเหล่านี้เขาจะฝังอยู่ในใจอะค่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถดึงความคิดของเขาออกมาได้คนนี้ตัวโยมเองเนี่ยโยมก็ วันแรกที่ตำรวจพาไปเราก็ตกใจเราก็ช็อกเพราะว่าพอตำรวจพาไปปุ๊บเนี่ยเราเราแตะไม่ได้เลยอะค่ะคือคือไปเลยอะค่ะ mm. แล้วเราก็ว่าลูกเราเกิดอะไรขึ้นไปไหนทำอะไรแล้วแล้วแล้ ว, ลวมันจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องมีสเต็ป one two t อะไรมัางไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าตำรวจก็อบอกว่าให้เราขับรถตามไปที่โรงพยบาบาล เราก็รู้แค่นี้แล้วเราก็กลับมาเอาเสื้อผ้าให้เขาแล้วก็เอากลับไปส่งที่โรงพยาบาลไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องมีขั้นตอนการรักษาหรือเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่รู้อะไรเลยทุกวันก็นั่งแต่นั่งรอว่าวันไหนคุณหมอจะโทรมาแต่คราวนี้เนี่ยวันพุทธที่แล้วเนี่ยโยมนั่งแล้วแล้วเราก็เราก็เห็นแต่คําว่าอุมมันทุกข์จริงๆทุกข์กับการความรักความคิดถึงความผูกพันมันมันทุกข์จริงๆแม้ว่า เราจะพยายามคิดว่าเออจริงๆมันก็เป็นแค่ร่างกายจริงๆมันก็คือแค่ความผูกพันมันก็คือมันมันสติสมาธิอะไรต่างๆที่ทํามาทั้งหมดนี่มันมันสู้กําลังตรงดีไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์สู้ไม่ได้เลยจริงๆไม่เจอของจริงเรามัอจะประามาทที่ว่าเราสามารถควบคุมจิตใจเราได้ทั้งทั้งที่โยมปฏิบัติทั้งเช้าทั้งเย็นมาตลอดอเกือบปีแล้วโยมก็ มัน ม, มันด <บา S 1> <บ>ุกมันนั่งปฏิบัติทั้งวันจริงหรือเปล่า <c oughs> จริงกับพระ <c oughs> นั่งอยู่เฉยๆมน้ําตาลล่วงลงมาเป็นสายเลยแล้วเราก็แบบเอ๊ะนี่เราไม่ได้คิดอะไรเลยนะอูนี่พบชาติเกิดแล้วปฏิจจสมุติปาทมันเป็นมันมันวงเป็นวงกลมของมันเรียบร้อยแล้วโดยที่เรายังไม่ได้คิดเลยว่าอะไรมาสัมผัสคือธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่ที่โยมศึกษามานี่มันมาออกหมดเลยวันนั้นเราพยายามทํายังไงก็ตามเนี่ยมันมันก็เอาไม่อยู่อะค่ะพระอาจารย์ โยมก็มาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินเดินเดินเดินเดินค่อยค่อยกค่อยค่อยค่อยค่อยก้าพยายามกําหนดสติไม่ได้มากที่สุดทําอยู่ตั้งหลายชั่วโมงแล้วเราพอคิดว่าโอ้พอจะอยู่ละพอจะอยู่ละมันไม่มันไม่ฟุ้งละมันไม่คิดละพอคิดว่ามันไม่ฟุ้งมันก็มาฟุ้งใหม่ก็ท่านต่อทําไมต่อค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่าโยมก็ยังต้องทํางานด้วยโยมก็เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งอย่างเนี้ยค่ะคือ แต่พอวันที่สองโยมก็เริ่มเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์ความคิดของเรามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้อยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดแล้วที่ที่เขาอยู่มีทั้งหมอมีทั้งนักจิตวิทยามีทั้งพยาบาลมีทั้งมีทุกอย่างหมดแล้วเราตั้งหากที่ต้องทำใจให้มั่นคงเพราะว่าเราจะต้องพร้อมกับการที่เขากลับมาแล้วเราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้ความคิดเขาเปลี่ยน ฉนั้นเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลประมาณหกวันค่ะพระอาจารย์ช่วงหกวันนั้นโยมก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทํำทำทำแต่มันก็ไม่ในใจลึกๆมันมันมันโหวกค่ะพระอาจารย์ใช้คําว่าโหวกมันรู้สึกว่ามันมันกลวงอยู่ห้างในอะค่ะแม้ว่าเราจะพยายามกําหนดสติพยายามเดินจงกรมพยายามนั่งสมาธิกลางคืนนอนนอนโยมก็นอนพื้นตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติต่อ ทำอย่างนี้ต่อแล้วก็พอถึงเวลาทํางานก็ทํางานเลิกงานก็ไปปฏิบัติต่อแล้วเราก็รู้สึกว่าวันแรกเนี่ยเราไม่ไหวจริงๆแต่วันที่สองเนี่ยโยมคิดว่าโยมเอาอยู่โยมมีสติไม่ไม่คิดไม่อะไรพอพอจะได้ไม่ไม่ได้เอาอยู่สักทีเดียวแต่พอพอจะอยู่ก็เลยคิดเลยว่าถ้าโยมไม่มีธรรมานิยมต้องแย่จริงๆสติแตกแน่ๆแน่แนเพราะเราเป็นห่วงเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา เราไม่รู้เลยว่าหมอจะทําอะไรเราไม่มีไม่รู้อะไรสักอย่างจนกระทั่งวันสุดท้ายคุณหมอเขาก็โทรมาบอกว่าให้ให้มาลับได้แล้วก็คือวันวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะพระจานทร์คร mm hmm. าวนี้พอวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าให้โยมดูลูกทุกสิบห้านาที mm hmm. ให้ให้เห็นเขาอยู่ในสายตาทุกสิบห้านาที mm hmm. พวกของมีคมต่างๆให้เอาออกมาให้หมด mm hmm. ก็ยาไปรักษาไปตามอาการแล้วก็รอดู ใช้เวลาประมาณ6อาทิตย์ถึงใจเริ่มเห็นผลจากการทานยาก็ช่วงพอเขากลับมาเนี่ยโยมไม่สามารถจะปฏิบัติได้เหมือนเดิมค่ะพอาจารย์พอโยมต้องต้องต้องอยู่กับเข า, า ม, มันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่เขาลอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโยมสามารถที่จะพอจะพอจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้<ม>แต่พอเขากลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเรา เราปฏิบัติได้ตอนเช้าตอนช่วงเช้าอะค่ะส่วนตอนเย็นก็คือเขานอนแล้วแล้วเราก็ค่อยมาปฏิบัติแล้วเราก็รู้สึกว่าการใช้สติของโยมช่วงเนี้ยมันจะต้องเป็นการใช้สติในการพูดมีสติในการคิดเยอะๆก่อนที่จะใช้คําพูดอะไรออกไปพยายามใช้ความเมตตามากๆตอนนี้เขาน้องการกว่าเมตตาค่ะโยมก็เลยเขาอยาไปอะไรเขาอยาไปทำอะไให้กระเทือนจิตใจครับ มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยค่ะภอาจารย์เพราะว่าเขาเขาพยายามยาค่ะคือเขากินไปแล้วลค่ะแล้วเขาก็ได้ค่าชีวิตตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบได้แค่กับตัวยาที่เขากินไปเท่านั้นเองยืมเขาไม่เห็นค่าในการมีชีวิตเลยอะค่ะผม ก, ก็มันเป็นเรื่องของเขาที่เราจะทำอะไรไม่ได้แต่ด้วยความเราอยากไปทำให้มันซ้ำเติมเขาก็รัมันพยายามให้กาลังใจครับค่ะ แล้วในการทําสติของโยมอย่างเนี้ยะคะมันยากจริงๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะคือทอํายังไงให้โยมมีกําลังใจ ต, ตัวเองก็ต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองด้วยเหะค่ะพราะนัน่นแหละมันมันเป็นเรื่องที่โยมต้องทําเองก็สอนมาตลาดเวลาให้ทําทั้งว <c oughs> ันตลอดวลาอ่เอาถึงเวลามันกีเน่เหรมันถึงยังรู้แต่ถ้าที่โยมเล่ม า, ามาให้ฟังมาแสดงว่าก็ดีนั่นเองที่ สามารถเด่งสติให้กลับเข้ามาให้รักษาใจให้เราอไม่ถึงกับเป็นอะไรไปด้วยเรายัางประคับประคองใจของเราให้เป็นปกติได้ก็โอเคได้ค่ะอาจารย์ก็โยมก็โยมถึงที่บอกว่าอูถ่ายโยมไม่มีธรรมานิยมไม่ไหวแน่เลยแต่ว่าอพอปุ๊บมันพอมันเห็นเลยค่ะว่าใจมันสั่น ม, มันจะใจมันสั่นแหละข้างในพอรู้ว่าใจสัจ่นก็เป็นตรงกลมปั๊บเลยเพราะว่า นั่งสมาธิไม่เยอะเรื่องของโลกก็แล้วก็โปร่งอุเบกขาไปก็แสดงว่าเป็นกรรมของเขาทําทำกรรมอะไรไว้เขาก็ต้องมารับผลกรรมนี่แหละอันนี้เราจะได้ไม่รู้สึกกิ่วที่ว่าเราเรื่ก็ถูกหรือเปล่าผิดหรือปาเขาคิดให้เสียไงล่ะไม่ค่ะยมยมยมไม่ได้โทษตัวเองเลยอ่ะค่ะยมไปผิดค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปโทษเต่าโทษกรรมของเขาคือยมอยากจะจึงให้ นี้แล้วข็โทษกรรมของเรากกที่เรากต้องมาเจอเขามันอยู่กับเขาโทษกรรมไปหมดเล <c oughs> ยโยมงนกรรมหมดเลยน<ผ>ะเรื่องจบก็เราก็พยายามสอนเขาเท่าที่เราสอนได้อะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก, ก็ก็พยายามต้องใช้สติอย่างที่ว่าว่าก่อนที่โยมจะพูดอะไรโยมต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่ามันไม่ไปกระทบเขาอ่ะคะ่ะ ใช่แล้วก็ฟังว่าแบบก็ยินดีจะฟรงว่าแบบถ้าเขาไมยินดีก็อย่าไปมย่าไปมุ่งไปมุ่งอยอยู่เงียบงี้ไปก่อนนั้นน่ะตาก้อนต่ากเงียบงี้ยไปไปต้องอดทนมากเลยอาจรย์ความที่เราเป็นแม่เราก็อยากจะแบบไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี้ไม่ได้ไ น, ไไดไนี่ไม่ถูกอนี้ไม่ควรแต่พูดไปมันก็เหมือนกับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามัน<ช>มันไม่ไดนะครับแต่เขาไม่ฟังก็อยู่ทวนค่ะอาจารย์ก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์แต่ก็ก็ดต่อไป พยายามรักษาใจเราด้วยแล้วก็ดูแลลูกไปด้วยอย่าไปาอย่าไปดูเข้าจากนกระทั่งทาให้ใจเราวุ่นวายใจเราก็ต้องรักษาลูกเราก็ต้องดูแล ใ, ให้มันให้มันมีประมาณให้มันแตกค่ะพระอาจารย์อย่างนั้นเราต้องดูแลใจเราเป็นหลักก่อนใจถ้าเราใจเราเป็ น, นอะไรไปถ้าเราจะไปดูแลอะไรเขาได้ใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์สุขภาพเราก็ต้องสําคัญด้วยเราก็ต้อง ทางก็คงจะดีขึ้นตามลำดับครับครูครับอาจารย์โยมก็หวังเช่นนั้นเพราะว่ามันเหนื่อยใจอครับก็เอาไปวันต่อวันก็ไ่้เดย์เอาทำวันต่อวันไปไม่ไดินมากเกินไปนะครักลับขอบคุณนะคะะอาจารย์ขอบคุณแข่งแนะคะอัหมอวีหมอวีเป็นยังไงบหมออาจารย์ครับนักการศกษาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป ไปวัดแลครับอาจารย์ครับไปขึ้นเวทีแล้วนะครัอาจารย์ทันครับแล้วเจอไฟมังครับอะครับผมช่วงนี้รู้สึกรู้สึกภาวนาดีขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ครับตั้งสติอถ้าไม่ได้ทํางานนี่ก็จะจะรู้ลมกับรู้ร่างกายเป็นสม่ําเสมอนะครับเอกินให้น้อยแล้วมาตอนเช้าก็จะไปนั่งสมาธิครับอาจารย์ครับนั่งทุกวันยังนั่งทุกวันอยู่กับอาจารย์แล้วก็ รู้สึกได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนนั่งนั่ให้มากขึ้นครับอาจารย์ครับบางทีถ้ากลางคืนนอนแล้วนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งเที่ยงคืนอลไรก็นั่งไปเลยครับดีครับอาจารย์แล้วันนนพยายามดีกว่าพยายามจะนอนนั่งนอนกลับเวลาจะทำให้เคลียร์ใช่ครับอาจารย์วันนั้นบังเอิญไปไปใช้นาฬิกาครับอาจารย์นาฬิกา Apple Watch ครับอาจารย์แล้วปรากฏมันก็ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับพราะกฏว่านั่งเสร็จแล้วก็ไปดูมันดีเทคว่าเรานอนนอนหลับลึกครับอาจารย์ก็ก็รู้สึกว่ามันเออแปลกดีแล้วผมก็ไปดูปกติแพทเทิร์นของการนอนหลับเนี่ยครับอาจารย์มันจะเป็นเอเวกแล้วก็แล้วก็หลับแบบตื่นตื่นแล้วก็หลับแบบหลับลึกแต่ทุกครั้งที่ลงหลับลึกเนี่ยถ้านอนจริงๆนะครับอาจารย์แพทเทิร์นมันจะเป็นเอเวกแล้วก็ไลท์แล้วก็หลับลึกทุกครั้งครับแต่ตอนเช้าๆเวลามานั่งตอนตีห้านะครับอาจารย์ มันจะเอาเวกขึ้นมาตอนตีห้าที่ผมตื่นนะครับแล้วมันก็ลงไปดีเลยครับอาจารย์ยังไม่ถึงมันเป็นสาร่ามากเกินไปดูดูที่ตัวเราเองเป็นหลักดูที่ความอู้สึกเราเป็นหลักนีกก็เดี๋ยวไนยึดมันเป็นมาตรฐานนั้นมันจะทำให้เราเครียดไม่ได้ ครับอาจารย์ครับก็ก็ดูแบบเออดูดูเล่นเล่นแล้วก็แปลกดีครับแต่มันไม่ได้เป็นทุกวันครับอาจารย์ครับก็ดูมันแล้วดูความจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่ามันตรงกันหรือเปล่าครับก็รู้สึกว่าสามสี่วันนี้มันมันดีเทคได้ดีเหมือนกับความรู้สึกเราก็ดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอาจารย์แล้วก็นายกามันก็มันก็เก่งเหมือนกันครับมันก็รู้สึกว่ามันก็จับได้คล้ายๆกันครับมันก็จับมันก็พยายามจับที่ประจานจับอะไรเราแค่แล้วก็แปลกทันมาว่ามัน ห ล, ลักสนิทก็ไม่ห ล, ลักสนิทครับผมน่าจะประมาณนั้นครับแต่แต่คนของมันก็ที่นั่งสมาธิมาก็รู้สึกเออสามสี่วันนี้รู้สึกว่ารู้สึกมันรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับเริ่มหัดยืนเป็น <laughs> แต่ก<ม>็ ย, Rabbi, ยังยืนลๆล้มๆอยู่แต่ตอนรู้สึกมันเหมือนอรู้กฎตาของเกมอะไรอย่างเงี <c> ้ย <ười> ครับอาจารย์ตั้มกดีมีอะไรเป็นวันได้กันมั้งก็พอดีพวกคุณใช้ใช้ใจเรามันที่วัดที่ดีที่สุ ครับใจเราสงบใจเราสงบหรือปลมีแค่วันนี้ครับความความรู้สึกของใจมันก็เขายังยังรู้ว่ามันไม่ใช่อุเบกขาครับอาจารย์แต่ว่า<ม>วิตกวิจารเนี่ยก็ชัดขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ขึ้นลมหายใจมันชัดชัดขึ้นมากๆกว่ามเมื่อก่อนเยอะแล้วครับ<ม>แล้วก็มีความรู้สึกอ่าเหมือนอยากจะนั่งมันอยากจะนั่งไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับเริ่มกับชันทะนะฉัน ท, นะนทวิรยิยะนะ เมื่อรเห็นผลจากการปฏิบัติมันน่าจะมีกำลังใจอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นก็ดีนี่ตาประยานจะมาบ่อยขึ้นก็ได้ไมมเขาบ่อยขึ้นก็ได้ครับพรอาจารย์ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้ววันอาทิตย์จะจะขอโอกาสตามพอาจารย์มิจฉบาทครับไปต้องนี้ได้ครับขอบคุณครับคุณนายติ๊กงนายติ๊กงอยู่ที่ไหนบันไม่ก่อน ค่ะพระบอาจารย์หนูอยู่หนองมนค่ะหนองมนพอดีค่ะพอดีล็อกอินเป็นชื่อลูกชายค่ะอ๋อไม่เลยค่ะก็มีคําถามนิดหน่อยอะค่ะก่อนอื่นอยากถามพระอาจารย์ว่าเหนื่อยไหมคะ<ร>ไม่เลยนั่งสบายนั่งคุยกันนิดนึิด ห, <c oughs> หลายชั่วโมงเลยหนูยังแบบง่วงเลยอะไรเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ได้พูดตลอดเวลาแล้วก็มีเวลาสังด้วยอ๋อค่ะค <c oughs> หนูมีคําถามว่าหนูเริ่ม ฝึกสมาธิอาหารแต่ว่าเวลาที่หลับตาฝึกสมาธิไปแล้วเนี่ยพยายามอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าภาวนาพุโทโธใช่ไหมฮะหรือดูลมหายใจอย่างเงี้ยมันมันแป๊บเดียวเองอะคาะแล้วหนูก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปไปเรื่อยเลยสติเรายังมีกำลัง น, น้อยเราต้องฝึกสติให้มากมากก่อนที่จะมาด้นก็พยายามันสติเรื่อยๆพุโทโธไปเรืเอ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอ๋อค่ะ อยากปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยไปคิดเรื่อยเปลยมากคิดเมื่อไหร่ก็ต้องมาพุโทโธพุโทโธไปพอรู้ว่าคิดแค่ปั๊บหยุดมาด้วยพุโทโธพุโทโธเลอ๋อค่ะแล้วเวลามานั่งต่อไปมันก็จะนั่งได้นานขึ้นดูลมได้น า, นานขึ้นพุโทโธได้มากขึ้นน ะ, ะสตินี้ต้องฝึกให้มากๆเวลานัานา่งสมาธิถึงจะ ไ, ได้ผลดีขึ้น ถ้าไม่มีสตินั่งไปเหมือนกับใจลอยคิดนวดคิดนี่ไปไม่เปันก็นไม่แนะนำใช่ค่ะมันเหมือนแบบต้องพยายามัดฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำตั้งแต่เอกตขึ้นมาคือตั้งสติก่อน <Okay. S 1> พูดโธรอะไรดูว่าตอนนี้ร่างกายเราประลองอยู่ในเรียาอยไหนกาลัองอยู่ในท่านอนกําลังลุกกำลังขึ้นยืนกําลังเดินก้าวมันไปเลยนะ อย่าให้ใจหลีไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงขนนั้นค่นนี้เราฝึกนะครับฝึกสติให้มันต่อเนื่องแล้วเวลานั่งสมาธิจะนั่งได้มากได้นานน่าสนุกได้เลยคโอเคนะที่นี้เหรอก็มีเท่านี้แล้วก็มีที่แบบอธิษฐานแบบจะรักษาสัจจะ วาพระสวดมนต์เช้าเย็นนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่บางทีก็บางไปทําก็ลงโทษตัวเองเด็ดเดี่ยที่บอกบอกพยายามที่บอกเป็นเจี๊อาใจกระปุกทําบุญไปใช่ค <c oughs> ่ะบางทีมันก็ขี้เกียจเกินไปอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกในใจว่าเราเสียสัจจะและมันมันไม่ดีเี้ยเราลงโทษตัวเองค่ะชั้นงานตัวเองค่ะค่ะ วันบบนี้ทา่านโอเคนะขอนะขอบพระคุณ<อ>ค่ะคุณท่านนาพศรท่านนพกทมมาสการคระอาจารย์ครับราารคุณปาก็อยู่แถวนี้ครับฟังอยู่เหมือนกันอ่าตามสบาสยใไมล่ไม่ต้องกลัวก็แล้าสบายค <c oughs> บคือคำถามที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องทำนองเดียวกับ คุณสกู่คุณ ส, สลินทรมังครับซึ่งแกมีปัญหา ท, ท, ที่ที่เรื่องคือความเป็นห่วงลูกนี่ใช่ไหมครับคือของผมเนี่ยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือบางทีเราพิจารณามรณาพรทธสตินยครับเราก็คิดว่าเราตายไปเรา ก, เราก็เราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรห่วงไม่ห่วงร่างกายเลยเนี่ยแต่คณ้กนนิเล็ดมันตลบหลังมามันไม่คิดถึงตัวเองจะไปคิดถึงคนรอบข้างนะครับก็มาปรุงว่า เออแล้วคนรับข้างจะอยู่ยังไงอะไรอย่างงี้ฮนะเราก็เหมอือนกันเลยเร า, เร า, าไม่พิจารณาใช่ครับก็ครับก็ปัญญาคิดไปนำํำคานองว่าเออจริงจอย่างนี้มันควรจะต้องเราก็าจะต้องใช้อุเบกขาก็คือถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาเขาจะเป็นไงเราก็าไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮรเราก็ก็มองเป็นในภาพนองนี้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอุเบกขาตรงนี้มันเป็นอุเบกขาที่แบบเหมือนกับเป็นสัญญาที่ว่าเออ โจทย์ไหมเราก็แก้โจทย์ไวอย่างนี้แต่มันไม่เป็นยังเป็นขั้นตอนคิดอยู่เป็นการทบกันบ้างยังไม่ได้เจอของจริงมันก็ยังไม่ขาดเท่าไหร่ครับคราวนี้คําถามก็เลยว่าเอจริงๆอุเบกขาเนี่ยถ้ามันจะกําลังจริงๆมันกําลังอยู่ที่ที่สมาธิหรือกําลังอยู่ที่ปัญญาครับครอ๋ออุเบกขาอยู่ที่สมาธิอปัญญาก็ปัญญาก็ทําให้อุเบกขาได้นกันแต่ปันยากกว่ายากกว่าสมาธ ความจริงมันต้องใช้สมาธิทําให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาก่อนแล้ว ใ, ใช้ปัญญาเพื่อมารักษาอุเบกขาครับครับก็คืออุเบกขาระงับ<ต>ไว้แล้วก็บางการณีก็สามารถใช้ปัญญาให้เข้าถึงอุเบกขาเดงก็ได้ทําให้จิตเป็นอุเบกขาได้เหมอือนกันถ้าปล่อยวางได้ถพิจารณาไปแล้วก็ปล่อยวางได้จิตก็เป็นอุเบกขาได้เหมือนกันครับ มัน แ, <ต>แล้ว<ล><ล>มันก็มีการพิจารณาอะไรต้องให้มันรอบครอบไปพิจารณาด้านใดด้านครั บ, รบทั้งเราทั้งเขาครับครับอันนี้มันก็มีมีส่วนหนึ่งที่เราก็คิดว่าด้วยด้วยว่าเหมือนกับว่าไอเหตุที่เราไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราสําคัญว่าตัวเราสําคัญอย่างเงี้ยครับตัวเรามีความสําคัญกับคนอื่นอันนี้มันเป็นมันก็เท่ากับว่ามันยังเป็นเป็นศักยญาติฐิหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับ คือมันไม่ต้องไปกังวลในสักยญาติเตี้ยเราไม่เห็นนิจจารูปขนันมณตาแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเราเลยไปยังไปยึดไปติดกับเขายังไปห ว, งหวังให้เขามีความสุขหรืวังได้ความสุขจากเขาอยู่ถ้าเราพิจรารณาเขาเขาเป็นทุกข์เราก็าเป็นทุกข์กร่างกายเราก็าเป็นทุกข์ทุกมันมาให้หมด ช่อยากไปยึดอยากไปกิตอยกไปมีมันมีป่ะมันก็ครับมันก็จะปล่อยวางได้ครับก็จะพิจารณาไปทางปัญญาครับครับอยากไปวิเคราะว่ามันเป็นโน้ตเป็นที่นี้ไม่จัดเต็มครัพิจารณาว่าเป็นไตายละมาอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามเราอันนี้นั้นสวดหรือทุกข์มันเป็นตัวตนหรือไม่มีตัวตนถามแค่นี่้ครับ หาคำตอบให้ได้จากสามสามปัญหานี้มันเที่ยงไม่เที่ยงเทียงไม่เที่ยงมันมันสุกแล้วมันทุกับถ้ามันสุกแล้วำอะไรมากังวลอ่ะกังวลเป็นความทุกข์ก็เปล่าใช่ไหมแล้วมันมีตัวตนหรือเปล่าแล้วมันเป็นแค่รินน้ำลงไปอันนี้นะครับที่ที่จะยากหน่อยว่า มันมันก็คิดเป็นแค่ดินน้ํามงไฟสําหรับเราเป็นดินน้ำลมไฟแล้วไปกังวลอย่างไรไปทุกข์กับมันับครับนะครับคุณคุณทุกขกับน้ำไหมเวลาฝนตกคุณทุกข์ไเวลามองพาดคุณทุกขว่ะครับเข้าใจครับครโอเคนะมีอะไรมีปตามีอะไรแบบลาติดต่อกับน้องน้องวิทย์ทราบบ้างน้องมินทราบบ้องน เพิ่งวางสายเมื่อกี้เองค่ะบอกไม่คุยกับมิ้นแล้วอยาจะคุยกับผ้าอาจารย์แทนจะเราคุยกับผ้าอาจารย์วางสายมิ้นไปแล้วะคะ่ะเดี๋ยวอย่ทนังอ ย, อ ย, งอยปฏิบตัติอยู่ที่เชียงรายอยู่ครอือ่าอยู่เชียงรายค่ะแล้วก็เดือนหน้านัดไปเจอกันที่อำนาจเจริญนะคะเป็นวัดสาขาค่ะ ค, ค่ะพะอาจารย์ครับปามมีคําถามอะคะ่ะพอดีอ่าพออ่านหนังสือแล้วก็ อ่านึกถึงเรื่องเอในขันห้าเนี่ยเรื่อง ส, สัญญาในขันห้าพระอาจาจรย์ทีนี้เนี่ย ส, สัญญาเนี่ยมันคือความจัาได้ความหมายรู้ความจําได้เนี่ยยังไงเราก็จําได้พระอาจารย์แล้วเราเราจะเป็นลืมมันได้ยังไงคะเราจะพิจารณายังไงให้มันไม่กลายเป็นอุปทานขันห้าที่จะกาะภพชาติอะคะ่ะพระอาจารย์อ ก็อย่าไปอย่าไปจําว่ามันเป็นสุขเน่ยมันต้องจำว่ามันเป็นทุกข์แต่เราไปจำว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นสุขแล้วก็เลยติดมันถึงเราก็เลยจะกลับมาหามันื้วยเงินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จำคุณจำเงินว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระอาจารย์แล้วถ้าเราจำว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็ยึดอยู่กับความทุกข์หรือเปล่าคะพระอาจารย์ไม่ถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์เราก็โยนทิ้งไปเลย จะไปยึดกับมันทำไ ม, มถ้าคนถ้าคนรู้ว่าถ้าคุณรู้ว่าสิ่งนี้คุณกินเข้าไปแล้วท่านคุณปวดท้ อ, คองคุณยังจะเก็บแล้วกินอีกหรือเปล่าย้อนทิ้งไปเลยใช่ไหอไปซื้อน้ำเดือดมาแพ่งหนึ่งแล้วแพ่งนี้กินแล้วปวดท้องแบบนี้ยคุณยังจะเก็บแล้วกินต่อหรือเปล่าไม่กินแล้วใช่ไหมเ ร, เราไม่กินแต่เราจะ คุก็คนรู้ว่ามันเป็นมันมันเป็นทุกข์นะแต่ตอนต้นคุณคีดว่ามันสุขอ่าพระอาจารย์แล้วถ้ามันคือความสุขจริงๆอย่างนี้เรายังไเงยมันก็ยังจําได้อยู่อ่าพระอาจารย์คือมันจำไม่จำมันไม่สําคัญพระอาจารย์ให้มันจําจำว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วบีงคนไม่จําว่ามันเป็นทุกข์เลยเพราะว่าอาจาสอนให้จําว่ามันเป็นทุกข์แต่คนเราจำว่ามันเป็นสุข คุณยังไม่ทิ้งไงของต่างๆคุณยังไม่ทิ้แฟนของคุณเนี่ยมันยังคิดว่ามันเป็นสุขอยู่เนี่ยนะอืมอะเข้าใจละคือมองมองถึงไม่จะจำมันได้แต่ว่าเราจะไม่ไม่ไม่ไปยึดในความสุขตรงนั้นใช่ไหยคะอาจารย์ให้คนไปไปว่ามันเป็นสุขความจริงมันเป็นทุกข์เข้าใจไหมแต่คนนี้เป็นทุกข์แต่ให้ความทุกข์กับคุณแต่คุณมองไม่ห็คุณกลับไปเห็นว่าเขาให้ความสุขกับคุณอืม เพราความทุกข์ของเขาที่จะให้คุณมันยังไม่โผล่ได้นมามันดีคือดีเกิดเขาตายไปทันทีทันดใดนี่คุณยังหัวเราะได้อะอืมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่มันมีความสุขมันจะมีความทุกข์พรมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงตรงนั้นนะที่เราเรามองตรงนั้นปุ๊บมันจะมันจะไม่ยึดที่จะเกิดมาเจอมันอีกถูกไหมครับใช่อช่เราไปจำว่ามันเป็นสุข <mm อืมเราเลยไม่เราเลยยึดเราเลอยากจะอยู่กับมันอยู่ใกล้มันอยากให้มันอยู่กับเราไป็นานๆ <mm อืมค่ะถ้า <mm เราไปจําได้ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยประหานคือเราจําผิดจำเสียงที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจำเสียงที่ไม่เที่ยวว่าเป็นเที่ยวจำเสียงที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราก <mm ันอะไรอย่างนี้อืมนี่แหละคือสัญญาการจำอันนี้ เข้าใจแล้วค่ะแต่เข้าใจยากหน่อยของง่ายๆมี่ก็ยากหน่อยต้าไปคิดเลยแพุทธเนทาวเดินพิจารณาลูกสะโลกเขาว่าเป็นทุกข์เป็นสุข้เขาให้ทุกข์ม้สุขเขาอ่ะครับครับฟังคิดถ้าไม่มีถ้าไม่มีทูกจำนี้ก็สบายคนไม่มีลูกก็สบายไม่ต้องทุกข์กับลูกใ่ไอืมใช่พระพุทธเจ้าถึงบอกกันบ่วงเนียบ่วง บอกที่จะรัดขอให้เราทุกข์นั่นครับอย่างที่ตะกี้นี่แหละครับพี่เรียนพระอาจารย์ว่าเราไปคิดถึงคนอื่นมันก็คือเป็นบ่วงบ่วงทั้งนั้นะถ้าเราไปดูตรงนี <mus nah> <c oughs> ้แหละครับใช่ถ้าเราไปห่วงเขาไปไม่รปยึดไปติดเ้าพเราไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์ไงเราก็เลยไปไปยึดไปติดเขาครัอาจารย์เข้าใจครับโอเคนะ ครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตายแล้วอยู่เรื่อยๆแก้แก้ความความความจําเก่าเอาความจําใหม่เข้ามาแทนที่ครับเอาเอาเอาวินิจังมาแทนนิจังเอาทุกขังมามาแทนสุขขังเอาหน้าตามาแทนอัตตาตอนนี้เราจะคิดอยู่เป็นนิจังสุขขังอัตตาเป็นตัวเราของเรา ให้ความสุขกับเรากับจะอยู <h <h ่ก AP ับเราไปตลอดไม่มีว yes> ันเปลี่ยนแปลงอย่านั้เวลาคนแต่งงานกมันจะอยู่กันไจนมันตายใช่ไหมแต่แฮปปี้ไปจนมันตายเป็นนิทานไม่มีทางเป็นจริงใอ่นั่นล happy ending ก็เนะครับอาย์ครับอาครับคราบขอบคุณครับคุณอุ้ยขอนแก่นใช่คุณอุ้อ โดยกี่ทุ่มแล้วก็สองทุง่มสี่ทุ่มแล้วนะคุณนุชตอนแก่นเชิครับผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับผมพูดใกล้ๆหน่อยแล้วไม่เซ็มคล้ายไปหน่อยสวัสดีครับผมว่ า, ม, ามีอะไรไหมค<า>รังแรกครับจะยนขอโอกาสยินถามท่านอาจารย์ครับ เ, เราจะภาวนายัางไงเพื่อแก้ไขความประมาทของเราให้ได้สักครั้งเป็นปฐมครับผมความปรมาทน่ะ ครับผ ม, มประม์ประมาตอหไปประมาตทั้งเรื่องความคิดไปในทางตามประมาณทั้งเรื่องความคิดไปในทางโทสะอย่างเงี้ยนะครับเราจะแจ้ไข เ, <ก>เป็นเป็นประเสตตเติแล้วเราจะรู้ทันเวลาเกิดปั้เกิดปั้นประมาณขึ้นมาปัะสติก็จะอยู่กนะันได พยายามฝึกสติด้วยการเจริญพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ทั้งวันแล้วต่อไปเราจะเห็นการประมาทของจิตใจพอเห็นเราก็จะหยุดมันได้ตอนนี้เราไม่เห็นนะมันเร็วกว่าเรามากใช่ไหมมันพอเรามนคิดปุ๊บมันทำปั๊บเลยแต่ถ้าเรามีสติแบบนั้นพอมาคิดปั๊บหนึงเราจะสติจะจะทันมันก่อนที่มันจะทํา เราก็อยู่กันได้ครับผมขอขอบคุมากครับผมจะพยายามปฏิบัติฝึกให้เต็มที่ครับได้โอเคนะ ค, คุณคริศก็ท่านมรสการครับอาจารย์ครับจะกลับเรียนว่าอาจารย์ว่าเดี๋ยวสุกเสาร์ที่นี้จะไปปฏิบัติบนเขานะครับอ ค, ครับแล้วกอจากจะขออนุญาตพระอาจารย์ช่วย ที่แนทในเรื่องของที่สอาจารย์บอกว่าต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวหน้ากลัวแล้วมันจะมีสติรวมเร็วมากขึ้นอันนี้มันเออย่างที่เคยเคยขึ้นไปปฏิบัติอย่างเงี้ยครับในในจุดที่เรากําลังกลัวกลัวนี่คือมันจะวกกลับมาเร่งภาวนามากขึ้นใช่ไหมครับถึงจะถึงจะหายกลัวถ้ า, า, าถ้าไม่ภาวนามันก็จะมันก็ยิ่งจะกลัวขึ้นไปใหญ่ า็อาจจะทนทนทนไม่ไหวแล้วนบางคนกลัวอย่างนั้น้วขอกลับบ้านเีงอนั่นคือจุดที่ว่าเราต้องพยายามไปอยู่ที่หน้ากลัวแล้วเราจะได้มีสติคอยระงับความกลั ว, วจะได้ระับวมจะได้จะได้ใช้สติให<อ>้ใช้อย่างอื่นไม่ได้ครับให้ตั้งใจภาวนามากขึ้นแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้ทดสอบเรื่องความกลัวว่าเรายังกลัวอยู่ไหมอย่างเงี้ยมัน อคือต้องก็เมื่อเราคิดว่าเรามีสติแล้วน้ำความกลัวได้เราก็อยากจะส่งอยาจะรู้ว่าถ้าไปเจอของน้าคนัจริงเรายังจะกลัวอยู่หรือเป่าอ๋อเมอี่เราใช้สตินในจารที่ปลอดภัยมันก็รู้สึกว่าเราขอดพวกความกลัวได้ระดับหนึ่งเพราะความกลัวส่วนหนึ่งก็เกิดจากความคิดของเราเองแต่ถ้าเราเคอไปเจอของจริงขึ้น่ะของหน้าน่ากลัวจริงขึ้นมา แล้วเราอยากจะทําทใจให้ไม่กลัวได้หรือปะแล้วถ้าณจุดตรงนั้นมันเจอขึ้นมาจริงๆนะครับก็น่าจะใก็จะก็เจอจริงก็จะรู้ไงว่ากลัวแล้วไม่กลัวอ๊อกผมผ ม, ผมกลัวงูอะครับอาจารย์น่าจถ้ากอาจารย์งูเนื้อสถานที่เราเดินไปแล้วมันหรือเราเดินเดินเดินรงอยู่แล้วมันก็เดินเลื้อยเข้าข้ามทางเดินทางเดินเดินตรงนั้วมันเป็นเลื้อยไปนอนอยู่ในข้างทางเดินตรงเลื้อทํา ต้องแล้วก็ต้องทําถ้ากลัวก็หยุดความกลัวให้ได้ต้องปลงอย่ามากถ้าตายถ้ามันปลงได้มันก็มันก็หายกลัวได้เห็ตอนที่เดินขึ้นเขาก็จะกลัวไปเหยียบพวกหอยนะครับเคยมีครั้งหนึ่งแบบไม่ได้มองอันนั้นอันนั้กลัวจะไปทํำเข้ามันไม่เท่าไหร่กลัวที่จะถูกข้อธรรมันน่ากลัวกว่าครับอืมนั่นคือต้องให้มีอุเบกขาม้าๆถึงจะ สลักความกลัวนี้ไปได้ใช่ไหมครัส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องต้องมีปัญญาดังนั้นอย่างมากด้นานการนี้มันก็ไม่เทียงไม่ช้าก็เร็ววันมันก็ต้องตายอาจะตายตอนนี้ก็ได้ถ้างันต้องต้องตัดตรงข้อคือหมายความว่าต้องมีปัญญากวามสัญญาสามารถที่จะไปก็ดีถ้ามีปัญญาได้ก็ดีนะเจอของจีิจะได้กลมได้เจอข้อสอบได้กลมได้ ยังยอมตายถ้าถึงมันแล้วันเวต้องตายแล้วก็ยอมตายยังกลวงงูยอยู่เลยครับถ้ายอมตายแล้วมันยังไม่กลัวมันจ ะ, นจะเฉยหมครับใช่ครอบจะต้องีองนี้ก็ต้องฝึกให้มีอเบกขามากขึ้นเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยเริ่มคิดในทางปัญญาตรงนี้ใช่เดินที่กาลั ง, งเร า, เรายัางรู้เองครับครับแล้ ว, okay, ลว ต, อตอนเดินจงคมอันจะใช้อะ ควรจะจุดเทียนไหมครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราเราจะเดินแบบนุ่งม้อยก็ได้หมือเราจะจุดก็ได้ตทวสอบครับข้าวเก้าของเราเดินนุ่งม้อยก็ได้เหยียบเหยียบมูอให้มันกลับเลยตายไปเลยก็ได้มันจะได้มจะติมากขึ้นก็ได้ครับลองดูครับอาจารย์ธรรวัฒการครับขอบคุณครับคุณคุณตายนอคุณตายเมื่อกี้มาทีแล้วจะไม่คนเดียวกันหรือ นีอีกคนหนึ่งครับท่านตายมาเมือนเลยเมือนสวัสดีค่ะอาจารย์เอ่อว่างงานอยู่ที่ไหนอาจารย์สบายดีไหมคะยังหายใจได้เลยอ ย, อยู่กลับไปที่คานแล้วไงคะอ๋อโอเคเข้าใจครับค่ะคืงพระอาจารย์เลยเข้ามาฟังค่ะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ยางานที่นั่นที่รบกวนด้วอ่าที่นี่เหรอคะตอนนี้ก็แต่ว่าไม่ได้หนักมากค่ะ อากาศยังหนาวอยู่กว่าแน่ะยังหนาวดูดค่ ะ, คะแต่ที่นี่เขาก็เลิกใส่หน้ากากกันแล้วค่ะไปน้ำใส่ทั้งหน้าออไปทั้งน้าก็เลิกใส่ แ, แตแ่ยังมียังมีคนติดเชื้ออยู่มียังมีค่ะเขาไม่สนใจแล้วเป็นกันค่ะพระอาจารย์ลูกกลับมาก็ติดลูกชายลูกชายเป็นโควิดเขาติดกับเพื่อนที่โรงเรียนาามาค่ะ เรเปิดติดแล้วต้องแยกกัน ว, ว่าเราไม่ต้องไม่อยู่แยกค่ะออแยกเอ่อไม่แยกให้เขาไปอยู่ห้องนอนเขาไม่ให้เขาออกมาแต่ทีเนี้ยลูกต้องทําอาหารเข้าไปส่งเขาในห้องก็เลยลูกก็เลยติดติดแล้วลูกก็เลยแยกไปอยู่ในห้องสา ม, มีก็อยู่ข้างนอกคนเดียวค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ลูกหายแล้วค่ะค่ะดีโอเค ค่ะเข้ามากับพระอาจารย์ค่ะคิดถึงค่ะโอเคน้ำมาแล้วก็มา<ห>นะปีหน้านะค่ะปีหน้าค่ะเ อ, อ่อกุมภาค่ะ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอยากสาธุดเช่นเดียวกันไนดะ้ค่ะค่ะอ่ะคุณชนะตาต่อชนะตามาส่งเมนูสําหรับพวกนี้ใช่หมนำ้ำมันสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ เออพุ่งนี้เป็นยำไส้กรอกค่ะพระอาจารย์ไส้กอก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะคิดอะไรออกแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่เวลาก็เปลี่ยนไม่ได้แน่ค่ะพระอาจารย์ครั้งที่เราที่ไปวิเวกบนเข่าอะค่ะค่ะก็ก็ว่าจะไปอีกนะคะพระอาจารย์แล้วก็จะก็จะอดอาหารอีกนะคะพระอาจารย์ในโอกาสข้างหน้าค่ะ ได้ประโยชน์ดีิงใช ไ, ได้ประโยชน์ค่ะพระอาจารย์ได้ประโยชน์มากเลยค่ะเอ่อได้ความรู้เพิ่มค่ะจริงๆเลยการจำทีพภาพนี้ยากยหมัพราะว่าคิวยาวยมไม่เคยยากเลยค่ะค่ะพอ ข, ข, ขอวันก็ได้เลยก<ข>็เอ่อครั้งแรกขอวันได้เลยครั้งที่สองให้ให้คุณป้าเขาจัดวันให้ค่ะเขอบอกว่าคือคือโยมไม่แน่ใจว่าพืษภาสาวันหยุด ก็วันหยุดเยอะก็น่าจะมีคนจองเยอะก็เลยบอกให้คุณป้าเขาจัดวันให้เลยค่ะว่าวันเจ็ดวันอะไรเงีย้ยค่ะก็เลยก็เลยได้เหมือนง่ายอะไรเงี้ยค่ะอถ้าเราไม่ถ้าเราไม่จอดจองล่ะจะง่ายกว่าค่ะก็ไปแต่ก็เห็นมีห้องว่างอยู่อะไรเงี้ยก็งงเหมือนกันว่าทําไมคนจองกันไม่ค่อยได้หรือว่าเขาคงเจาะจงวันใช่ไหยคะอาจารย์เอ่ะจะเจาะจงวันแล้วก็ที่สั้นๆอะไรทำนองนี้นอ๋อเล็ทําให้มีที่ว่างอ๋อค่ะ อืมแล้วแล้วก็ ก, ก็เลยได้อ่านหนังสือสติปัฏฐานนะคะพผาา้าจัน<ม>เราก็จะมีกายเอ่เอกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผ้าจาย์ตรงนี้ก็ยังสงสัยอยู่บ้างอะคะ่ะแล้มันเป็นคำแปลแปลหนึ่งเราแปลภาษาอังกฤษวูวูไปล่าเป่เอาอ่ะอือฮึ่าจริงก็พิจารณากายนะั่นแหะไม่ต้องไปอ๋อค่ะพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาปมายมันก็มีแค่นั้นนะ แต่ภาษาภาษาบาลีเวลาแปลมาเป็นไทยมันอาจจะแปลแบบนี้มรือเราแปลภาษาอังกฤษโมปา่า I speak English ฉันได้ฉันด้พิสูจน์เองแต่แปลตรงตัวเปนไปมันแปลตรงศัพท์แต่ไม่ได้แปลตรงความหมายค่ะทีนี้โยมได้อ่านจนหมดเล่มเลยอะค่ะแล้วก็แล้วคิดว่าอยากจะศึกษาเล่มนี้ค่ะแล้วมีความรู้สึกว่า เออเหมือนให้พิจารณาตลอดเลยทุกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดพิจารณาเห็นให้เห็นหมดเลยถ้าสมมติว่าเราเออ่ <c oughs> ใช้สติปัญฐานในการ เ, เราทําตามทุกอย่างเลยนะคะสมมุติว่าทําตามทุกอย่างจนเข้าใจแจม่มแจง้งเ อ, อ <c oughs> ไม่เราสติปัญญาเนี่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนคู่มือของการปฏิบัติใช่ง <c oughs> เราต้องไปเป็นท่านเป็นเป็น เป็นขั้นขั้นไปไม่ใช่เอาทั้งเรื่มตั้งเริ่มต้นมาปฏิบัติทั้งหรืไม่ใช่ค่ะขั้นต้นให้สวดสติก่านอ๋อค่ะให้มีสติอยู่กับร่างกายทั้งวันนั่งแต่งตึกตลอดค่ะแล้วก็เมื่อมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิก็มีอานาปนสติค่ะอันนี้เอาสองขั้นนี้ให้ได้ก่อนไม่นับไปไม่ต้องไปพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตอะไรค่ะ แังยั ง, ย ง, ยงไม่ถึงขั้นนั้นขั้นแรกให้มีสตินัคุมสติให้เป็นมีทั้งหมดให้ได้ก่อนแล้วถ้าเกิดจนหลับไม่ให้เผลอแล้วนั่งสมาธิดูลมาหายใจให้มันเข้าเป็นอั ป, ปนาสมาธิจิตรวมแล้วรวมใ น, ม, นมได้น า, นานก่อนมีโมเบค้าก่อนแล้วค่อยถึงไปพิจารณาร่างกายบาอแล้วค่อยไปพิจารณาเมตน า, นาแล้วค่อยไปพิจารณาจิตมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติมันเป็นขัน้นเป็นตอน แต่เวลาอานที่มันานในทั้งเล่มเราก็คิดว่าจะทําในทั้งทั้งทั้งหมดในพร้อมๆ ก, กันมันก็เป็นเหมือนจับฉ่ายแล้วคือโยมก็เลยจะถามพระอาจารย์เรียนถามพระอาจารย์นะคะว่า <c oughs> คนที่ทําได้ทั้งหมดในเล่มนี้คือคน อ, อ่อไม่เป็นบ้านริยะบุคคลอาป า, าอรหันดรือพระอนาคามีัในในท้ายเล่มนั่นแหลว่าถ้าไม่ได้พระอรหันก็ได้เป็นพระอนาคามีภายในเจ็ดวันเจ็เดือนนัเจ็ดปีใ่ไค่ ะ, คะเห็นค่ะพระอาจารย์ ค่ะค่ะก็คือครั้งแรกที่ไปไปไปปฏิบัติสั้นๆ น, นะคะพระอาจารย์ก็ อ, อ่ไม่ได้น่ากลัวนะคะตอนตอนตอนนอนนึกว่าจะเจออะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ก็คิดว่ารอบเจ็ดวันเนี้ยก็คงไม่ได้เจออะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าจะเจออะไรตอนนี้ไปคืนแรกก็ก็ก็เกือบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยะคะ่ะพระอาจารย์ ก็ลเลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าบางคนที่เขาอยู่ไม่ได้นี่ก็อาจจะแบบเป็นลักษณะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่กลัวไม่ได้สติก็งคงแบ <c oughs> บกลัว <c oughs> ค่ะล้วก็พอวันพอพอวันหลพ อ, พ อ, พอหลังจากนั้นก็เริ่มเหมือนเหมือนจะควบคุมความกลัวได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็นึกว่าได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอวันสุดท้ายเนี่ยตื่นมากลางดึกแล้วมันก็เห็นจิตฟุ้งซ่านไปถึงความกลัว ไปไปที่แบบเออเวลาที่โยมจะกลัวมันจะนึกนึกนึกนึกอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นความคิดตรงนั้นเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้ว่ า, าความกลัวมันมันเริ่มจากตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่ะก็เลยได้เข้าใจว่ามันกลับมาอีกได้ยอะไรเงี้ยค่ะะใช้สติมันยังกลับมาได้อยู่ถ้าเ<ไ>้าถ้าถ้าแม่มันกลับมาต้องใช้ปัญญาน้ำพิจารณาว่าร่างกายเระไม่เทียเ่ยงไม่ช้าก็เลยต้องตาย แล้วก็อยอมตายค่ะยอมตายแล้วที่ความกลกัวมันก็จะมีหมดความกลัวมันจะตายหมดค่ะค่ะพระเจ้าแต่จะใช้สติมันก็ยังต้องใช้ไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> พอเราไม่มีสติปับ๊บมันก็เร่มนึกถึงความกลัวกันมาค่ะแต่ถ้าเรามีปัญญาว่าอย่างมากก็แค่ตายยอมตายปั๊บมันก็ทีนี้มันจะคิดถึงยังไงมันก็ไม่กลัวละ ไหวถึงขั้นปัญญาได้ไหมนะขั้นปลงเลยปลงในยอมตายเวลาเกิดความกลัวอะไรก็อยัางมากก็ยอมตายอย่างมากก็แค่ตายมั้งเหมือนเคยคิดได้ค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ยังไม่ทุกครั้งอะค่ะแต่เหมือนก็เคยคิดได้เป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อนเราตอนที่มันเกิดความกลัวจริงๆนั่นมาค่ะตอนีมันคิดได้มันยังไม่ไม่ไม่สําคัญเท่ากับเวลากลัวจริงๆ ค่ะแล้วแล้วก็ยอมยอมตายจริงๆถ้าไ้นันจะเห็นผค่ะอืมค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เออเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้โยมจะถามจะถามว่าเ อ, อ่ออโยมจะบอกว่าตอนตอนงดอาหารนะคะพระอาจารย์ <c oughs> เออมันตอนแรกๆวันแรกๆมันจะรู้สึกว่าอยากอยากทานอาหารที่เราชอบ แล้วก็นึกถึงว่าเ่ออีกกี่วันจ ะ, จะจะจะเสร็จอะไรตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าจะครบกําหนดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันก็จางไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนหลังมันมีความหิวอ่อนๆนะคะพาจาย์มาเรื่อยๆทั้งวันเอ่อซึ่งมันดีมันดีมันดีนดอ่ะค่ะพาจานจะไม่เราไม่ง่วงไม่ง่วงเลยค่ะพาจานแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกรู้สึกดีกับตรงนั้นแล้วเวลามันเออตอนแรกก็ดื่มเครื่องดื่ม เยอะวันแรกๆนะคะหลังๆมามันลดลงไปเองค่ะพระอาจารย์จนมาสุดท้ายมันดื่มนมเกือบไม่หมดแก้วอะค่ะยอมยอมเพราะว่ผสมลงไปในแก้วเดียวกันเลยนะคะน้ำส้มนมอะไรเงี้ยค่ะก็แบบทีเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าอร่อยอร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่สนใจแล้วค่ะหลังๆมันรู้สึกว่ามันมันมันไม่ต้องต้องการความอร่อยแล้วอะอให้ยาให้ยาบำรุงกายค่ะครับประมาณนั้นเลยค่ะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นไปเองค่ะพระอาจารย์ ยมก็เลยรู้สึกว่าอดอาหารเนี่ยดีดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็การเขาผ่มันจะทำให้เราไม่จูจ้จี้จุกจิกกับการกินต่อไปกินอะยก็ได้ค่ะค่ะค่ะอาจารย์ ปฏิบัต right, ิไปเรื่อยๆนะนี่ยังอาจจะยังไม่อนุบาลอยู่อย่าไปอย่าไปหลงคิดว่าเราจบแล้วนะค่ะค่ะค่พระอาจารย์เข้าใจค่ะยังยังอีกเยอะค่ะพระอาจารย์ข่ากลับขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะพระอาจารย์ค่ะคุณกัตติยาต่อกัติยาอยที่ไหนอยู่ระยองค่ะคอข้างแรกเหรอใช่ค่ะอมีคำถามอะไรไหม มีค่ะอ่ามาเลยคือหนูอยากจะถามพายจย์ว่าสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง่ะคะคือมันเกิดขึ้นตอนขณะที่หนูไม่ได้นั่งสมาธิค่ะเป็นอริยบทปกติที่หนูทำงานปกติค่ะอ่าค่ะอันที่หนึ่งขาค่ะอันที่หนึ่งค่ะมันเกิดขึ้นที่ใจค่ะแป๊บเดียวค่ะมันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่มียกเว้น ถ้าเราเห็นจากหัวใจมันจะกระเด้งออกเองโดยอัตโนมัติค่ะคือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าปล่อยหรือวางเขาจะวางของเขาเองใช่ไหมคะก็เราก็ลองดูสิบางคนมันก็ถ้ามันเห็นจริงๆริงมันก็ปล่อยเพราะมันจะเห็นว่ามันทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นในใจมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะมันไม่เที่ยงค่ะข้อสองค่ะ ห, หนูเห็นสติภาวนากสมาธิค่ะมาในจิตค่ะคือว่าเรา ทำกิจกรรมอยู่ค่ะอยู่เฉยก็มาบอกว่าสติคื อ, อตัวปลุกให้เราตื่นค่ะมันไม่เหมือนกับที่หนูเคยรู้จักว่าสติสติที่หนูเคยพูดมาค่ะมันมันต่างกันตรงที่ว่าเหมือนเราเรารู้จักสติว่าฉันเห็นเธอแล้วนะฉันจะใช้เธอเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนปลุกใจให้ตัวเองตื่นตลอดเวลาค่ะ<ม>แล้วต่อมาก็ภาวนาค่ะภาวนามันเหมือนกับว่าเป็นการพิจารณาธรรมไม่ใช่แค่ว่าเราจะพุโทโธอย่างเดียวค่ะ แล้วก็อันสุดท้ายคือสมาธิค่ะอยู่เฉยๆก็บอกว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจไม่ใช่แค่เรานั่งหลับตาอย่างเดียวค่ะพายจารย์ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่มันก็ยังเป็นเพียงแต่เป็นการบอกต้องดูว่ามันมันมันมีหรือเปล่าจิตเราตั้งมั่นจริงหรือเปล่าจิตเรารู้หรือเปล่าจิตเราต้องต้องดูด้วยว่าเป็นเพียงแต่เป็นการ เป็นการแสดงมันมก็ยังไม่เท่ากับการแสดงตัวตัวจริงของมันค่ะแล้วข้อสามค่ะพระอาจารย์หนูเห็นอารมณ์คืออาการของจิตค่ะแยกออกจากจิตค่ะเป็นคนละส่วนกันแล้วแล้วบอกว่าอาการของจิตค่ะเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราค่ะแล้วทําให้หนูรู้สึกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกค่ะพระอาจารย์แล้วก็บอกกับตัวเองว่าหลงโง่แบกตั้งนานค่ะพระอาจารย์เออถูกต้องถูกต้องค่ะ ความจริงไม่มีอะไรเป็นกิเลสต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงต่างทําหน้าที่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีหน้าที่รู้ว่าศักแต่ว่ารู้ไปค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะเป็นกิเลสก็คือจิตตัวนี้แหละที่เป็นกิเลสเที่ยวไปแบบว่าไปไปตู่คนอื่นนะคะว่าทําร้ายตัวเองค่ะแต่ความจริงตัวเองทําร้ายตัวเองนะคะใช่ค่ะแล้วทําให้หนุบค่ะแล้วทําให้เห็นแบบว่า จิตของพระพุทธเจ้ากับพระละหันค่ะว่าท่านมีทุกอย่างเหมือนเราหมดเลยแต่ท่านไม่อะไรกับสิ่งนั้นคือท่านอยู่เหนืออารมณ์ค่ะอาจานเป็นเหมือนโยนหน้าบนใบรัวค่ะแล้วก็ข้อสี่ค่ะหนูเห็นเวทนาค่ะตอนแรกเห็นอาการหองจิตไม่ใช่ตัวเองแล้วหนูพิจารณาต่อแต่ว่ามันคนละช่วงเวลานะคะอาจารย์มันไม่ได้ต่อเนื่องกันค่ะแล้วหนูเห็นเวทนาค่ะไม่ใช่ตัวเองค่ะเป็นธรรมชาติเหมือนกับอย่างอื่นหมดเลยค่ะมันก็เลยทําให้หนูเห็นเออ ทุกอย่างบนโลกนี้ค่ะทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะเป็นธรรมชาติใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ทําให้หนูเข้าใจคําว่าที่พระอาจารย์พูดว่ามันก็เหมือนฝนตกมันก็เหมือนแดดออกใช่ค่ะเพราะว่าตัวเราเป็นธรรมชาติเหมือนกันใช่ค่ะมันส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะแล้วข้อห้าค่ะหนูเจอผู้รู้ผู้ดูค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูพิจารณาขันห้าค่ะพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดค่ะ หนูก็เลยลองพิจารณาดูว่าขันห้าเขาทํางานยังไงคะ่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะตรงนี้มันทําให้หนูเห็นว่าขันห้าน่ะเขาทํางานกันเป็นทีมคะ่ะพายจารย์เขาไม่ได้ทํางานโดดๆค่ ะ, ะค่ะแล้วแล้วมันทําให้หนูเข้าใจถึงปฏิจจสมุตบาทอายตนะภายนอกภายในคือหนูไม่เคยรู้เลยคะ่ะแต่มันทําให้เราเข้าใจคะ่ะมันเป็นทีมมันทํางานเป็นกระบวนการไปเลย ใช่ค่ะแล้วมันเกิดขึ้นท่านอาวิชาไล่ออกมาค่ะพยาจารย์มันมันทํางานเป็นเป็นแบบว่ามันมีเหตุปัจจัยมันถึงเกิดขึ้นมันไม่ได้ทํางานโดดโดดค่ะแล้วมันเห็นแบบเนี้ยแบบว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเช่นแบบว่าเราจะก้าวขาหรือกระพริบตาค่ะการทํางานของมันมันเร็วมากจนแบบว่าเป็นร้อยครั้งพันครั้งกว่าจะทำหนึ่งอย่างออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะมันเห็นเนี้ยแล้วมันก็มันเป็นเองค่ะแล้วมันก็ หมุนพิจารณาไปเองแบบนี้ยต่เรื่อย ๆ, ๆจนจนหนูรู้สึกแบบว่าเหนื่อยจังเลยทำไมไม่เห็นจบสิ้นสักทีคะ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็บอกตัวเองว่าให้ถอยออกมาสิออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆค่ะอะไรผ่านมาก็แค่รู้แค่ดูเพราะมันเป็นธรรมชาติค่ะพระอาจารย์อะหายเหนื่อยเังนดูเฉยก็หายเหนื่อยใช่ค่ะมันเบามากเลยค่ะมันมันทาให้หนูคิดถึงพระอาจารย์ตรงที่พระอาจารย์บอก ให้ดูแบบทีวีสิอค่ะเพราะว่าแต่ก่อนพระอาจารย์อดูเราดูเราอย่าไปเชียร์ด้วยดูเฉยๆอย่าไปเชียร์ใช่ค่ะเชียร์แต่ไม่เป็นใช่ค่ะอย่าไปยินกับมันใช่ค่ะอยาเป็นทุเล่นใช่ค่ะเราแค่เป็นคนดูแต่เราไม่ได้เข้าไปเป็นอ่าถูกต้องค่ะแล้วทีเนี้ยเราทําได้หรือเปล่าได้ค่ะเรได้ก็ถูกก็จบเราทำได้ก็จบพระเจ้าบอกว่าเห็นเห็นอะไรสักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยิน ใช่ค่ะแ ล, แล้วหนูพิจารณาต่อค่ะพาจารย์พิจารณาว่าตอนนั้นหนูเคยส่งคําถามอันเนี้ไปให้พราวอมฝากพาจารย์ค่ะพายจารยนบอกว่าทําถูกแล้วทําให้ได้ตลอดเวลาค่ะถ้าดูตัวนี้ค่ะหนูก็เลยลองเอามาดูทุกอย่างที่หนูทําเลยค่ะตั้งแต่ดูพุโทโธค่ะดูพุโทโธแต่ไม่ได้เป็นพุโทโธดูลมแต่ไม่ได้เป็นลมค่ะยืนเดินนั่งนอนหนูดูทั้งหมดเลยค่ะ แล้วมันเลยเห็นเหมือนกับตัวเองไม่ใช่ตัวเองคะ่ะพระอาจารย์เหมือนเราโดนฉีดยาชาค่ะเหมือนเดินก็เหมือนเราไม่ใช่เป็นคนเดินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอพอพอได้ตรงนี้หนูก็เลยเริ่มเอามาดูพิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมคะ่ะ<ม>ที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าผมมันไม่ใช่เรายังไงคะ่ะเมื่อก่อนอ่ะหนูก็ยังเขียงในใจคะ่ะว่ายังไงหนูยังเห็นไปเป็นตัวเองอยู่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>แต่พอหนูเริ่มเข้าไปเริ่มดูผมคะ่ะพระอาจารย์เข้าไปปุ๊บ มันตกใจค่ะว่าเฮ้ยมันไม่มีเราเลยอะที่เป็นผมเนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยเริ่มไล่ตั้งแต่ขนขดผมเล็บมันดูทั้งร่างกายเลยค่ะอาจารย์มัมีส่วนไหนเป็นเราอะไรเงี้ยไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วมันดูตัวเองไม่พอมันออกไปดูข้างนอกด้วยค่ะอ่าดูเพเลยด้วยใช่แล้วก็ดูต้นไม้ภูเขาเก้าอี้ทุกสุขทุกขาดบาปบุญไม่มีเราค่ะพระอาจารย์มันมีน้ำมันไฟแล้วมันใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีเราแล้วก็มันก็บอกตัวเองว่า โลกนี้มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยค่ะสะเวทมานัตตาทิจามใช่ค่ะแล้ ว, <S <S แ, ลวแล้วมันก็บอกเองว่าถ้าสมมุติเราตายหรือว่าเป็นโรคร้ายเนี้ยค่ะมันก็ไม่ทาให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจไปกับมันเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย <S <S ค่ะแค่แล้ ว, แ ล, วแล้วมันทําให้หนูเห็นแบบว่าแบบเหมือนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแบบ เออถ้าใครมีมีใครมาด่าเราหรือว่ามาฆ่าเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่โกรธค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเพราะที่เขาทำเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำแบบนี้เหมือนเราเมื่อก่อนเราไม่รู้เราทาค่ะแต่พอรู้แล้วเราไม่ทำแล้วก็เลยเห็นความเมตตาที่พระอาจารย์มีกับพวกหนูค่ะเพราะว่าพระอาจารย์อยากให้พวกหนูว่าได้รู้ได้เห็นแบบที่พระอาจารย์เห็น แล้วพวกหนูจะไม่ทําแบบที่พวกหนูเคยทําคือไม่ทะเลาะกันไม่โกรธกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันหรือว่าโรกรโลภโกรธหลงพวกหนูจะไม่มีเลยถ้าพวกหนูรู้แบบนี้อ่าต้อค่ะหมดแล้วยังยังค่ะหนูมีอันนึงค่ะมาว่าม า, มาเพราะว่าหนูอ่ะตั้งแต่ปฏิบัติมาค่ะหนูมีปัญหากับอสุภะค่ ะ, ะหนูทําไม่ได้สักทีค่ะเมื่อก่อนค่ ะ, ะแล้วทีเนี้ยหนูเลยเอาตัวดูนี้ค่ะ มาดูอสุภะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ว่าร่างกายพระอาจารย์บอกว่ามันสมันไม่สะอาดทําไมไม่สะอาดหนูยยังไงก็สะอาดค่ะ mm hmm. หนูเถียงในใจตัวเองเหมือนเดิมค่ะว่าเฮ้ย mm hmm. ยังไงก็ยังสะอาดทีนี้หนูก็เลยเปลี่ยนอุบายใหม่ควบกับทุกสุขแทนค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเวลาเรานั่งนานๆเราจะทุกข์เราก็เปลี่ยนเลยเลยมองไม่เห็นว่าตัวเองทุกข์ค่ะพระอาจารย์ หนูเลยได้อุบายตัวเนี้มามาพิจารณาเอ อ, อสุภะค่ะเพราะว่าหนูอะ่ะเห็นร่างกายตัวเองสกปรกหรือมีกลิ่นนิดหน่อยหนูก็ต้องไปอาบน้ําแล้วค่ะหนูก็เลยมองไม่เห็นลืมสังเกตเหมือนตอนเรานั่งนานๆเราก็ลืมสังเกตตัวเองทุกแค่เปลี่ยนอริยบทมันก็เปลี่ยนเป็นเหมือนสุขอย่างนี้ค่ะเหมือนก็เลยทําให้หนูเห็นสุขกับทุกขคือในโลกเนี้ยความจริงแล้วอะ่ะมันไม่มีความสุขถ้าจะเป็นสุขก็คือความสุขปลอม ความจริงแล้วเป็นทุกข์ล้วนๆเลยร่างขาพระอาจารย์ร่างกายก็เหมือนกันค่ะพระอาจารย์คือแบบว่าหนูเห็นพิจารณาผมว่ามันไม่สะอาดยังไงเลยพิจารณาตามลงไปดูค่ะมันก็ไม่สะอาดจริงๆค่ะพระอาจารย์มันคือมันสกปบกมันไม่สะอาดกี่วันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค<ล>่ะไมสะอาดถ้าไม่าก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องสระใช่ค่ะเห็นแบบว่าตอนแรกยังไงหนูก็มองไม่เห็นทีนี้หนูเลยเห็นว่ามันโสกบกยังไงจนแบบว่าหนูพิจารณาถึงแค่หนังนะคะ เพราะว่าพิจารณาต่อไม่ได้เนื่องจากว่ามันสกโปะมกมากๆก็เลยได้แค่พิจารณาถึงแค่ตัวนี้ค่ะแล้วก็อสุพะที่หนูใช้ตัดกามราคาเหรยอกามอารมณ์ก็คือตัวน้ําลายค่ะถ้าสมมุติว่ามีอารมณ์หรืออะไรขึ้นมาปุ๊บตัวนี้มันจะตัดมาเลยทันทีเลยค่ะมันจะโผล่มาเลยเพราะมันเหมือนกับเราติดตาติดใจไว้อ่ะค่ะถูกไหมคะพระอาจารย์การตัดกามอารมณ์ได้ก็ถูก ค่ะเพราะว่ามันมันโผล่มามันก็มันโผล่มาชนกันเลยค่ะแบบตึงตึงขึ้นมาทันทีอย่างนี้ค่ะแล้วโผล่ปั้มันก็สูมกันไปใช่ค่ะแล้วมันก็หายไปเลยหายไปเลยแล้ในที่สุดมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วมันแล้วแล้วหนูก็มีความรู้สึกแบบว่าเหมือนกับเราอะเป็นเริ่มต้นใหม่เปเริ่มต้นใหม่คือหมายความว่าเหมือนเราใช้ชีวิตปกติ เหมือนที่เราไม่เคยปฏิบัติแต่ต่างกันตรงที่รู้กับไม่รู้แค่นี้ชีวิตกระทำเงินต่อไปเหมือนจะขันท่าเงนตามกระทำเนินต่อไปแต่ไม่มีกิเลสเป็นตัวชั่งนำนั้นนี่ใช่ค่ะมีหนูรายงานแค่นี้หนูทําทได้แค่นี้ค่ะพอแล้วทำแค่นี้กันแล้วกินแล้วพอแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ก, ก็มีอะไรต้องทำํำอีกอะ ไม่มีแล้วค่ะหนูก็เลยอยากจ ะ, ะกล่าบเลียนพอาจารย์แล้วค่ะว่าหนูทําหนูเป็นลูกศิษย์พลายจาันนะคะหนูทําได้แล้วค่ะก็ศิษย์ต่ามันจะยังภารกิจในทรอาจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อไม่มีทุกข์มันก็จบถ้ายังมีทุกข์อยู่ก็ต้องทําต่อมีทุกข์ก็บ่ไม่ทุกข์เก่าไรแล้วไม่ใช่เลยพอใจหมดแล<ช>้วนะใช่ค่ะอก็อยู่ทำประโยชน์ต่อไปค่ะ หมดคาถามแล้วค่ะพระอาจารย์อต่อย่าไปบ้าโคตธนาบอกคนนู้นบอกคนนี้นะท่านไม่ค่ะพระอาจารย์ถามที่หมูตัดสินใจมาถามพระอาจารย์วันนี้หนูตัสินใจมาหลายปี<อ>เป็นแบบเป็นหลายปีมากเลยนะคะเพราะหนูไม่ไม่รู้ว่าสมควรที่จะพูดไหมอ่าพูดได้ถ้าเป็นธรรมพูดได้ค่ะแต่ทีเนี้ยพระอาจารย์บอกว่าจะต้องมีคนคนแบบพระอาจารย์เป็นผู้รู้อะค่ะหมายความว่าพระอาจารย์ไปถึงจุดแบบว่า เช่นแต่ว่าจุดจุดหมายแล้วค่ะพระอาจารย์ต้องรู้ว่าถ้าหนูถ้าหนูไม่กล้าเผื่อหนูผิดพลาดตรงไหนพระอาจารย์จะได้แก้ไขให้หนูหูจะได้ทําตามค่ะก็ไม่อะไรก็มีเพียงแต่ว่าอย่าไปบ้าสอนคนอื่นก็แล้วกันค่ะไม่ค่ะแต่ถ้าเขามาถามก็บอกเขาได้แต่อยู่เฉยๆไม่ต้องไปสอนใครค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเขาเขาก็มาถามเราเองค่ะแล้วพอเก็นําไปปฏิบัติเขาได้ผลเขาก็จะติดใจค่ะ แต่เราถ้าอยู่เฉยๆไม่มีใครมาทานก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปทําอะไรอยู่เฉยๆเราไปค่ะอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารนะย์โอเคนะค่ะนิยาเยมคงจะได้ฟังอะไรแปแกๆบ้างนะโอเคโอเคนะสาธุนโมทนาสาธุค่ะโอเคอ่าพอดี เวลาไม่มาต้องกำจัดจำกัดเวลาหน่อยบุญลอยมีอะไรเข้าประเด็นไหมการปล่อยวางเริ่มเริ่มที่ยังไงครับก็ปล่อยเงินก่อนปล่อยเงินปล่อยราบรดสัเสือก่ออย่าไปหามันหาแต่ปัจจัยสีก็พอเออในด้านของทางใจอ่ะครับหลวงพ่อเรื่องการก็ทางใจปล่อยปล่อยปล่อยภายนอกก่อนภายนอกก่อนถ้าภายนอกยังปล่อยไม่ได้ไปปล่อยภายในไม่ได้ ภายในมันยากกว่าปล่ายรัรู้สารเสพิดสุดก่อนแล้วก็ชีวิตดำเนินหาดับใจสี่อย่างเดียวก็พอไม่ต้องหาความนั่รวยไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องให้คนมาสรรมาสรรเยินยอไม่ต้องไปหาความสุขทางตาของจมูกมิ้งกายไม่ดูหนังฟัง เ, เพลงไม่เที่ยวไม่เล่นเกม ปล่อยันนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ไปปล่อยภายในใจครับอืออืมคาคาพูดที่เขาบอกบอกว่าเอ้ยทุกที่บอกว่าทุกอย่างเราก็ต้องเสียไปฉะนั้นเราไม่ต้องปล่อยอะไรเพราะท้ายสุดเราก็เสียไปเองอันนี้ก็มันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับวารามันติดอยู่ที่ใจอย่างนี้หรือเปล่าใช่เ้เสียไปมันก็ทุกข์กันเ่ยถ้าไม่ปล่อยถ้าปล่อยจริงเวลาเสียมันก็ไม่ทุกข์ โอเคครับเข้าใจครับขอบคุณมากครับ ค, คุณสืบพัฒนตตาต่อจานกล่าวมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมบอกวอีวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะมาขอรับฟังเจ้าค่ ะ, อะโอเคงั้นตั้งขอข้ามไปเลยนะเพราะเวลามันใจะใกล้กำหนดนะคุณพัฒนาพรดีวสุแนะล้ะเป็นอีบีซ่า ไม่ใจกันหลายอาทิตย์นะเข้ามาไม่ทันนะครับนะมัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อช่วงนี้สังขารหลวงพ่อเจ้าค่ะสังขารลู ก, ลกชายไม่อยู่เข้าไม่เป็นอ่าทำอะไรว่าเสียตาเหตัตโนนาถุหลวงพอ่ออาทิตย์ที่แล้วก็เข้าเจ้าค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลก็พยายามเข้าแต่เข้าไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่ออยู่ใน g r e e t i n งล o o มนานมากแบบ เอาวิธงูนางางทีถ้าเข้ามาสายบางทีน่าก็เห็นคนอยู่ในห้อ า, าเยอะเขาก็เลยไม่ให้เข้าเพราะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาใช่เจ้าค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลกันก็แล้วก็ไม่เป็นไรเจร้าค่ะก็ฟันอยู่ด้านนอกหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงเนี้ยอ่าจะพิจารณาคือเห็นว่าร่างกายมันเป็นทุกข์แล้วคือมันเจ็บปวดทรมาร แ, แล้วลูกจะปล่อยวางยังไรรงเจ้าค่ะก็ดูว่ามันไม่ใช่เป็นเราเลย ถ้าราอะไรมันเป็นเราเราก็ทุกข์แต่พอเรามันน่วงไม่เป็นเราเราก็ไม่ทุกข์เราทุกข์กับคนอื่นไหมการเราเจ็บไข้ได้ต่วคนที่เราไม่รู้จักเจ็บไข้ได้ตัวยเรไปทุกข์กับเขาอ่ะไม่ทุกเจ้าค่ะก็ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่เห็นเราเรายิน<า>ก็ขาใช้ชมันจะทุกข์ก็มันจะเจ็บก็ไปมันเจ็บไปรักษ า, าได้ก็รักษ า, าไปเจา้าค่ะจำคลาหลงพ่อจบ มันมันมันมันรบกวนแบบมันกระดูกลูกแล้วลนั่งสมาธิแล้วก็มันนั่งไม่ต้องนั่งก็งได้ไม่ต้องนั่งก็ใช้ปัญญาเลยก็ได้ใชนะ้พิจารณาสอนเนืน้เนกระดูกมันเจ็บแต่เราไม่เจ็บเราเป็นผู้รู้เราไม่ได้ต้องเราไม่เจ็บไากับมันดูกเพราะการะดูกไม่ใช่เราปัญญา น, น อ, อลูกก็มานั่งเก้าอี้มานั่งเก้าอี้แล้วพอนั่งไม่ได้ลูกก็ไปนอนพิจารณาเจ้าค่ะ <cin stereotype> แต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์กับมันก็รู้ว่าโอเคถ้าไม่ทุกข์ก็จบพิจารณปฏิบัติเพื่อไม่ให้ใจเราทุกข์กับร่างกายเข้าใจไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อร่างกายยังเป็นอะไรเรห้ามมันไม่ได้ค่ะมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะตายก็ต้องตายไม่มี้ใครไปยับยั้งมันนะแต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันทุกข์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะทุกข์ไปก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ ครับสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วลูกอ่าโอนปัจจัยไปถวายหลวงพ่อแล้วก็อ้อนเข้าที่โรงเรียนโอเคสาธุโมลนาส่งเฉลี่ยไปให้ใครหรือเปล่าไม่ไม่ตาำคุณหมอเจ้าค่ะคุณเฉลีวันส่งไปให้คุณหมูเจ้าค่ะอตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่ออ๋อใช่เขาบอกเป็นคุณชวีวันเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคุณเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคก็โมทนาเรื่อง สาธเจ้าค่ะของพ่อมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะโอเคนะอย่าไปคิบร่างกายนะปล่ยวางนะนมันไม่ไเป็นเรานะคิไปก็ไม่เกิดก็อยู่อะไรฝ่อยไปตามความเป็นจริงมันจะเจ็บก็ฝมันเจ็บมันจะตายก็มาป่อยตายนะสาเจ้าค่ะขอบคุณหลวงพอเจ้าค่ะด้ย้้ยรักเสมอกับนมัสการ์ค่ะอือืมเพราะ พระาจารย์ว่าบมามีอะไรบ้างไม่มีค่ะวันนี้มาขอพรเฉยๆติดโควิดต้องเก็บบ้านด่วนเลยด่วนแล้วเห็นแล้วกันนี่ยโควิดติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไอประเทศเนี้ยเขาประกาศแล้วว่ามันไม่มีโควิดแล้วเขาก็เริ่มเลิกเลิกเรื่องหน้ากากเลิกอะไรอย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่มีแล้วไม่มีการกแล้วการรุนรงไม่รุนแรงใช่ไหม มันก็เป็นเหมือนไข้วัดเอ้เราก็นึกว่าอะไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปทํางานที่ยูนิเวอร์ซิตี้มาแล้วทีนี้เรากเอ๊ะกลับมาทําไมมันไม่สบายเราก็รู้สึกมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วทีนี้เราก็อ๊ะโอเคสงสัยจะไข้หวัดธรรมดาเพื่อนลม ง, งานก็มาติดด้วยอือฮ <Okay. S 1> ะโอเคหายหายเร็วๆนะห่อหายเร็วๆให้เจ็บหายไข้ให้มีกิจกรมสุขแล้วคาดปลอดภัยอายุเงื่อนก่อนเย็น ไปลไปรวยไสวยไม่สับานไม่โรับเลยนีร <c oughs> ับเลยค่ะสาธุจะขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจ้าสาธุสาธุคุณทาเฉลียค่ะคุณทนานเฉลียใช่แค่มาการาบพระอาจารย์ก็ค่ะแล้วมาฟังนะมาเกลี่ยใ <c oughs> ้เข้ามาค่ะมากราบค่ะสาธุสาธุค่ะขคุณบาลี อะไรแคนี้เวลาน้อยนะ้รับท่าราเข้าประเด็นนะนะท่านมีอะไรตรงพ่อหนูไม่ไม่มีคำถามค่ะแต่อาทิตย์หน้าหนูจะไปที่ที่วัดหลงพ่อค่ะที่ไหนไปคำนวณล้าไปอยู่ปฏิบัติท่นไปพีวันนี้พระบุตรเพิ่งบอกมาว่ามีห้องว่างได้ห้องหนึ่งค่ะหนูก็เลยจะไปวันที่ที่เจ็ดเจ็ดถึงสิบเ็ดค่ะโอเคเคด็เก็บตัว ชื่อแีเแต่หนูยังไม่เคยไปวัดแต่อยู่ปฏิบัติที่วัดหลงพ่อเลยก็เหมือนกันนะมันก็มันก็เป็นเป็นมันเป็นบ้านเดียวๆอยู่คนเดียวไม่อยู่กับใครค่ะอ่แล้วแล้วต้องตอนเช้าต้องมาสวดมนต์ไหว้พระอะไรกันไมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยว้องกับใครเลยอาหารก็ถ้าไม่สั่งเข้ามาให้เขามาส่งแล้วก็เตรียมอาหารแต่พ่อต้องนึกเรียนมีเตาแมโครไม่เราอุ่นอาหาได้ แล้วแต่เราแต่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาอาหารไปเขาก็มีคนที่จะรับส่งผิดต่อให้คมีรู้สึกเหมือนมีน้องคอนหรืออะไรเนี่ยคะ่ะเขาคสามารถติดต่อเขาได้ตอนหลวงอ่จะพยายามไปคือมันนับถึงว่าเวลาผ่านไปเราทําอะไรอยู่เนี่ยบรู้สึกว่ามันยายามเวาอาจิตให้รวมเป็นสมาธิแค่ได้ให้มันสงบมนานานิ่ง ของพ่อวันนี้หนูไม่รบกวนหลวงพ่อแล้วค่ะกลับเพราะว่าคุณหลวงพ่อนะคะกลับมาสักราร์พระอาจารย์เจ้าค่ะคุณพ่อและลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะวันนี้ขอร่วมฟังเจ้าค่ะไปที่คุณลูกที่ว่าลูกที่ว่ามีอะไรไหมกลับมาสักการ รายารวันนี้ไม่มีคำถามเลยค่ะโอเคคนเอ็นเคนะเอ็นเคนี่ที่ไหนอ่าญี่ปุ่นใช่ไหมเอเคใช่ค่ะแล <Okay. S 2> อาจารย์มันไม่มีคำถามค่ะพอดีสงสัยเหมือนกับคุณจิ๊บที่ถามไปข้างต้นแล้วก็เคลียร์แล้วค่ะโอเควันนี้กับพาอาจารย์เฉยๆค่ะได้เป็นไปที่คุณจอห์นจ่า จอ ย, อยู่พัทยาตอนนี้ค่ะอยู่พัทยาค่ะไม่มีคํามาทค่ะเข้ามากก่าวพาจายโอเคนะเดินนานทำงาแล้วนะนอนแล้วค่ะอยู่คนละห้องกัน <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยววานพุธจะพาไปใส่บาตรมันเกิดเทาค่ะโอเคน้มีคนสิทธิพงศ์เหรอคุณสิทธิพงศ์จะจะถามอะไรแรบอเปาเป็นกรบท่ามิ่งคงจะไม่ถามนะ คำถามนะเอาทีหลังตอนนี้ไปที่เฟสบุ๊กก่อนก็แล้ค่ะคืนนี้มีทั้งหมดอตอนนี้เข้ามาทั้งหมดแปดคําถามค่ะคําถามแรกนะคะจากคุณยุทธศักดิ์ค่ะทำตัวจริงดีกว่าสมบัติที่พ่อแม่ให้เราเช่นบ้านและที่ดินใช่ไหมครับไลโวควมอนมันเป็นขยะใช่ไหมครับแม่พ่อแม่จะให้หรือไม่ให้เราไม่ควรดีใจหรือเสียใจใช่ไหมครับหมายถึงสมบัติที่พ่อแม่จะให้ ค่ะสมบัติค่ะก็มันไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็ให้เราก็เหมือนเราได้รับของขวัญก็รับไว้แล้วก็ไม่ให้ก็เราไม่ต้อไปเสียใจอยากปหวังอะไรจากพอสิ่งที่พ่อแม่ให้กับเรานี้มีคุณค่าสั่ยอะแล้วความสมบัติทั้งหลายก็คือร่างกายของเรานี่ร่างกายของเรานี้สามารถเราไปทำประโยชน์ทำอะไรได้เยอะยะกว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ก็จะให้หรือไม่ให้ก็ ำดดบบคำถามต่อไปจะคุณศักดิ์แต่ว่าค่ะน้องกราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับขอเรียนถามว่ายุคนี้ยุคพุทธกาศกับยุคพุทธกาลการปฏิบัติเหมือนกันไหมครับได้ยินบางคนพูดว่า ยุคนี้คนเมืองคิดมากถ้านั่งสมาธิจะไม่สงบเหมือนคนยุคก่อนให้มาดูจิตได้เลยใช่ไหมครับพอาจารย์เขาว่าครูบาอาจารย์ทํานายไว้ว่าต่อไปการดูจิตจะเจริญในเมืองครับกระผมรู้สึกสับสนครับไม่ถึงครับถ้าไม่มีสตดิดูจิตก็ดูไม่ได้อย่าี้ยุคนี้มันคนเจริญทางวัตถุมากมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสติมานั่งสมาธิเนี่ อหาวิธาหาทางรัดกันทางรัดการดูจิตนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำจิตให้สงบได้คำถามต่อไปจะคุณมาไทัยเวอร์ซ n ลยูนิตี้ค่ะมีสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งค่ะขอโอกาสครับถ้าไม่มีคนเล่นไม่มีโรงละครแล้วคนดูจะไปอยู่ที่ไหนครับมันดูว่าอยู่ที่ว่างไม่ต้องดูอะไรคนดูก็ไม่หิวคนดูที่ฉลาดเขาก็ไม่หิวกับ ละครให้อยู่เพราะเป็นละคอนน้ำหน้าใช่ไหมคถามที่สองค่ะผมเห็นจิตถอยเข้าผวางเองด้วยปัญญาแต่จะสามารถเห็นแต่จะสามารถเห็นการทํางานและพิธีของจิตในภวางได้อย่างแจ่มแจ้งละเอียดได้อย่างไรครับเรเห็นไม่ได้หรอกเพราะเวลาอยู่ในผวางมันไม่มีอะไรเลยตามว่าแต่็เมื่อออกจากผวังนัง่นก็จะขั้นตอนของการทางานของจิต จิตก็จะเริ่มรับรู้รูปเสียงเกิดนั่นนันก็คิดๆๆคุด้มแตกแล้วก็เริ่มเกิดความอยากความไม่อยากตามมาต่อไปคำถามต่อไปจะคุณสิงห์เหนือเสือใต้ค่ะผมภาวนาพุทโธแล้วจิตหลุดปล่อยเลยเปลี่ยนมาภาวนานะมะพะทะคุมจิตได้เกือบทุกอิริยาบถแต่ถ้าจิตรู้แล้วรู้ตัวอีก จิตจะภาวนาพุโทโธพร้อมลมหายใจเองแบบนี้คผมควรภาวนาแบบไหนดีครับแบบนั้นก็ได้น้องไปนั่งสมาธิดูนั่ ง, งบบนั่จิตสงบกับแบบไหนก็แบบนั้นได้ค่ะคำถามต่อไปจะคุณพนาลักษ์ค่ะขอน้อมกราบสอบถามเจ้าค่ะว่าถ้าเราได้คุยกับคนอื่นแล้วเกิดอารมณ์รักโรคโกรธหลงเข้ามาระหว่างเราคุยเราสามารถดึงจิตและภาวนาพุโทโธได้หรือเปล่าเจ้าคะ ได้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะทําให้จิตเราเกิดอารมณ์ขึ้นมันอยากจะดับอารมณ์เรวก็พูดโธไปแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้ยินวา่าพะทโธอะไรก็ได้ค่ะคำถามต่อไปจะคุณซีรีแอนค่ะกลับนมัสการจากออสเตรียเจ้าค่ะสามีโยงเป็นชาวออสเตรียนั่งสมาธิวันะหลายชั่วโมงมากกว่า30ปีแต่ยังตรหนีและมีความทุกข์จากความเจ็บป่วยของร่างกายอยู่มากเรียกว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกทางใช่ไหมคะ ก็แล้วเขาปฏิบัติสติอย่างเดียวเขาไม่เขาไม่ได้เจริญปัญญาเขาไม่ญญมได้พิจารณาความไม่เที่ยงของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของร่างกายมันก็เลยทําให้เขายัางยึดมังติดยังรักยังโผลทรัพย์สมบัติเหลนั้นอ ย, อยู่ถ้าเขาพิจารณาว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการทัดทาจากกันไป อันนี้เขาก็จะได้ปล่อยวางได้ปล่อยวางร่างการปล่อยวางสภาพสมบัติเอาเงนที่เหลือเฟือนี่ไปทําบุญทาทานช่วยเหลือเพื่อนมน์ได้คํำถามต่อไปจะคุณซีพูนส์ค่ะโอภาสเกิดตอนหลับได้ไหมครับตอนหลับนี่มันมั น, ม, นมันไม่มีสติมันไม่เกิดนอกจากเป็นควาฝมฝันเป็นความฝนัน คำถามต่อไปจะคุณชัดค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเมื่อท่านสำเร็จอรหันต์ท่านได้สร้างเจดีวัดเหมือนสมัยนี้ไหมครับหรือท่านทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมอย่างเดียวครับเราก็ตอบไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ต่สมัยนะั้นคำถามหมดแล้วค่ะหดแลหลังแล้วถ้าเป็นพระนรหันนก็จะตามตากพระเจ้าสอนคือ หลังจากที่บรรนะลูธรรมแล้วท่านก็เผยแผ่ทำต่อแะก็ไม่ใน่ว่าจะไม่ได้สร้างเจนีงหรือสร้างแนละ้วแต่ว่ามีศรัทธายาดยมอยากจะขอให้ท่านเป็นผัวหน้าสร้างโดยที่เขาเป็นผู้บริจาคเงิท่านก็ จ, จะสร้างก็ได้อันนี้ไม่แน่ด้วแต่โดยหลัก ง, งา น, นา ง, ง่ายผองท่านก็คืองานเผยแผ่สั่งสอนธรรมะเป็นงานเ่อยๆขึ้นอยู่กับกรณีขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ องคตท่านก็สร้างวัดประกอบสร้างเกจีสร้างโบสถ์ได้ไม่ไม่มีข้อห้ามรังงค์ก็ไม่สร้างเลยก็ได้แม้แต่สมัยนี้ก็เหมือนกันนะมังงค์ก็สร้างมาองค์ก็ไม่สร้างแต่สิ่งที่ท่านทำทุกองก็คือเผยแผ่สั่งสอนธรรมะที่ตอนนีงได้ตัดสได้รได้บรรลุถึงให้บุญได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อเอาเลยสิบแปดนาทีถ้ามีใครอยากจะถามนอกที่สองนี้ แค่ยกมือขึ้นมาแล้วก็เปิดใหม่ได้นะโอกาสให้ถามต่อได้เมื่อกี้น้องวิ่งแม่งเคลียร์เคลียร์คนในห้องให้หมดก่อนเราจะได้ไปที่ํำถานจากทาบ้านอันนี้หมดละเนาอยัางมีเวลาเหลืออีกหน่อยถ้ามีใครอยากจะถามอะไรก็เชิญเมืบอกี้ครับ พระอาจารย์ค่ะกรับนมัสการอีกรอบนึงค่ะขอบคุณคะ่ะคุ่บอยยมจะขอถามพระอาจารย์นะคะว่าพระอาจารย์เริ่มเส้นทางบินธบาตรีตอนกี่โมงคะปีห้าเหรอคะอ๋อมันแต่และแต่และช่วงมันไม่เหมือนกันช่วงฤดูร้อนมันจะเลยนอย่างตอนที่มันอยู่ในช่วงฤดูร้อนก็เริ่มประมาณอ่าประมาณสิบนาทีก่อนก่อดหกโมงปีห้าห้าแต่ถ้าช่วงนดูหนาวเนี่ย มันก็จะมาช้าหนะ่อมันจะสายหนะ่ะมันจะหกโมงกว่าหกโมงสิบห้ามยี่สิบมันจะกลับไปกลับมาตามตามตามตะวันค่ะแล้วถ้าช่วงเดือนสิงหาค่ะต้นเดือนวันประมาณวันที่หนึ่งสิงหาอะไรประมาณว่ค ง, ง<า>มันจะอยู่ยนใกล้ๆกับช่วงนี้อยู่มันจะไม่เปลี่ยนในช่ว ง, าา ง, วงมันจะไม่เปลี่ยนในช่วงพฤศจิกาธันวาครับมันจะสายยมยมกาลังจะพาลูกๆกลับไปเมืองไทยอ่ะค่ะว่าจะ ไปพักใกล้ๆวัดพระอาจารย์นะคะกำลังจะหาที่พักอยู่ก็ที่วินตาบ้านีด้มีโรงงานโรงานมมอริต้าลองเส a r c h ดูหน่ยโรงแรมอะไรนะเจ้าค่ะมอริต้า w o r i t a ค่ะพัทยามอริต้าเดี๋ยวย้อนฟังอีกทีหนึ่งอ๋อคือพัทยานี่ใกล้กว่าระยองอ่ะถ้าถ้าสัตหิใช่โรงงานนี้อยู่ที่สายวินตาบเายมีญาติยมที่มาสายบ้านมนมาจองที่พักที่นี่กัน หรเนซองก็ได้ซมานอัธยามีคุณฟางเม่อไราเนี่ยคุณฟางเมื่อไรส่งข้อมูลไปให้ได้คุณาาจิ้หน่อยเ่ยเมไรทงานที่โรงรเวนซองยมค่ะยมกำลังหาที่พักที่แบบให้ลูกได้เที่ยวทะเลด้วยเออที่โรงแรมเวนซองก็ได้อยากให้ค่ะแล้วก็บบมีสระว่ายน้ำอะไรเนี้ยแกเป็นทเสน่อแนและย่อยอยู่อาช่วยจัดการให้ได้ อ๋อค่ะขอขอคุณเจ้าค่ะค่ะยว่ายงฝาส่งชทไปให้แหน่อยให้ติดต่อไปหน่อยนะครับไดเจ้าขอพอบคุณเจ้าค่ะขอพคุณค่ะค่ะยงมีคำถามแค่นี้ค่ะมีูกสึษมีลูกศิษ์หลายอาชีพด้วยกันไมต้องกาาอะไรีเรียกใช้ได้ยี่อยากเลยค่ะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านมากเลยค่ะมีทั้งคุณหมอินทั้งอาจารย์โอชีไปหมดเลยค่ะ ค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะคนรีตอคนรีจากศีราเะเจนกับนมัตการพระอาจารย์ค่ะพอดีหนูเคยตั้งคำถาม่ะคะพระอาจารย์ว่ามนุษย์โดยทั่วๆไปเนี่ยจะมีโอกาสทราบไหมคะว่าในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติกรรมที่เราเคยทำไว้ค่ะมันบางคนบางคนน้อยมาก คนที่มีมีพลังจิตที่เราเลือกชาตินั้นมีไม่น่าแต่ก็มีอยู่ค่ะแล้วแล้วถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่สําคัญสําคัญว่าเวลามันเกิดวิบากว่าเราจะรับรับบริกรรมยังไงเท่านค่ะแล้วมันจะหมดกันเป็นชาติชาติไปไหมเจ้าค่ะอ๋อถ้ายังมียนว่าตายเกิดมันไม่หมดมันก็มันก็ทํากรรมไปเรื่อยเพราะกิเลสตัณหามันจะดึงให้เราไปทํากรรมนี้่ อยากได้โน่นอย่างได้นี่ก็ไปทําไม่มีเงินก uh ็ไปขโมยต้องวาอะไรอยงนี in ้ก็ไปทําบาปโจยถ้าถวกดำเนินใจดีไปทําบุญนะแต่รวยหรือจนถ้ากกิว่ารวยก็จะได้ทําบุญถ้าเกับมาจนมก็จะได้ทําบาปมากกว่าื็ค่ะก็พยายามค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี่ก็พยายามอย่าไปทําบาปทําบุญให้มากครับอาจารย่ก็ค่ะ เข้าใจค่ะสโดยอดีตเรอดีตเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าทําอะไรมาบ้างค่ะรู้ก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรจริงนะคะก็ก็พยายามจะยึดว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างที่อาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่พี่ๆคุยกันบ่อยๆพยายามจะเข้ามาฟังค่ะอาจารย์มันเหมือนทําให้เราพยายามดวงจิตเราให้ดวิจาารณจิตเราให้ยอมรับกับกับวิบากกรรมของเราให้ได้ เช่นเจ็บไข้ได้ตัวก็ถืว่าเป็นมีบากกรรมของเราไ ป, ปใช้โุเบคาใช้โอเบขาปล่อยวางมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนิจจ่าห้ามมันไม่ได้มัน จ, จะเป็นก็น้องฝันเป็นไปเท่านี้ก็จบให้เราไม่ทุกขพพ์กับมันนั่นเองปัญหาของเราตอนนี้อยู่ที่ความทุกข์ว่าเราจะแก้ความทุกข์ได้อย่างไรทั้งนี้นจริงเจค่ะยิ่งพยายามอยากหายมันยิ่งรู้สึกทราม า, านได้ค่ะแต่พอเรา ปล่อยไปอย่างท่าอาจารย์พูดแล้วทุกคนมันล่วงผลไม่ได้ก็เบาลงเบาลงเรื่อยๆนะครับ ม, มันเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะค่ะ ก, ก็พยายามเรื่อยๆตลอดไปครับการปฏิการไปเรื่อยเจ้าค่ะเจ<า>้าค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะผมผมเห็นคุณอูดคุณอูดยกมือฮะอาจารย์อูดท่านพระอาจารย์ครับฝนีม คุยนานๆนะแล้วก็ได้ินครับพระอาจารย์ครับผมไม่ตาเล่าเหตุการณ์ที่ครั้งเมื่อพระอาจารย์รู้สึกประทับใจมากตอนที่พระอาจารย์อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดครับผมไม่ไม่ไม่จำเลยนานๆไม่ไม่อยากยาวเรื่องเก่าๆนานๆคนพูดแล้วเดี๋ยวพนไม่ตรงกับความจริงแล้วประทับใจทุกวันน่ะอยู่บัดป่าวัป่าบ้านตัดแล้วประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้าไป ได้เห็นคูบาอาจารย์ได้เห็นภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็มีความประทับใจขึ้นมาแล้วมันทําให้มีกําลังใจที่ที่จะปฏิบัติตามเขาให้ได้ผมก็เลยเราแวมาแวะอยู่วัดของที่มีภาพดีก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจมีความประทับใจนะ โอเคุณชานกกาต่อบชากกาอาจารย์ขอให้ให้อาจาย์ช่วยเราแบบเหมือนเวลาเราอ่ะคุยอภิปรายอะค่ะแต่บางทีค่ะเวลาคนไข้ไอมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็พยายามให้คำแนะ น, นำแต่ทีเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจเขาเพราะว่าบางทีอะอย่างสมมติว่าก็ถามว่า มันจะมีโอกาสแพ้ไหมซึ่งทุกอย่างมันมีโอกาสแพ้หมดบางทีมก็ไม่ถูกใจเขาแล้วเราจะเลี่ยงอย่างไงเพราะเราก็ไม่อยากหน้าที่ของเราไม่ได้เราเอาใจเขาเพะยังหน้าที่ข อ, อ, องเราคือให้ความจริ ง, ขงเขาบอกเขาเออพราะว่าลูกอ่ะก็คือลูกเป็นคนแบบตอบตรงๆรงไงไม่เสียราติมก็ไม่พอใจก็ช่วยไปได้ก็จบงั้นลูกคิดถูกใช่ไหมที่ลู ก, กไม่โกหกเขาทําไมลนะ่ะโกหกล่าก็สบายใจแต่ ออลูกไม่โกหกเนี่ยลูกก็เลยแบบมันก็เลยรู้สึกแบบ เ, ออเขาต้องการคําตอบที่อันนี้ลูกก็ถามว่าถ้าต้องการอันเนี้ยไหมใช่ก่อนจะตอบก็ถามว่าคุณรับรับความจริงได้ไหล่ะอืมแล้วังบางเจอบางเคสนะคะที่เจอวันเนี้นะอาจารย์มาแบบคือคนแก่ค่ะเขาก็จะนอนไม่ค่อยหลับธรรมดายอยู่แล้วแล้วมาซื้อ ยาให้คนแก่แต่กลัวว่าจะหลับมากไม่หลับมากลูกก็บอกว่ามันบอกไม่ได้ในแต่ละคนมัน ต, ต้องแรงมันไม่เหมือนกันอีนี้ถ้าคุณกลัวก็คือมันเป็นธรรมชาติของคนแก่ก็คือคุณไม่ต้องนอนเพราะปกติอะ่ะถ้าเป็นพี่อะ่ะตอนเฝ้าแม่พี่ก็ไม่นอน อ, ออกส่วนมันไปด้วยการนอนช้อนมันไปที่ไหนลูกก็บอกอย่างนั้นแล้วก็มีแบบบางเคสมาเจอแบบ ซื้อยาเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเครียดแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ mm. พอแล้วก็ไปหาหมอเขาก็าจะให้ไปถึงจิตตวงจิตเวทลูกก็ฟังจากที่พระอาจารย์บอกลูกก็บอกว่าคุณก็น่าจะหาสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นก็พอตอนหลังมาเขาก็ไม่ซื้อเลยนะพระอาจารย์เออลูกก็ว่า mm. งั้นลูกมาถูกแล้วนะถูกแล้วให้ความจริงเรามัน เราเป็นชาวพูดเราต้องพูดตามจริงถ้าพูดความจริงพูดไม่ได้ก็อย่ากพูดก็เฉยๆไปแต่ก็รับตามจริงไม่ได้เพราะมันพูดค่อนข้างอาธิบายแฟนก็บอกเออเธอก็อธิบายดีแต่ว่าคนามันมีหลากหลายแล้วก็ในความรู้สึกของลูกแบบอาจารย์ก็เลยแบบที่ลูกเปิดอันนี้นะลูกแบบตั้งใจแบบ คือทํางานแล้วเห็นคนที่เขาลําบากยากจนไงพระจารย์กว่าเขจะหาเงินได้ลูกก็มาแบบให้แฟนแนะนําบางทีไม่ต้องซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่บอกพระจารย์คือเราเอากําไรค่อนข้างต่ํามากแบบจึ๊บบางทีไม่ไอ้นั่นเลยแต่ลูกก็แบบแถมให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ๆๆนลยลูกก็เลยแบบรู้สึกแบบอืมเครียดเรลูกว่าเอ๊ะแต่แฟนเนี่ยเขาก็ยังอยากทําแต่ลูกอ่ะ พอฟังธรรมะมา ก, มากลูกก็บอกเฮ้ยเราจะหาไปทํำไรเราก็ปีนก็มีบํานาญใช่หรือ <laughs> <laughs> มันก็เลยก็ไปเขาทำไปแล้วก็เป็นช่างเก้าหลังก็ช่วยเข้าไปแต่เราไม่ต้องเ ป, ไ ป, ไ, ปไปเครียดกับการทํางานครทำลูกก็คือสบายเออลูกก็ไม่ได้เครียดแต่ลูกกะคือปกติก็เหมือนที่ถามจากอาจารย์แหละคือลูกกะแทบจะไม่รู้อะไรเลยลูกไม่รัอะไรอะลูกขายอย่างเดียวลูกไม่รู้ ตนตุนไหลลูกก็ไม่รู้ลูกก็เลยบางทีอ่ะเหมือนเขาบอกเขาก็เลยบอกลูกว่าเจอดีแล้วแต่เจออ่ะก็เป็นว่าแถมดุ้นแถมนีไปจบอืมก่อนจะทาบุญไปไม่ได้ไปว่ากันเลยก่อนทำบุญตรงนี้เลยคือใส่บาตรอยู่แล้วว่าจารย์บําดัคือตั้งแต่ไม่มีแม่มันก็เหมือนเกินความจําเป็นลูกก็เอาไปทาบุญบริจาค ทำทานด้วยคนยากจนมาซื้ อ, อยาก็บางาทีก็ไม่ท้อเจ็บเท้าก็ได้รู้ว่ากขายากจน ล, ล, ลูกเห็นพระที่บินบาตรตังหน้าค่ะ<ม>แล้วลูกสังเกตว่าเท้าเขาอ่ะเจ็บนะค่ะเทา<ม>้าต้นลูกก็เอายาเอาอันนั้นเอายาให้เอายานวดให้แล้วก็ลูกก็ใส่รองเพราะเออลูกก็ประมาณอย่างเนี้แหละลูกก็วัานี้ทาไป รู้ไม่ได้เร็วไหลก็นานนะลูกก็ว่าลูกไม่ได้เนนลีลเ้ยวไหลตายไปก็ไปไม่ได้ตายตา ย, ตายไปก็ออกไปไม่ได้ข้าวของเงนทองี้ไงเพราะว่าลูกเห็นที่เขาแย่งอะไรกันนะลูกไม่ชอบอืมอืมพระอาจารย์สบายใจแล้ววันเนี้ยฟังหลายหลาอันสบายใจอยู่อ่าอ่าคนที่เข้ามาเล่ า, า, ากันปาาัจจัยของเขาหอเป่าเข้าใจหไห ก็เข้าใจค่ะอาจารย์ลูกไม่ได้ซีเรียสมากลูกแค่ทําทานทำศีลทาบารดาเพราะว่าลูกเหตุแม่เขาทําประมาณเนี้ยค่ะจนตายลูกก็แค่ทํำแบบนี้ยตนตายพอแล้วแต่ลูกไม่ต้องตะบันรู้อะไรขนาดนี้นะอาจารย์งานแค่เงี้ยคันลูกก็รบกวอันอื่นแล้วลูกว่าลูกก็สบายกว่าคนอื่นหรอกโอเคอาจารย์งั้นสบายใจแล้ว มีาใารอยาจะถามา ไ, ไมหมไหมประมาณห้านาทีห้นาทีกว่ากถ้าไม่มีจะได้ปิดประชมุมสำหรับคืนนี้นะเราสมควรแก่เวลาก็อขอให้ท่านนำเงาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดนะิพพานไปปฏิบัติแล้อความสุดความเจริญก้าวหน้าในทานี้ขึ้นไปเทอ